จเจริวพมท่านสาธุชนพุทธบุตสัตทุกๆ ท, ท่านที่มีความสนใจต่อธรรมะอันประเสริฐของพระพุทธเจ้าคืนนี้เราก็จะมาสนทนาธรรมกันต่อใครเข้ามาก่อนก็จะได้โอกาสพูดก่อนถามก่อนท่านแรกคืนนี้ก็คือคุณธรรมวันจากสามเสนกอธรรมวัน นวัต ก, การเจ้าพระพาจรย์ยอมดีใจที่พระอาจารย์ใช้เก้าอี้ทำงานตัวใหม่ช่วงนี้อืมเอตัวเก๋นเเดี๋ยวคนจะหาว่ามันสบายกันไฟรึเปล่าไม่เจ้าพระเรียกว่าเก้าอี้ทำงานดีกว่าเจ้าพระแล้วก็ช่วงนี้ยอมก็กันบ้านก็คือ สติมากขึ้นโยมก็เลยใช้พุโทโธช่วยค่ะเพราะปกติทําแต่อานาปะค่ะแล้วก็แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่ายมทําอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์สมมติว่าโยมจะเอื้อ ม, มือปีไปแล้วก็เอื้อมแล้วแบบเหมือนกับเอาความรู้สึกไปอยู่ในแขนเนี้ยแล้วก็เอื้อมไปแบบตลอดอ่ตะตลอดเวลาเหมือนตัวเองเป็นโรบอทรู้สึกว่าตัวเอง แยกระหว่างใจกับร่างกายได้มากขึ้นแต่ไม่รู้ว่าถูกวิธีหรือเปล่าเจ้าคะก็ร่างกายก็เป็นเหมือนลูกบอลใจก็เป็นผู้สั่งการให้เคลื่อนไหวย่งแขนย่องขาทำอไปต่างๆแต่โยมเอาจิตไปไปอยู่ในแขนเลยนะคะพยายายื้อทําช้าๆช้าๆก็ลองสังเกตตอนนี้เราเป็นเด็กๆตอนนี้เป็นตาลกเนาก็กลำลังผัดผัดใช้ใช้ร่างกายนี้ออ พอเราโตแล้วลงแต่เยอะพอเราพอเราใช้ไปเรื่อยๆมันก็ชํานาญขึ้นมันอะไรเป็นอัตโนมัติไปอนั้นยมก็แบบชํานาญมันขีมันขับรถใหม่ๆมันก็เข้าเตียเอยเหยียบเบรกเอยอะไรมันแต่ละขั้นมันรู้สึกมันต้องทําอย่างช้าๆแต่พอขับไปจนชํานาญนี่มันก็เหมือนกับ เ, เ, เป็นอัตโนมัติไปก็ค่ะ ก็ก็เลยรู้สึกว่าทําสติยังเวลาเราเคลื่อนไหวอย่างนี้เรียกสัมปชัญญะหรือเปล่าเจ้าค่ะไม่ใช่เลยสติ ส, สติที่ต่อเนื่องอย่างนี้เป็นสัมปชัญญะถ้าสติยังขาดขา ด, ขาดเกินเกินอย่างนไม่เรียกว่าสัมปชัญญะเจ้าค่ะงั้นก็แต่ก็ทําอย่างนี้ต่อไปก็ได้ก็<ะ>เป็นการก็ดึงจิตไว้ผูกจิตไว้กับร่างกายเป้าหมายคือไม่ให้ไปคิดเรื่องราวต่างๆ ไห้ทำการหยุดความคิดคิดเท่าที่จําเป็นเจ้าค่อเวลาทําสมาธินี้ต้องหยุดเลยไม่ไม่คิดเลยถ้าสติหยุดไม่ได้สมาธิก็ไม่เกิดเด่นต้องต้องสติต้องหยุดความคิดได้จิตถึงจะเข้าสู่ควาสมสงบได้พยายามฝึกสติให้เข้าดูร่างกายขึ้นไว ถ้าอยังเผลอไปคิดเรื่อง น, น, นี้ก็ใช้พุโทโธกำ ก, กับอีกชั้นหนึ่งก็ได้เจ้าค่าะเวลานั่งก็ทำเหมือนกับเวลาเวลาที่ไม่ได้นั่งลมไปพุโทโธไปเวลาไม่นั่งก็ทำเหมือนกับเวลาที่นั่งอืสติเหมือนกันสติตัวเดียวกันเจ้าค่ะแต่อาจจะเปลี่ยน จากการดูร่างกายกับดูการเคลื่อนไหว ข, ข, ของร่างกายมันดูการเคลื่อนไหวของลมหายใจแทนหรือแม้ถ้าใช้พุโทโธก็พุโทโธทั้งตาลอดเวลาไม่ว่าจะนั่งหรือไม่นั่งก็ใช้พุโทโธได้ตลอดเวลาพุทโธนี่ดีมันหยุดความคิดได้ง่ายกว่าคือมันชัดกว่าเลยแต่มันเหนื่อยนะมันต้องคอยเท่อยู่เรื่อยๆพุโทโธพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปแล้วคะ โยมไม่เคยเลยค่ะเพิ่งมาหัดเอาอาทิตย์เนี้ยค่ะพุโทโธแต่ก็จะแต่คิดว่ามันจับจับให้มันหยุดได้ง่ายกว่าเออพะถ้าคิดพุดโทโธมันมจะไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ได้นำไปคิดเรื่องเรื่องอาหารการคิดเรื่องค่าใช้จนะ่ายต่างๆดูแล้วคุณหาแล้วพุโทโธไปด้วยไม่ได้ผออยากทำพอันไม่ได้แต่ขอพระคุณเจ้าค่ะ มีเท่านี้นะมีทานีนะาน้เจ้ า, าค่ะคุณหมอพิเช่เชษจ า, าออกคอธรณรับมรสการพระอาจารย์ครับๆไเป็นไ ไ, ได้ยินได้ยินเ<อ>ชษวั น, นวันนี้ไม่มีคำถามครับแต่ว่าโยมได้ฟังธรรมเทศนาพระอาจารย์ทุกวันแล้วก็ทำให้เกิดความศรัทธาและความเชื่อมั่นในพระพุธพะทธธรรมพระสงค์ว่าจะเป็นหนทาง นำไปสู่การดับกองทุกข์แห่การคล า, ายตาสึกได้จริงกับอาจารย์ดีมากครับเมื่อตองมีศรัทธาก่อนเมื่อมีศรัทธาแล้วเราก็จะได้ทําตามที่พระพุทธประธรรมประ ส, อ, ระส อ, อนให้เราทํารับต่างกับเวลาคนไข้ไปหาหมอนี่ต้องมีศรัทธาในตัวหมอครับเพหมอบอกให้กินยาเราต้อง ก, กินตามที่หมอสัง่งครับเรากินตามหมอสัง่งบั๊บโรคหาได้ ประพุทธพรรมพระสงนี่ก็เป็นเหมือนหมอพวกเราก็เป็นเหมือนคนไข้เป็นโรคจิตกันไหมครับความทุกข์ใจนี่เป็นโรคเป็นโรคของจิตไม่ใช่โรคของร่างกายแล้วไม่มีหมอที่ไห น, นในโลกนี้รักษาโรคจิตได้นอกจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ครับอาจารย์ยมได้น้อมนําคําสั่งสอนของพระอาจารย์ไปปฏิบัติทานศีลภาวนาอย่างต่อเนื่องครับอาจารย์ดีไม่มากทำให้ใจสงบมากขึ้นครับอาจารย์ ให้รีบนีบปฏิบัติให้มากมากเพราะว่าเวลาน้อยลงครับอาจารย์วินเราจะไปจะสิ้นสุดเมื่อไหร่กัไม่รู้ครับอาจารย์โอเคนะมัมีคําถามเนะี่ยมันมีคําถามครับอาจ า, <Okay. S 2> กการย์ครับกลับน้ัสศการพระอาจารย์ครับคุนดิสยาจากนราธิวาสเนี่ยเป็นยังไงคนดิสยากลับนมำส ก, การพระอาจารย์ค่ะอาจารย์ได้ยินไหมคะได้ยินชัดเจน อจะถามเกี่ยวกับเรื่องอาการมองความจริงอะค่ะพระอาจารย์คืออย่างสมมติตอนที่เรากินอาหารนะคะเรารู้สึกว่าตอนที่ตอนหนูกินกินอาหารหรือกินขนมตอนแรกรู้สึกว่ามันเหมือนเหมือนเราเสพอารมณ์มากกว่าว่าเออมันอร่อยมันอร่อยจังเลยมันอร่อยจังเลยกินไปเรื่อยๆเนี้ยคะ่ะแล้วก็พอลองมานึกอีกทีอ๋อเรา ไม่ไม่มีสติหรือเปล่าเลยลองดูแค่ว่าเรากําลังเคี้ยวกําลังกลืนแล้วก็ดูรสชาติของอาหารมันกลายเป็นว่ามันมันก็คือมีแค่รสชาติหวานรสชาติเค็มมันก็เป็นแค่รสชาติแบบแบบนั้นเฉยเฉยไอความรู้สึกที่ว่ามันมันอร่อยหรือมันดีจังเลยจริงๆมันมันเป็นความอยากของเราหรือว่ามันคืออะไรอะคะพระอาจารย์มันมันคือความจริงหรือเปล่าครับมันเป็นความปรแต่ง แล้วก็ความไปยุ่นภาพของอาหารที่อยู่ในจานมันต้องดูอาหารที่ว่าอร่อยที่อยู่ในปา่าว่าหน้าตาเป็นงไงลองลองลองคลายมันออกมาแส่จานดูใหม่เลยแล้วก็ตักเข้าไปกินใหม่แล้วนะอาหารแสนอ ร, อร่อยพอเห็นภาพที่เป็นจรงิงคือภาพที่มันอยู่ในปา่าถึงแม้มันจะอร่อยขนาดไหนแต่ภาพมันไม่น่ากินเล แต่เวลากินเราไม่เห็นภาพตัวนี้เราไม่เห็นภาพที่มันอยู่ในปากเราจะเห็นภาพแต่ที่มันอยู่ในจานถูกหลอกก็ยังนะหลอกตัวเองโอ้อาหารน่ากินน่า อ, อร่อยเพราะเวลาท่าเวลาดูมันดูในจานแต่เวลามันสัมผัสของรสมันสัมผัสในปากมันไม่ตรงกัน่ยวิธีที่จะแก้คือปัญหาคือเรื่องการรับประทานา น, นี่เราต้องการให้รับประทานพอประมาณ พอให้เลี้ยงนั่งกายได้ไม่ให้ไปติดนนชาติของอาหารไม่ให้ไปติดความสุขที่ได้จากการเสพอาหารอะไก็เป็นกามาลดอย่างนึ่งรูปเสียงกินรสของอาหารที่เป็นตัวที่จะทำให้จิตนี่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอย่างนี่นวิธีแกก็คือให้พิจารณา เลาก่อนที่เราจะรับประทานนี้ก็ให้นึกถึงภาพของอาหารที่อยู่ในจานแล้วเมื่อเข้าไปในปากเมื่อเราเคี้ยวผสมน้ำลายลองนึกถึงภาพนั้นในเวลาเข้าไปในท้องในเวลาถ่ายออกมาอันนี้ต้องมองให้เห็นครบท้วนแล้วมันก็จะทําลายความหลงในการเสพล้ดรูปเสียงกลิ่นรสของอาหารนะ พอเห็นความจริงของลูกเสียงกินรสของอาหารว่าเป็นอย่างไรที่เรามองมันมองเห็ด้านเดียวด้านตอนที่ยังอยู่ในจานแต่พอเข้าไปในปากอยู่ในท้องออกมาจากขวานหนัไม่มองกันเลยในชะ่ไหมเวลาถ่ายนี่มองด้วย่านื้อหานั้นโฉดช้าใครดูไหมไม่อยากมองอทำไมอ่ะมันก็เป็ น, ม, น, ปนมันเป็นอาหารที่เราเสี ย, ยมีความสุขไม่ใหญ่หมายถึงว่ามันก็คือไอ ความรสชาติอร่อยมันก็คือความจริงแต่มันไม่ใช่ความจริงทั้งหมดถูกไหมค่ะใช่มันส่วนเดียวรสชาติแต่เราไม่ดูรูปมันใช่ไหมเราไม่เห็นรูปมันแต่เวลามันอธจเยนออกมาเนี่เห็นรูปมันเนี่ยตักเข้าไปกินใหม่ใช้ไหมรสชาติอร่อยมันไม่เปลี่ยนออกมันก็ยังรสชาติอร่อยเหมือนเดิมแจกว่าตอนที่ลองนึกถึง อาหารที่อยู่ในท้องหรือว่าตอนที่ขับถ่ายออกมาคือพอแค่นึกก็เอาจริ ง, รงๆหนูจะอาเจียนแล้วค่ะพระอาจารย์พอพอนึกเสร็จปุ๊บจะวิ่งไปอาเจียนเลยค่ะแสดงว่ามันก็ต้อง อ, อุเบกหายังไม่มากพอใช่ไหมคะใช่ถ้าอุเบกหาไม่มากพอก็อย่าเพึ่งไปพิจารณาเป้าหมายของการพิจารณานี้เพื่อตัดความโลภความอยากในการรับประทานอาหารใครรับประทานอาหารหมือเรารับประทานยาเวลารับประทานย า, ร า, นยาเราไม่ได้เจ็บนะ เอายัดเข้าปากคืนๆนเข้าไปก็จบใช่ไหมนั่นวจะรับประทานอาหารแบบนั้นเพราะอาหารก็เป็นเัญญาชนิดหนึ่งที่เราเอาไว้เลี้ยงดูร่างกายรักษาร่างกายให้ไม่เจ็บไข้ได้ป่วยให้ดับเวทนาคือความหิวเทนั้นเองแต่เราไปหลงกันทำเรื่องการอาหารการเป็นเรื่องใหญ่โตยิ่งฝรั่งนีเข้าแบกอาหารเป็น <c oughs> หลายหลายหลายคอร์สนะ สามคอร์ดเราก่อนจะกินอาหารนี่ต้องแต่เมื่อแต่งตัวใส่เสื้อนองเสื้อ น, นอกอะไรบ้าบอคอแตกัปหมดไปเลยนะเราจา์เจ อ, อันี่ยโอ้ยไม่รู้กี่ใบช้อนเชิไม่รู้กี่อันของหวานอันหนึ่งของขาวอันหนึ่งของอะไรอันมันยุ่งยากไปหมดเนี่ยมันเป็นความเสพตามอารงณ์กินอาหารแบบานี้เป็นการเสพความสุขจากการ ได้เสพสัมผัสกับเรื่องเสียงกินรสแล้วมันทําให้ติดเป็นเหมือนยาเสพติดเราไม่ได้พระพุทธเจ้าสอนให้เราพิจารณาว่าเราไม่ได้รับประทานอาหารแบบนั้นเพื่อแบบเพื่อแบบนั้ น, เ พ, บบ น, นเพื่อความสุขแบบนั้นเราประทานเพื่อดับความอยู่วของร่างกายพระอาจารย์คะแล้วถ้าสมมุติว่าเราชอบกินกาแฟแบบเนี้ค่ะแล้วเราดมมันแล้วมันรู้สึกว่า มีความสุขที่ได้ดมได้กินแบบนั้นก็ไม่ถูกใช่ไหมคะไม่ถูกแล้วว่ามันเป็นความสุขชั่วคราวแล้วมันทําให้เราติดแล้วเวลาขาดกาแฟเมื่อไหร่เวลานั้นจะเกิดความทุกข์ขึ้นมาให้มองให้มองมอ ง, มองผลระยะยาวเยี่งตามมาสิ่งที่เราเสพตา่างๆที่ให้ความสุขกับรานี้เดี๋ยววันดีเกิดดีเราเสพไม่ได้อย่างไรถ้าเกิดร่างกายไม่สบายหมอห้ามกาแฟห้ามน้ําตาลห้ามอะไรตาก นี่จะเอาความสุขจากที่ไหน่ะมันก็มีแต่ความทุกข์เนั้นเองการพยายามตัดสิ่งอันนี้มันมันมันเหมือนยาเสพติดนะทําไมเราไม่เสพยาเสพติดกันนะเพราะเรารู้ว่าถ้าเสพแล้วมันติดและเวลาไม่มีเสพเราจะทรมานมากอันนี้ก็เหมือนกันเพียงแต่ว่ามันมาในรูปแบบของอาหารของเครื่องดื่มที่จําเป็นที่เราต้องรับประทานมันก็เลยแทรกเข้ามาเป็นยาเสพติดแบบที่ เราโน้โมยอมรับเหมือนใจกันแต่ถ้ามาถ้าเป็นภาคปฏิบัติเป็นผู้ปฏิบัติท่ก็ไม่ยอมให้มันเป็นยาเสพติดจะกินมันให้เป็นยารักษาโรคความหิวนะเนี่ยโลกดับความหิพเจ้าทรงสอนให้พภาันในบาตรเนี่ยอาหารทั้งหมดนี่เอาไปรวมในบาตรเนี่ยแล้วถ้าอยากจะเข็งกบคนมันเลยทุบมันเลยเมื่ออาหารมา เวมนเดี๋ยวมันอต้องรับเข้าไปรงกันในท้องเนี่ยในท้องนี่มันก็ไม่ไม่ไม่รู้อาหารข้าวอาหารหวานเป็นยังไงอ่ะมันลวมไม่หมดมันมันไม่ไปแยกเป็นจารจาในท้องเลยนะนั่นหละนละคือวิธีการของผู้ปฏิบัติเพื่อตัดกิเลสที่เกี่ยวข้องกับการรับประทานอาหารเพื่อจะได้ไม่ติดมันแล้วทุกครั้งเวลาจะรับประทานอาหารนี่มันไม่ได้หิวโหยกับมัน บางทีแต่เมื่อถึงเวลาก็เหมือนเวลากินยาหรือเวลากินยาเมือกีก้มันจะสบายไม่ต้องยุ่งยากวุ่นวายกับเรื่องอาหารการกินต่างๆกินอะไรก็ได้ถ้ากินแบบแบบข้าวหมาไดนะ้แล้วอะไรก็กินได้แค่นั้นะอามันก็คลุกมันอย่างดีเลยไข่ดาวหมูแฮมพิซซ่ากับข้าวผัดก๋วยเตี๋ยวเอามาใสา่รวมกันกินมันไป เป็นอาหารจานเดียว <c oughs> <c oughs> แลกินนี่คือเกินการเพื่อตัด ก, กิเลสละกิเลสโอเคค่ะพระอาจารย์คะอีกคําถามหนึ่งค่ะที่พระอญญาจารย์บอกว่าอพพระุสมมติญญญญท่านพระพุทธเจ้าบอกว่าถ้ามีคนด่าเราก็คิดว่าดีแล้วที่เขาไม่ทําร้ายเราหรือถ้าเขาทําร้ายก็ดีแล้วที่เขาไม่ฆ่าเราอย่างเงี้ยค่ะพระอญญาจารย์คะลบแบบนี้มันเป็นการเรียกว่าเป็นการมองโลกในแง่ดีไหมคะหรือว่ามันคือเป็นการมอง ความจริงก็เป็นความจริงไม่ oh, ใช่เลยกใช่ค่ะเปความจริงมันความจริงในในในแง่ที่ตับความทุกข์ได้ถ้าเราไปมองในแง่ไม่ดีความจริงก็ได้ว่าเช่นเขาดา่าเราก็บอกว่าโอ้ทําไมเขาต้อมาดา่าเราด้วย ท, ทําไมเอ่าเขาบางทีเขาไม่ไม่ชมเรานี่เราก็เราก็ทุกข์แล้วค่ะนั้นมันอยู่ที่เรามองแต่มองความจริง ความจริงที่มันเป็นของที่จะทำให้ใจเราสบายขึ้นเหมือนเกิดคุณโยมไปขับรถเกิดอุบัติเหตุเนี่ยแล้วไม่ตายเขาโอดีแล้วยังไม่ตายถือว่าเป็นการสนองข้อไป่ไได้ท้นองนี่เป็นรูปเป็นรูปใบของปัญญ า, าเพราะมันจริงไม่ใช่เลยคนเรามองทีไม่ได้นอกจากถูกด่าแล้วยังถูกต้อตีด้วยใช่ มันที่ถูกตีแล้วถูกฆ่าเลยทํา ไ, ไปนั่นก็ถือว่ายังดีที่มันไม่เลวร้ยรายกว่า น, นี้แต่อนนี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมีโรคระบาดมีคนเจ็บมาแก็ยังดีที่เราตอนนี้มีวัคซีนอะไรนะก็มองโลกในแง่ดีแต่ก็มองในในในแง่ของความเป็นจริงด้วยสิ่งที่จะเกิดขึ้นมา อหมดคำถามแล้วค่ะพะอาจารย์อ่าทุ่งค okay, นะเอาไปปฏิบัตินะจ่ะป่าทุ่งค่ะคุณพายุนเชิญครับนะมาชการพระอาจารย์ครับผมผมอวันนี้ก็ยังปฏิบัติในเรื่องของการเดินจงกรมแล้วก็เดินสมาธิ่นั่งสมาธิเหมือนเหมือนทุกวันทุกวันนะครับไม่มีขาดเลยครันี่วันนี้ เอออยากจะกราบเรียนพระอาจารย์ในเรื่องเกี่ยวกับมรรคองที่หนึ่งนะครับในส่วนของสัมม า, าสัมมาทิฏฐิครับคือในส่วนของส ม, มาทิฏฐิประกอบด้วยในส่วนที่ทําให้เกิดส ม, มาทิฏฐิได้ดีขึ้นก็คือในเรื่องของกรารยานิมิตกับากรารยานัมิตกับในส่วนของที่เป็น อ, อโยนิโสอนสิการนะ ผมมีความสงสัยในส่วนของโยนิสโสมนานัสิกาว่าในส่วนนี้เนี่ยเราเราจะพิจารณาโดยแยกคายหรือว่าพิจารณาแยกแยะในสิ่งที่เราพบหรือว่าออในสิ่งที่ในแต่ละวันนะฮะมันมันขึ้นอยู่กับปัญญาของเราด้วยใช่ไหมฮะหรือว่าอย่างไงเราจ ะ, จะมีวิธีปฏิบัติอย่างไรกขอความเมตตาพระอาจารย์อธิบายในส่วนนี้ด้วยครับ คือยุนิโสก็คือการพิจารณาทำเช่นอนิจจงไม่เที่ยงพิจารณาอย่างแยบคายก็คือให้มันเห็นเป็นรายละเอียดมากขึ้นเช่นเราวิเคราะห์ว่าร่างกายของเราตอนนี้หน้าตาอย่างนี้ตอนเมื่อ20ปีก่อนหน้าตาเป็นยังไงเราก็จะได้เห็นความเปลี่ยนแปลงของของร่างกายอย่างชัดเจน ถ้าเรามองวันต่อวันนี่มันอาจจะมองไม่เห็นมีอะไรเปลี่ยนแปลงมากนะครับอหรือบองไปข้างหน้าก็ได้ต่อไปก็เวลาเราไปงานสอบเพื่อนเราเนี่ก็รบอกว่าต่อไปก็เป็นคิวเราเนี่ยอันนี้ก็ไปการพิจารณาแบบให้มันเห็นชัดเจนว่าความเป็นจริงของร่างกายนี้คือคที่ผมสงสัยเีย่มันขึ้นขึ้นอยู่กับคนเนื่องจากว่ามันเป็นเป็นภายในของผู้ ผ, ผู้พิจารณาเองใช่ไหม อันนี้ก็เป็นปัญญาของแต่ละคนที่จะพิจารณาคือถ้าคนบางคนต้องมองวานิจังไม่ออกเพราะว่าอันนี้ตรงนี้ครับที่ที่สงสัยว่าเอ๊ะถ้าเกิดบางคนเขาว่าอาจจะยังไม่มีปัญญาทางด้านนี้ก็อาจจะมองยังไม่ออกใช่ไหมครับอาจารย์ก็ต้องอาศัยธรรมญาณนม่นเองก็คือการบำเพ็ญทำธรรมจากพระสงองค์เจ้าหรือสวดนาธรรมรับพระแล้วถ้าสงสัยตรงไหนก็อย่างคุณสมมาถามวันนี้การพิจารณายังไงก็ก็ บางทีเราเราเรานึกภาพไม่ออกะว่ามันไม่เที่ยงอย่างไรนะมันท่านก็ผู้ที่เคยพิจารณามาแล้วก็จะได้มาอธิบายฟังนะอย่างนันไม่เที่ยงว่ามันเปลี่ยนแปลงมันไม่เหมือนเดิม <c oughs> ทั้งอดีตทั้งอนาคตดูการพิจารณาอยู่ในสสเนี่ยมันต้องดูให้รอบทั้งอดีตจนถึงปัจจุบันถึงอนาคตมันถึงจะเห็นภาพรวมเห็นเห็นภาพครบถว้วน ก็คือความแก่ความเจ็บความตายเนี่ยนั่งกายที่ทุกคนจะต้องประสบกันมันต้อต้องเข้าสู่วัยชราแล้วโรคภายไข้เจ็บก็จะเปลี่ยนเปียนแล้วมารักษาไม่ได้สู้กับโรคภายไข้เจ็บไม่ได้ก็ถึงแก่ความตายไปแล้วตายแล้วก็ไม่จบตายแล้วก็นั่งกายนี้มันก็ เ, เสลายไปอีกครับ แยกธาตุไปธาตุสีก็แยกออกจากกันสิ่งน้าที่ออกจากอาอกจากร่างกายคืออะไรก็คือธาตุลมนะลมไม่เขา้านะมีแต่ลมออกกินทนี่เราเหยื่อออกมาก็เป็นธาตุลมต่อมาก็ธาตุไฟร่างกายเย็นะเย็นครับแล้วต่อมาน้ํำมันก็ออกม า, าตามถาวร น, น้ำเหลืองเลืเอด ถ้าทิ้งไปเรื่อยๆต่อไปมันก็แห้งกรอบแห้งเดือดแต่ธาดินครับเดือดแต่ของท่านดินแล้วผุทางเป็นดินไปอันนี้ก็ต้องพิจารณาให้มันครบกระบวนการเลยจุดเริ่มต้นของร่างกายก็คือก็คือการผสมของน้ำสองหยดนใช่ไหมของของของพ่ออยูดของแม่หยดวันนี้เขามีผสมผสมหลอดแก้วก็เห็นชัดๆก็เอาน้ําของพ่อมาหยดแม่มาหยดเนีมยมันรวมกัน พอมันรวมกัก็มีปฏิกิริยาทางเคมีเกิดขึ้นเป็นการมีการขยายตัวของ อ, ตอะตอมต่างๆ <c oughs> แล้วก็ต่อเติมขึ้นมาสร้าง ส, ส่วนส่วนต่างๆของร่างถายขึ้นมาชิ้นส่วนต่างๆของล่างถ่ายขนมจนกระทั่งต่อเต็มครบบริรณแล้วก็ข้อออกมาแล้วก็เรามาก็มาเติมธาตุต่อออกมาก็ต้องหล่อใจเอง ตามนมเองหิวน้ําก็ร้องขอน้ําขอนมหิวข้าวก็ขอนมนมก็มีท่าดินผสมอยู่ในในั่นกับน้ำความร้อนก็อาศัยเนี้ยผ้าห่มอะไรเวลาถ้าร่างกายมันเย็นมันหนาวมากก็เอาผ้าห่หมาห่มไว้มารักษาอุณหภูมินั้นมันเป็นเรื่องของท่าสี่ทีามั่งจริงๆ้วเป็นการเข้ามารวมตัวท่าสี่แล้วก็ก่อร่างสรางตัวจากระทถางกลายเป็น เด็กกลายเป็นผู้ใหญ่กลายเป็นคนชราและในที่สุดก็กลายเป็นคนตายไปอันนี้พูดถึงยนต์นะิสโสนะแบบร่างกายเนี่อันนี้แหละเราเห็นแบบครบกระบวนการตั้งแต่เริ่มต้นไปถึงที่สุดแล้วก็มาถามมาแล้วอัตตา ท, ท, ที่ว่าเป็นตัวเรามันอยู่ตรงไหนในร่างกายนี้มันไม่มีเวลาประกอบรถยนต์เสร็จแล้วเราเราเราเป็นรถยนต์ขึ้นมาเลย ใช่ไหมรถยนต์มันก็เป็นแค่รถยนต์มันก็มีชิ้นส่วนนแยกออกมาก็จะเป็นเศษเศษเหล็กบ้างขึ้นยางนั่งอะไรบ้างร่างกายมันก็เป็นชิ้นส่วนอาการสารสิบสองถ้าจาเวลาคนตายเขาชำระออกมามันก็ชำละได้อวัยวะต่างๆถ้าเราไปดูเรื่อถามว่าชิ้นไหนเป็นเป็นตัวเราของเราบ้าเป็นตัวเราบ้เหมือนกันดนะผมเป็นเราหรือเปล่าผมมันก็เป็นวัตถุเนี่ยวัตถุ ผนเล็บฟันหนังเนี่ยเรายยกมาเป็นกองๆแล้วถามตัวเองดูเราเป็นผมเหรอเว ล, เลาเราคนผมจริงไปแล้วเราหายไปไหนเราก็มัยังอยู่ใช่ใช่เพราะเราไม่ได้เป็นผมเราเป็นผู้รู้ผู้คิดเนี่ยใช่ไหมผู้พิจนารณาเนี่ยก็คื อ, ค, อคือผู้รู้ผู้คิดเนี่ยก็คือใจเราเนี่ ย, ยใจคือผู้รู้ผู้คิดใจนี้มีความสามารถที่จะรู้ มีความสามารถที่จะคิดมีสามารถที่จะจํามีสามารถที่จะสัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆและมีความสามารถที่จะรับรู้สัมผัสกับเวทนาความรู้สึกต่างๆอันนี้เป็นส่วนของใจไม่ไม่อยู่ในร่างกายเลยร่างกายไม่มีความสามารถเหล่านี้ร่างกายเป็นธาตุดินไม่มีความสามารถที่จะไปรับรู้อะไรได้ธาตุน้ำก็ไม่สามารถไปรับรู้อะไรได้ ธาตุไฟธาตุลมก็เหมือนกันครับคุณพระจารย้เราจะเห็นอนัตตาชัดเจนว่าร่างกายนี้อนัตตาไม่มีตัวตนเนี่ยละละสกายาทิฏฐิเมื่อไม่มีตัวตนแล้วเราจะไปยึดไปติดมนะันทัไมมันจะตายก็ให้มันตายอย่างนะี้เราไม่ได้ตายเลยคนระับบุตรีลาสเห็นผู้ที่เห็นบุตรีลาสกายาทิฏฐิคือเห็นว่าร่างกายไม่ใช่ไม่ใช่ใจไม่ใช่ตัวเรา ก็ไม่กลัวล่ะไม่กลัวตายไม่กลัวเจ็บไม่กลัวมันจะตายก็ต้องห้ามมันไม่ได้เหมือนรถยนต์คันหนึ่งมันจะมันจะพังมันไปห้ามมันได้ซ่อมได้ก็ซ่อมไปซ่อมไม่ได้ก็ทิ้งไปคนขับไม่ได้เป็นรถยนต์นใช่ไหมใจผู้รู้ผู้คิดผู้พิจารณาร่างกายนี้ก็ไม่ใช่ไม่ใช่ร่างกายแต่ไปเท่กับร่างกายเพราะไม่ได้พิจารณาแยกแยะใจออกจากร่างกาย นักพิจารณาอยู่บ่อยๆชัดเจน้ะตอ่อไปก็เออร่างกายก็เหมือนรถยนต์กันึ่งเราเป็นคนขับรถเราไม่ได้ตายไปกับร่างกายเราไม่ได้เจ็บไปกับร่างกายไม่ได้แก่ไปกับร่างกายสิ่งตัวนี้เกิดขึ้นมาจริงก็จะความความทุกข์ก็จะไม่เกิดขึ้นใช่ที่ก็ต้องไปพิสูจน์เะลาว่าเห็นจริงหรือเปล่าหรื อ, อยังเป็นเพียงจินจตนาการหรือจินตนาการที่เราฝังจนเชื่อมั่นหรือเปล่าว่าเป็นความจริง ถ้าเป็นความจริก็ต้องพร้อมที่จะทิ้งร่างกายได้ทุกเวลาก็าเราไปทิ้งในป่าช้าทั้งคืนไป อ, อามันเยอะมากมากก็มันไม่ใช่เรามันจะเป็นอะไรกร็เลื่องสมัยเลยอันนียนไปอยู่ก็อาจจะกลัวนะอันนี้เรามันจนะพิจารณามันจะป็นจะพิสูจน์ได้ว่าเป็นอนยนิสโส จ, จริงเข้าไมา่ ถ้าเป็นปัญญาถ้าเป็นปัญญาจริงมันก็ต้องมันก็ต้องไม่ไม่เดือดร้อนก<ะ>อนครับเป็นความตายของร่างกายจริงถ้าบอกว่าเป็นผีนะผีก็เป็นจิตเป็นแค่วิญญาณแต่เรานี่มีทั้งกายหยาบแล้วมีทั้งกายละเอียดอีกมีวิญญาณมีมากกว่าด้วยะครับจริงๆแล้ว <laughs> ก็ร่างกายก็เป็นผีผีมันก็ มันก็มันไม่ได้ผีแต่เราไป็เรื่องมันมันเป็นศพใช่ศพเพราะว่าเรารังเกียจมันกลายเป็นกลัวมันใจใจแล้วนี่แหละเป็นผีเป็นดวงวิญญาต์แต่เราไม่ได้ไปยุ่งกับใครหรอกตายไปเราก็ไปอยู่ตามสภาพเหมือนกันตอนที่เรานอนหลับเวลาเรานอนหลับเราไปยุ่งกับใครหรือเป่าติดเราก็ไปตามตามสภาพไปอยู่ในโลกของความฝันฝันเรื่องนั้นฝันเรื่องนี้ฝันดีก็เป็นสวรรค์ฝันน่าก็เป็นนรก นัคือความหมายของของนรกของสวรรค์ก็คือฝันดีแล้วฝันได้จนกว่ามันจะหมดกําลังฝันมันก็ไปไปรับร่างกายใหม่จากของพ่อแม่คนใหม่สร้างขึ้นมาใหม่ถ้ามีแค่นี้ยก็กลับมากลับมาอยู่รับร่างกายใหม่มาเรี้ยงดูร่างกายอาจารย์ครับวัดป อ, อ, อ, อ, อ, อปอพระอาจารย์ปฏิบัติมาถึงตรงนี้เนี่ยเอ อ, อย่างอย่าง คือว่าถ้าร่างกายเรานี่ยังไม่เสื่อมสลายไปเนี่ยจิตที่มันคลองร่างเนี้อมันก็ไม่ไม่สามารถที่จะไปไปคลองร่างอื่นได้ใช่ไหมครับไ ม, ไม่ได้เลมันด้านเดียวไข่ของมาร่างกายนี่มันมากกว่าที่ร่างกายนี้จะจ ะ, จะเสื่อมสลายตายไปถึงจะไป ไ, ไปอีกทีหนึ่งว่าจะไปไที่ไหนจิตสองจิตมาเข้าคลองร่างกายอยู่กันไม่ได้เป็นจิตตัวเดียวกันที่พลิกไปพลิกมาเขาเรียกไบโพล่าใช่ไหมรัษาแพทย์ บทีก็ดีเป็นคนเรียบร้อยนะบงทีอารมณ์ไม่ดีก็พลิกกายเป็นคนผ่านคนมันเป็นคนละคนไปเป็นดรงจิตจิตมันเล่นละครเก่งมันแสดงบทบาทได้ได้ยเยอะแยะมันมีมันมีความสามารถในการแสดงเป็นอะไรต่างๆได้เยอะนะแต่เวลาเข้าทรงมาเหมือนกัน ไม่มีอะไรมาเข้าตัวจิตมันเองนะก็เปลี่ยนไปจากจิตธรรมดาการเป็นจิตบ้าบอคอแตกนะโอเคไหมตอบคาถามได้นะะการพิจารณาทางศาสนาพูดให้พิจารณาสองอย่างเลคืออนิจจังขรรคตาเพื่อจะได้ละความทุกข์ที่เกิดจากความหลงไปยึดไปติดสิ่งของเหล่านั้นว่าเป็นเราเป็นของเรารรแล้วเรียกว่าพิจารณาใจละเนี่ย ขอบพระคุณพระอาจารย์มาคกครับกลับนมัส ก, การครับ okay. คุณสาธากาเชิญสาธากาวันก่อนมาเยี่ยมถึงวันเลยอาจารย์ได้ยินไหมคะอาได้ยินจ้ะวันนี้มาร่วมฟังธรรมค่ะวันนี้ไม่มีมมการนำธรมอะไรนะไม่มีเข้าใจแล้วคะ่ะอาจารย์กำลันกระ ด, ด, ดึงดคนคนข้างๆก็เริ่มแบบมาแล้วบอกว่าฉันชอบ ไปวัดอย่างเงี้ยค่ะเลยบอกไปบ่อยๆสิของกินเยอะบ้านนี้เป็นโรงเรียนรด้วยแบบแต่ไม่รู้ใครเขามาทำกลายเป็นโรงนิเกายไปไม่รู้เขาเขาชอบค่ะเขาบอกว่าเป็นอะไรที่เหมือนไม่เหมือนพระตามบ้านนี้ค่ะใช่ถ้าเป็นมัธยมกลายเป็นพิธีเป็นมากพิธีกรรมไปแบบเป็นเหมือนโรงนิกายใช่วายกันเช้าถวายกันเย็น สายสงสายสินห้อยระยองเต็มไหมมุ้งใช่เขาบอกเขาาบอกว่าชอบไ้อย่างเงี้ยไปอ่ะได้เลยบอกงั้นก็ไปบวชสิเธอไม่แน่น่เดี๋ยวเข้าไปอ่ะก็ถามลูกอยู่ก็บอกว่าถ้าเขาบวดแล้วเธอจะทำไงบอกเดี๋ยวฉันจะไปบวชกันค่าเกินนละค่อยๆตะล่อมอาจารย์อ่าโอเคนะไปที่ท่านต่อไปนะ มึงสมพรใช่ไรับข้ธรรมะอยู่ระยองครับะระกรับนม<ะ>ันกันได้พระอาจารย์ครับวันนี้มีคําถามเกี่ยวกับฐานนิดหน่อยครับเอาคำถามเกี่ยวกับเรื่องธรรมทานนะที่ว่าการให้ธรรมทานย่อมชนะการให้ทั้งปวงสัพพะทานังธรรมทานังชินาติขอถามมข้อข้อดังนี้นะครับเอ่อทำไมการให้ธรรมทานถึงเรียกว่าชนะการให้ทั้งปวงครับ ก็เหมือนการให้เงินล้านอย่างเงินเงินสิบาทเนี่ยไหนมันชนะกันนะมันยังมองภาพลักษณะนั้นยังไม่ออกคนให้คนคนได้รับเงินสิบาทกับคนได้รับเงินล้านบาทเนี่ยอะไรมันค่ากว่ากันก็ต้องล้านกรับอ่าก็ธรรมะก็เป็นของที่มีคุณค่าสูงสุดับมากกว่าของทั้งหลายที่มีอยู่ในโลกนี้เพราะอะไรเพราะว่าธรรมะเท่านั้นที่จะ เอาไปดับความทุกข์ใจได้เอาไปยุติการเป็นว่าตายเกินได้ของอย่างอื่นในโลกนี้ทาไม่ได้ตรงนั้นคือเป้าหมายสูงสุดและก็มีคุณค่าสูงสุดเลยใช่ใช่ใช่แลมีคุณค่ามีประโยชน์พูดเอาประโยชน์เลยปะทำประโยชน์ได้สูงสุดกว่าสิ่งต่างๆทั้งหลายในโลกในโลกนี้ทำได้ก็เพียงแต่ดูแลร่างกายเท่านั้นเอง ใช่ไหนท อ, อนก็เอามาเลี้ยงดูร่างกายให้อยู่ชุกสบายได้แ้วดีไม่ดีการเป็นโทษนี่ก็ไปเลี้ยงก่เลสต่อด้วยไปซื้อดนดูยลา้าตอนนี้มีมอเตอร์โชว์เนี่ยยก็ไปซื้อกันงคาราสิตหน้านยี่สิบหน้านะครับกับนครับคับทางนี้จะเป็นประโยชน์กับการเป็นโทษสิครับขอบคำถามที่สองต่อเนี่คือถ้ายังผู้นั้นยังไม่หลุดพ้นในชาติปัจจุบันอานาคตอนิสงของทางนี้จะส่งผลอย่างไรครับ ก็ทำอะไรก็ได้อย่างนั้นเหมือนเอาเงินไปฝากธนาคารครับเช่นฝากฝากเงินเท่าไหร่ถึงเวลาก็เบคืนหน้าบวกดับเบีย้ยด้วยแหลครับกับแล้วถ้าชาติปัจจุบันเขาไม่มีเงินทองที่จะทําทานแต่ว่าเขาทําทานด้วยธรรมทานอันนี้จะส่งผลให้ชาติหน้านี่เขาเขาเขามีเงินมี ม, ม, มีมีทรัพย์สินด้วยไหมครับอ๋อการธรรทานนี่องเป็นพระอริยะขึ้นไปถึงยถาธรรม ทำธรรมทานได้อย่างแท้กับได้อย่างการเผยแพร่สื่อธรรมะทางโซเชียลที่เราทําอยู่ปัจจุบันก็เป็นธรรมทานแต่มันเป็นธรรมเป็นธรรมะของผู้อื่นไม่ใช่ของเราอ๋อครูบาอาจารย์เราเพียงแต่เราเราเราเพียงแต่ทำเป็นเป็นสื่อแจกเท่านั้นไม่ได้เป็นสื่อเปเป็นสื่อแ จ, อจกแล้วตัวเองเขาก็สามารถเข้าใจในสื่อนั้นด้วย เนนข้าใจก็ถ้าเข้าใจมันต้องเข้าใจจนกระทั่งดับความทุกได้มันต้องบรรลุธรได้ถึงจะเป็นถึงจะเป็นการให้ธรรมทานเนี่ยแท้จริงอ๋อเพราะนั้ น, นการการสื่อโซเชียลหรืออะไรทางธรรมนี้การพิรรมพหนังสือก็ยังไม่จัดววาเป็นธรรมทานใช่ไหมก็เป็นสื่อสื่อธรรมะแต่ไม่ได้เป็นตัวธรรม ะ, รรมะอ๋อ เพราะนั้นไอ้ตัวธรรมทานจริงๆเนี่ยถ้าจะเดฟนิชันลึกๆลงไปเนี่ยมันก็คือพระวจนะเจ้าเนี่ยเวลาไปฟังธรรมจากพระวจนเจ้าก็ทําให้เรามันรู้ได้ทันทีโอแต่ธรรมะที่เราได้แชร์แชร์กันมันมันรู้กันบ้างบ้างก็อย่างน้อยก็ช่วยให้เขาได้สึกกิจใจแล้เก็แล้วก็หันมาอ่าดูนะใช่แนนั้ใช่มันท่านั้นเองแต่มันไม่ได้เป็นเหมือนกับเป็นธรรมแท้ธรรมที่จะ ทำให้หยุดพ้นทันทีทันใดได้ครับถ้าเป็นคําแท้เนี่ยบางทีคำของพรเจ้าคำเดียวสองคบก็ขอลาไปด่วนได้ยพระอาจารย์ยิ่งบกใครไ้อานไมครับครับอันนี้เป็นธรมแท้ครับเพราะฉะนั้นธรรมทานตาม d ด f i n i t ช o n นก็คงเข้าใจได้มากพอสมควรรันนี้มิมีคีาคำถามหนึ่งแต่ว่าอาจจะไม่จาเป็นละเพราะว่าคำถามสุดท้ายก็คือว่า ถ้าสมมติคนทำธรรมทานอย่า ง, างสื่อโซเชียลเนี่ยแล้วมีคนที่ขัดขวางเนี่ยจะโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ดีเนี่ยอันนั้นจะทำให้เขาเกิดวิบากกรรมไหมครับก็อยู่ที่เจตนาแล้วเขามีเจตนาที่จะปกปิดไม่ให้ผู้อื่นได้เข้าถึงธรรมคำสอนของพระเจ้ามันก็เป็นการไปไปไปวามพูด ทีนี้จะมีผลยังไงแล้วเราก็ไม่รู้เหมือนกันครั บ, รบเพราะนั้นออโอเคก็วันนี้ก็ได้ข้อมูลชัดเจนเกี่ยวกับธรรมทานขึ้นมาอีกระดับหนึ่งครับแต่ถ้าถามว่าระหว่างการให้อาหารกับการให้ธรรมะเนี่ยอันไหนยังมีประโยชน์กว่า<ม>ก็ธรรมะที่ถึงแม้จะไม่ได้เป็นของผู้ให้โดยตรงก็ก็จะเป็นประโยชน์กว่าแต่ต้องผู้ที่รับต้องเอไป ศึกษาแล้วเอาไปปฏิบัติให้ได้ด้วยถ้าเขารับไปแล้วศึกษาแล้วได้ประโยชน์อันนั้นถึงจะเป็นอนิสงส์ใช่<ม>ใช่เป็นอนิสงส์ถ้าเข้าไปแล้วทําให้เขาเข้าใจเรื่องชีวิตดีขึ้นอย่างน้อยถึงแม้จะไม่ได้ดับทุกข์ให้หมดก็บรรเทาทความทุกข์ความเครียดต่างๆให้เบาบางลงได้ทําให้ชีวิตเขาบางคนอาจจะคิดฆ่าตัวตายสมมตินะพอได้อ่านธรรมะแล้วก็เกิดความหวังขึ้นมาว่าอ๋อ เรายัางสามารถอยู่อย่างมีความสุขได้ถ้าเราปฏิบัติธรรมทาใจให้สงบได้อืแย่า ง, างจอ่อนก็มีมีญาติโยมท่านหนึ่งก็มาบอกตาตอนที่เขาแก่แล้ปัญญาก็ไม่สบายทั้งทู่ไม่มีความสุขเลยเพราะไม่สามารถที่จะไปทําอะไรเหมือนตอนที่เป็นหนุ่มเป็นสาวได้ก็อยากเดินไม่รจะอยู่ไปทําไมเขาไม่ถึงบอกจะฆ่าตัวตายแต่เขาจะไม่รู้จะอยู่ทําไมอยู่ไปวันๆหนึ่งไม่มีความสุข ทางกายก็มีแต่ความเจ็บปวดไม่สามารถไปเที่ยวไปดูน้ำฟังเพลงหรืออะไรได้ตอนที่เป็นสาวตอนที่มีกำลังวังชาคล้วก <c oughs> ็บอกเขาว่าทางาศาสนานี่สอนความสดอินทางเลความสุดทางใจเลยตรงไม่ต้องผ่านทางร่างกายโดยการ <c oughs> ปฏิบัติสมาธิฝึกสติ เ, เข า, าเขาจะไปองปฏิบัติเดีย ถ้าเขาปฏิบัติมมได้จิตเอ้าสงบมีความสุขได้ก็จะทําให้เขามีกําลังใจที่จะอยูอย่ัเพื่อบอยู่เครื่องปฏิบัตทิทํามอยู่เพื่อทําใจให้มีความสุขจากการฝึก ส, สมาธินี่มันก็อยู่ที่เขาว่าเขาจะไปทําได้ไหรือไม่ได้ด้วยนะครับก็ขึ้นขึ้นอยู่กับผลบุญของเขาที่เขาสะสมมาด้วยถ้าว่าเขาสามารถมองเห็นธรรมะได้แล้วกลับมาสู่ทำสายธรรมะได้ก็เป็นประโยชน์นะครับได้ครับครับคือธรรมะนี่มันก็เหมือนยาด้วยอย่างนั อยานี้เวลาที่บางทีเข้าแจกหนังสือธรรมะให้มันแกนนนจกแบบแบบรวมๆอ่ะที่คนไข้คนที่ไปได้หนังสือมาบางทีอ่านแล้วมันมอาจจะไม่ถูกกับโลกของเขาก็ได้มันก็อาจจะไม่ เ, เกิดประโยชน์ครับโอเควันนี้ได้ความกระจา่างข อ, อนามัสการกับท่านอาจารย์ครับอ่าอันนี้ไม่ได้ว่าการให้หนังสือธรรมะหนังสือธรรมะไม่ดีนะดีเนี่ยเห็นได้ว่ามันยังไม่อ มันไม่เหมือนกับรํายาจากหมออย่างเงี้ยหรับธรรมะจากพระอริยะเนี่ยเหมือนมีคนเอายามาฝากจากหมอ<ต>อย่างนี้ะจะดีได้แล้วอีกอย่างหนึ่งก็คนก็ที่รับก็ไม่รู้จะยินดีหรือไม่ยินดีก็มไม่รั บ, รบถ้าไม่ยินดีรับไม่รับขอบคุณที่เขาไปวางไว้บนทีิ้งก็เหมือนกันไม่ได้ไม่ได้อะไรครับกับคับแต่ก็ให้ไปเถิดว่าวันดีคืนดีถ้งเกิดเขา ไม่สามารถทําะไรได้เราต้องอยู่บ้านถ้าป้า จ, จะเห็นหนังสือธรรมะก็อาจจะหยิบขึ้นมาอ่านก็ได้เมื่อไรก็มีการอนญาติคนหนึ่งเราให้หนังสือธรรมะเขาไปเรื่อยๆพอเขาไม่เคอยอ่านเลยแต่ถ้าวันหนึ่งเขาไปเขาไปเป็นโรคร้ายทําอะไรไม่ได้อยู่บ้านก็เลยเริ่มหาหนังสือธรรมะอ่าแล้วเขาเริ่มทําเกิดความเข้าอกเข้าใจนะเรื่องของธรรมะทำให้เขามีมีความสุขได้จากการอ่านหนังสือธรรมะจากกา ครับครับก็ใจละครับวันนี้หมดคำถามครับท่านอาจารย์กลับแลมัสการครับคุณนันทพัต่ากตทำเอาค่ะกลับวมัสการเจ้าค่ะอาจารย์ค่ะมันวันนี้รูปมีติดขาดนิดหนึ่งเจ้าค่ะพอดีมีการเก็บข้าวเก็บของแล้วก็แพ็คของแล้วเผลอสติหรือว่าขาดสติไป ดึงเอาเม็ดอันหนึ่งในในผ้านะคะแล้วก็ในรองเท้าออกแต่พอเอใจว่ามันมีพอดึงออกมันมีเหมือนกับมีเหมือนกับเท็กเจอร์บางอย่างที่เหมือนสงสัยว่าเขาจะมีชีวิตหรือเปล่าก็เลยโทรไปถามเพื่อนว่าน่าจะเป็นลักษณะของอะไรเขาบอกว่าเป็นน่าจะเป็นไข่มแมลงสาบเจ้าจขาพญาจายนอันนี้ก็คือถือว่า ผิดศีลไปแล้วใช่ไหมเจ้าค่ะพ่อจา๋าอ๋อถ้าไม่มีไม่มีเจตนาความตั้งใจก็ถือว่าเป็นอุบททัติเหตุอ๋อเจ้าค่ะก็ก็แต่ก็พอเรารู้แล้วว่ามันเป็นถ้าเจอรักษะแบบนี้ต่อไปก็ถือว่าเรารู้แล้วใช่ไหมเจ้าค่ะพ่อจา๋าก็ต้องระวังว่าไม่ต้องต้องไม่ทำํำต้องไม่ทํำได้ว่าเอาเอาเข้ายากไปไหว้สวดนะสวดนสวดนี่ยี่จะไม่ไปทําลายการเจริญเติบโตของเขาค่ะค่ะ เจ้าขาจารย์แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งเจ้าค่ะคือเวลาบางครั้งอะ่ะเจ้าค่ะพระอาจารย์มันมีความคิดที่เป็นอกุศลอย่างเช่นอกุศลกับพระอาจารย์ขึ้นมาแต่เราก็สามารถเอาปัญญามาพิจารณาให้เราดับตรงนั้นได้แล้วแก้ไขความคิดที่เป็นอกุศลให้เป็นกุศลได้อย่างเงี้ยเจ้าค่ะอย่างนี้ลูกยังต้องกราบขอขมาพระอาจารย์หรือเปล่าเจ้าไปเท่าเนาะไมเท่าไ อ, อ่เกี่ยวกับเรามีอยู่ที่ตัวเราเองนอกจากว่าถ้าไปทํา ทางกายทางวาจาเนี่มนมันถึงจะเป็นที่ชั้นเช่นมาด่าเราเนี่ยอันี้เรามามาม า, มาทำนึกผิดแล้วก็เลยจะมาขอเข้ามาการนี้กานนรขอเข้ามานี้ไม่ได้เป็นการขอให้ยกโวนเรืออะไรเป็นเพราะว่ามาสำนึกผิดว่าเราได้กระทําสิ่งที่ผิดแล้วก็มาเราพยายามที่จะไม่ล่วงไนไม่ทําอีกครั้งหนึ่งขอให้อย่าถือโทษก่อนเครื่อนกันอย่าอย่ก่อนเครื่กัน ซึ่งคนบางคนเขาไม่โกรธอยู่แล้วใครจะไปทำอะไรจะด่าเขาจะไปทำร้ายเขาอย่างไรเขาก็ไม่โกรธเจ้าค่ะซึ่งเครื่องถ้ามันเป็นในแง่ของความคิด <c oughs> ก็คือเราเราอาจเราเป็นบุตรชนอาจจะมีความคิดที่เป็นอ ก, กุศลบ้างแต่เราก็ต้องนําความคิดเหมือนเหมือนสัมมาวายมะใช่ไหมเจา้าค่ะพระอาจารย์ที่เอาความคิดความคิดเจริญกุศลมาแทนอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเจ้าค่ะอ็ก็เปก็สอนว่าการคิดแบบนี้ไม่ถูกมันไม่ดีในการคิดค่ะ ท่นเองถ้าเรามีความรู้ว่ามันไม่ดีก็ถือว่าเรามีปัญญานล้บางคนไ ม, ไม่รู้ว่า ไ, ไม่ดียังคิดว่าตัวเองถูกดาคนนั้นด่าคนนี้ช่วงนี้ในสังคมโซเชียลนี่อะไรนิดอะไรหน่อยด่ากันเป็นล้านคน <c oughs> ประจายคนบ้ากันหรือเปล่าไม่ร <c oughs> ู้ถาทอนที่ไม่รู้จักเขาเลยใช่จ้ะค่ะ มีมีคำพท์ว่าทัวลงใช่ไหมเจ้าคะก็เดี๋ยววทัวจะมาลงที่หนองเาวันนี้ทำไปว่าเขอีกเนี่ยเจ้าค่ะแล้วก็ย้อนย้อนกลับไปเมื่อคืนพ่อเขาสั่งกฤษดเจ้าค่ะพระอาจารย์ลูกลูกประทับใจที่ที่คุณเอที่อยู่แอแคนาดานะคะพูดถึงที่พระอาจารย์ตอบในคิวแอนเอนี่อ่าอีควอไลย์ค่ะพระอาจารย์ที่ มองว่าทุกคนเท่ากันด้วยวิธีการไหนพระอาจารย์บอกว่าให้เห็นเขาเป็น mind and body ก็คือทุกให้มองว่าขยายความก็คือว่าให้ทุกมองทุกคนเป็นแค่มีจิตกับมีกายแค่นั้น เ, เ, เป็นธาตนะุหกนี่ยเป็นธาตุห้าธาตุสี่ทีนทน่น้ำลมไฟก็คือร่างกายธาตุรู้ก็คือใจเหมือนกันหมดทุกคนเท่ากัน เราเราจะได้ไม่เรีย้ปรุงไปว่ามีอะไรแตกต่างกันหรือพิเศษอะไรกันจนทําให้มีมีรักโรคปวดลงในใช่ไหมจะขาวป่าจังใช่มันที่มีแตกต่างกันเพราว่าเราไปดูส่วนที่มันมันมันเป็นส่วนเล็กน้อยใช่ไหมแต่ส่วนที่ที่แท้จริงมันมันเหมือนกันหมดเกิดแก่เจ็บตายเหมือนกันหมดนี่ค่ะ ที่เราไปดูไอ้สวนเล็กน้อยเห็นด้วยจนนี่เกิดมาดีสมมุติตั้งให้เป็นนุ่งตั้งให้เป็นนี่กันมันเป็นเรื่องลองดิเกเรามาค้นค่ะอาจารค่ะสําหรับแล้วก็แล้วก็ไม่ไปมาหาใครนะเดี๋ยวจะหาว่าเราใครเขาตั้งเป็นนายุ่เป็นอะไรแล้วว่าเราก็เขาล่วในการตั้งของโลกครับแต่เพียแต่แล้วโลกความจริงมันก็เป็นเพียงแค่สมมุติเท่า ควา ม, มจริงมันก็แค่ดินน้ำมันไปเหมือนเดิมมันไม่ได้ไปเปลี่ยนความจริงนั้นไม่ได้จะตั้งให้เป็นอะไรมันก็ยังเป็นดินน้ำมันไปค่ะพระจ่าเหมือนเหมือนที่พระอาจารย์เหมือนกับที่พระอาจารย์บอกเคยสอนเรื่องหนึ่งที่ลูกจําได้คืออย่างการ engage Eng ที่พระอาจารย์ใช้คำว่า engagement กับพ่อแม่หรือว่าค น, นที่เราร่วมด้วยอะคะ่ะจริงๆก็คือ ส่วนที่เป็นจิตใจก็ปล่อยเข้าไปแต่หน้าที่ก็คือทําหน้าที่มันก็คล้ายๆอย่างนี้ใช่ไหยเจ้าคขาพาจารย์ารพิจารณาดูว่าแล้กันอากให้เราต้องตอบทุทกทอย่างของเจ้าขาพาจารย์ยันปัญญาไม่ถ้าเราตอบมันก็ไม่ได้เป็นปัญญาอันนี้จะเป็นสัญญาแค่จะต้องพิจารณาแล้วก็คุก็ต้องสรุปมองด้วยด้วยความคิดเห็นของคุณอยะเป็นปัญญาไหม เจ้าค่ะค่ค่ะสําหรับวันนี้ลูกมีเท่านี้เจ้าคา่ะกลับขอบพระคุณพระอาจารย์เจ้าค่ะค่ะบันดาลต่อนบนาลใุณอนานนี้กลับมาสักการพระอาจารย์เจ้าค่ะวันนี้ไม่มีคาถามค่ะโอเคองั้นไปนี่คือปอเช่ปอเช่ีนนี่ยกลับมสักการพระอาจารย์ยัไงเพื่อนนโมใช้ปอเช่ครับ อวันนี้มีคำถามอะไรบ้า อ, อวันนี้มีคำถามเรือ่อง ม, มาส่งกันบ้านพ่อจันเข้าก่อนที่ท่องพุทโธก็ช่วยไปเรื่อยๆค่ะเ อ, อแล้วเป็นยางไงดีไม่ทำให้ใจสบายขึ้นไหมขอบสบาย เ, ออเลยเรื่อยๆเวลาโกรธใครก็เข้าพุทโธไปอย่าไปตีเข้า อ, อย่าไปดา่าเข้า แล้วก็ทักเขาพูดโทอพูดโทรพูดโทรไปแล้วก็เลยเรื่องที่ทำัำเขาทําให้เราเปิดถ้าเราไปถ้าเราไป ด, าาไปด่าเขาไปตีเขาเนี่ยเขากลายเป็นเรื่องใหญ่ต่อขึ้นมาอืมแล้วก็มีคามําถามด้วยครับเพราะว่าช่ ว, นวงน้ำมรก็เหมือนแับอันนี้ที่พรอาจารย์ได้พูดไปเรื่องความอยากอะครับอืมแล้ก็ได้ช่วยนิดนึงบางครั้ง แต่ว่าแคอยากรู้มากขึ้นเกี่ยวกับเรื่องนั้นนะคะดูออะไรนะความอยากครับทําไมนะว่าเราจะห้ามตัวเองแล้วก็ใส่สิ่งที่เราได้อยาา่างไรครับหมายถึงยังไงหมายถึงจะห้ามใจห้ามไม่ให้อยากนี่แหละก็ต้องสฝึพุทโธไปเวลาอยากก็ต้องพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปครับ ยันวุ่นก็เลยเริ่มความอยากไปเช <Okay. S 1> นะ่นอยากจะเล่นเกมก็พุโทโธพุโทโธพุโทโธพุโทโธพุทโธแต่สัก5นาที10นาทียันนุ่นก็เลยเริ่มเล่นเกมไปพ <Okay. S 1> อใจนะวิธ <Okay. S 1> ีดับความอยากนะ ง, ง่ายๆคือข้ามพุโทโธไปมีแค่นี้ก่อนเจ้าว่าคุนปุญญาณุตเตาะมุณปุญญานุนอยู่ที่ไหน ลูกอยู่กรุงเทพค่ะลูก อ, อยู่กรุงเทพค่ะลูกก็ามากราบอาจารย์ค่ะไม่มีครับมไม่มีค่ะโอเคเอา่าคนอะไพุทธพุทธพรนะพุทธพรอยู่ที่ไหนพุทธพรสวัสดีครับอยู่ลบบุรีครับหลวงพ่อ อาจารย์ครับตอนตอนที่ผมเด็กๆนะครับผมไปมาป่าป่าบ่อยครับผมตอนแรกผมอยู่อุรอครับแล้วก็ย้ายมาทีนี้แบบเมื่อปีที่แล้วครับตอนโควิดผมก็กลัวโควิดมากเลยผอ้โหระห่างนะผมก็เลยแบบไม่รู้จะพึ่งอะไรผมก็เลยไปพึ่งพระพุทธเจ้าพระธรรมแล้วก็อโอหลวงตาครับผมแล้วก็ทีนี้ พ, พอผมบันนี้กลับมครับจิตก็ไม่ได้สงบนะครับแต่ว่ามันก็แบบมันก็ แบบโอ้โหหลวงตาพูดอะไรมามันโดนใจผมตดโอ้โหโดนใจผมมากเลยครับเวลาหลวงตาท่านพูดพอไปไปม า, มาผมถึงขั้นที่แบบกแบบิเลสมันพยายามสงสัยปัญห า, าธรรมะของพระพุทธเจ้าแล้วก็แบบมีคำพูดของหลวงตาแบบมาตอบโต้วันตลอดหลังจากนี้เราควรเดินทางไหนครับหลวงพ่อครับทนครับ แ, แล้วแต่เราเิ็รแล้วใช่ทางไหนแล้วก็ไปทางนั้น กำหนดบริการพุทโธต่อไปเลยได้ใช่ไหมครับอันไหนที่ทําให้เราสบายใจในความสุขเราก็ทําในนั้นไปครับผมแล้วเราทําแบบเป็นวางแผนได้นครับคือภาวนาพุทโธแล้วจิตสงบแล้วแล้วก็แบบเหมือนวางแผนแบบเหมือนโลกโลกนะครับแบบเออจิตสงบแล้วแล้วก็ออกพิจารณาปัญญาทําอย่างนี้ได้นะครับหลวงพ่อหรือว่าเป็นเปิดทางแล้วจิตสงบอย่ากเพิ่งมพิจารณาให้มันสงบกันนาน เ้มันออกจากสมาธิก่อนแล้วไปปิดใจได้ครับหลวงพ่อครับที่คำถามครับหลวงพ่อเวลาเรานั่งสมาธิไวในส่วนตัวของผมนะครับนาที 10, าที่สิบนาทีที่ยี่สิบมันเริ่มมีความง่วงแล้วครับแล้วมันแบบแบเขาเรียกว่ามันห้ามความง่วงไม่ได้เราควรที่จะแบบอดนอนผ่อนอาหารนะครับหลวงพอ่อลดอาหารได้มันก็จะทําให้ง่วงง่วงได้นครับคุณ หรือทาร่วลกขึ้นมาเดินแทนนุกขนมาเดินเดินปแทนครับผมผมขอขอบคุณย ม, ยม า, ากเลยครับท่านนี้นะควัสดีคุณค่ะคุณยอมเย็นวิพลากกอตมผูมนทนสายสามหรือสองมนทนสายสองค่ะพระาอาจารย์ค่ ะ, <อ>ะกับนมัส ก, การพระอาจารย์ค่ะรายงานพระอาจารย์ว่าตอนนี้ก็ปฏิบัติอยู่ทุกวันค่ะทานศีลภาวนา แล้วพยายามเล่งทําความเพียรอยู่ค่ะแต่พระอาจารย์คะเวลาเราทําความเพียรอยู่ที่บ้านเราก็จะเจอเหมือนกับว่าพบแค่ความว่างกับความสงบแต่เวลาถ้าเราไปปฏิบัติที่วัดอะคะ่ะเหมือนกับว่าเราเราจะเจอสภาวะอะไรที่มันเอ๊อะอะแบบแปลกเยอะมากอะคะ่ะแล้วอย่างนี้เราอยู่ที่บ้านเราก็เราก็เราก็เจอแต่แบบว่างแลก็เราก็ดูความว่างไปใช่ไหมคะพระอาจารย์ก็ให้รู้เฉยๆไป เราต้องการความว่างคามสงบถ้ามันว่ามันสงบก็ถือว่าดีแล้วพยายามรักษาความว่างความสงบไว้ให้ให้อยู่ไปให้นานที่สุดท่าที่จะนานได้ถ้ามีอาการอะไรอย่างเงี้ยก็อย่าไปสนใจมันค่ะอาจารย์จะจะต่างกับเวลาเราไปถือสิลเจ็ดแปดวันงนั้นมากเลยค่ะนั่นแหละก็มันมันก็น่าแต่สถานที่สถานที่มันก็อาจจะมี แต่เป้าหมายก็คือเดิมเหมือนกันคือต้องการความว่างครับสมบถ้ามีอะไรมาปรากฏให้เราอ ร, รู้ก็อย่าไปสนใ จ, จนค่ะพระอาจารย์ค่ะตอนนี้ก็พิจารณาคนตายรับไปเกิดแล้วดับค่ะค่ะพระอาจารย์ค่ะแล้วก็ตอนนี้อย่างโยมก็เวลาสวดมนต์โยมก็จะ เอตรงสังขารชลาธโมมบิชลังแต่ก็ทุกวันเนี่ยค่ะบางทีลูกสาวถามว่ามาม้ามาม้าไม่ไม่ไปย้อมผมเหรอใช่ไหมคะว่าอาจาร mm hmm. ย์เดลอมก็บอกว่าพระอาจารย์สอนบอกว่าเออร่างกายต้องแก่อยู่แล้วก็ปล่อยมันไปอย่าไปย้อมอย่าไปทําอะไรก็ไม่รู้ว่าเดมจะทนได้ถึงแค่ไหนว่าถ้าผมม้าเงอกเมื่อไหร่อาจจะต้องใช้ชมพูย้อมผมนะคะพระอาจารย์มันโกนมันโกนมันไปชนัยวันเงื่อนงำมัน ค่ะว่าตอนนี้ตอนนี้ปล่อยค่ะตอนนี้ไม่ว่าจะงอกอยัางไงโ ย, ยมก็ปล่อยค่ะพระอาจารย์แต่ถ้าเป็นเมื่อก่อนนี้ไม่ต้องแบบว่าเซ็ ต, ตลอดแต่ตอนนี้ปล่อยทุกอย่างค่ะแต่ถ้าโกนแล้วมันก็ไม่งอกวไม่มีงอกไม่มีผมเลยเคยเคยคิดนะคะพระอาจารย์เคยคิดเหมือนกันค่ะแต่สักวันแล้วก็ใส่วิแวกแทน ก, ก็ได้เวลาจะเป็นนายก็ใส่ <laughs> วิกค่ะว่ะอาจารย์แต่เป็นบางครั้งโยมคิดว่าคนที่ปฏิบัติส่วนใหญ่อะค่ะถ้าเวลาอยู่อยู่ทางโลกอ่ะค่อนข้างยากนิดนึงค่ะอย่างเวลาโยม เวลาถ้ายมมาทางธรรมโยมก็จะแบบปฏิบัติเต็มที่จนบางทีลูกก็จะบอกว่ามามา้ามาม้าก็จะแบบโต่งไปเลยเวลาสมัยก่อนเราเราทำธุกรกิจแล้วก็จะโอเคมุ่งมุ่งอยู่กับงานแต่พอเรามาทางธรรมเราก็จะเดินแต่ทางธรรมอย่างเดียวจนบางทีมันก็จะมีช่องว่างระหว่างระหว่างเรากับกับสามีเหมือนกันพอาบางบางทีถ้าเรามีช่องช่องช่องว่างเยอะคะ่ะอาจารย์เราก็จะดรอปตัวเราลงมาเราก็จะทำตัวเป็นปกติเหมือนเดิม พักเหมึ่งแล้วกลับไปใหม่อย่างเงี้ยค่ะถ่ายโยมทำถูกใช่ไหมคะก็ม sí. ันจําเป็นอะถ้าใช่ม uh ัน huh. ก right ็มันก็จะทําให้ไม่ก้าวหน้ามันก็จะอยู่ติดอยู่อย่างนี้ไปคือความห่างมันมันชัดเลยเพราะฉะนั้นมีอยู่ช่วงหนึ่งพอโยมแบบโยมก็จะไม่ไปสูงสิงกันทั้งท่าลงก็จะไม่จะแบบคือคือห่างค่ะพอเราเราจะรับรู้ได้ว่าอ่ามันเริ่มห่างเขาก็เริ่มสึงแบบ จะมีจะมีช่องว่างเลยค่ะพระอาจารย์พอเรารู้ว่าพอมีช่องว่างปุ๊บเราก็จะดรอปตัวเราลงมาแล้วก็ทําตัวปกติเหมือนเดิมทุกอย่างก็จะกลับเป็นเหมือนเดิมโยมก็พยายามพยายามทําอยู่ค่ะพระอาจารย์นี่แหละปัญหาของของคาถาใช่ค่ะใช่ค่ะเวลาเวลาโยมอธิษฐานสวดมนต์โยมจะอธิษฐานบอกว่าขอให้ครอบครัวมีตรงตาเห็นธรรมแล้วเดินไปในทางคำด้วยกันจะได้ไม่ขัดแล้ว ไหนเครื่องป็นที่อยู่บนลานเวกําลังจะขึ้นนะต้องต้องจอดแล้วต้องจับจริงค่ะว่าจะต้องผ่อนความเร็วแล้วขึ้ น, ไ, ไ, นะนไม่ได้นะไม่ขึ้นไม่ได้ทันทียังติดอยู่กับดินอยู่นียังติดอยู่กับขรองครัวนะั่นใช่ค่ะแต่ใจไปแล้วพระอาจารย์ใจนี่แบบไปเต็มร้อยแล้วค่ะพระอาจารย์ก็ยังดีก็ใจอ่าไปอะไรกับเขาว่าเราไม่ยังไปทุกข์กับเขาข ไม่ค่ะไ้ยแต่แต่บาง<ๆ>ทีเราเราเร า, เราก็จะรู้ว่าพอเริ่มมีช่องว่างเราก็จะดับดับตัวลงมาค่ะใช่า ก, การมาพื้นตัวเ่งอ็จะต้องให้มันเหมาะสมกับบุคคลที่เราอยู่ด้วยไ<ช>ม่ก็อยู่ด้วยกันไม่ได้ใช่ใช่ใค่ะ <Okay S 2> ใช่ <นะ S 2> ค่ะกลับมาพึ่งค่ะอาจารย์ค่ะมันยินดีต่อมันยินดีวันนี้เดินทางมานี่จะกลับ U.S.A แล้วเหรอคะท่าอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะท่านอาจารย์ ก็ไม่มีคำถามค่ะไม่มีค่ะก็เดวิดฝากความคิดถึงเหมือนเดิมค่ะแล้วก็ขอให้ท่านอาจารย์สุขภาพแข็งแรงนะค่ะโอเคสาธุนอนรับพักผ่อนจะได้เป็นเช้าค่ะขอบพระคุณค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ไดเดี๋ยวพรุ่งนี้ลูกไปกลับท่านอาจารย์ค่ะโอเคสาธุคุณสัปดาห์นาต่อัปดา น้มาสการพระอาจารย์เจ้าค่ะวันน mm ี hmm. ้ไ okay ม่มีคาถามเจ้าค่ะมาขอฟังคำเจ้าค่ะพระอาจารย์การพระอาจารย์นโมเนมกาสการครับพระอาจารย์วันนี้ก็มีคาถามครับแล้วก็มารายงานกันบ้านครับพระอาจารย์ราการบ้านก่อนรายงานการบ้านน จากการบ้านที่พระอาจารย์ให้ดูเรื่องความโลภด้วยแล้วก็ให้ไปฝึกเดินจงกงมมาครับก็เรื่องแรกเลยครับเรื่องดูความโลภอ่ะครับที่พอสก็ฟูด่าเกียครับผมรู้สึกว่าพอทําตามที่พระอาจารย์สอนนะเราเวลาเราตัดสินใจในการทําอะไรอะครับพระอาจารย์มันเด็ดขาดขึ้นนะครับดีใช้ตัวอย่าดียวเด็ดขาดอะไรไม่ดีก็ตัดไปเลยอะไรเป็นโทษก็ตัดไปเลย ครับอาจารย์แล้วก็ส่วนในการเดินจงกรมอะครับอาจารย์คือผมก็คิดว่ามันก็ทำให้สงบได้เหมือนนั่งสมาธิอะครับแต่ว่ามันจะไปวกแวกเพราะว่าเวลาเดินเราต้องเปิดตาครับอาจารย์ทาให้เราต้องมองนูน่นมองนี่เร้พอมองแล้วมันก็จะทำให้เราฟุ้งซ่านนะครับอาจารย์ใช่มันดมันจะสงบเท่านั่งไม่ได้เวลานั่งนี่ร่าง่ายไม่เคลื่อนไหว ก็จะสงบได้มากกว่าแต่บางทีมันนั่งไม่ได้นั่งน า, งานๆไม่ไหวก็ต้องลุกขึ้นมาเดินเปลีนน่ยนระยะยันต้องสลับทำทำสลับกันไปเวลาเดินง่ายมีฝึกสติไวถึงไม่จะไม่นิ่งก็อยากให้ใจไปคิดเรื่องราวต่างๆครัพระอาจารย์นิ่งขับเท้าเลยน แล้วก็ในเรื่องของการฟังธรรมอะค่ะพระอาจารย์ผมก็ล่าสุดได้ไปเปิดฟังธรรมของถ้านอาจาไม่ผิดหลวงปู่ชาค่ะพระอาจารย์ก็หลวงปู่ชาบอกว่าเวลาฟังธรรมควรฟังตอนที่จิต เ, เป็นสมาธิอ่ะครับมันจะทําให้เราได้รับประโยชน์อย่างเงี้ยครับอันนี้คือจําเป็นไหมครับว่าจิตเราต้องรวมเป็นสมาธิก่อนแล้วค่อยฟังนะครับออ mm hmm. จิตสงบกับจิตไม่สงบนี่มันมีผล ต, ต่างกันถ้าจิตเราวุ่นวายคิดถึงเรื่องเกมเรื่องอะไรต่างๆพอไปฟังธรรมแล้วไปเรียนท่องเสียงจะเรียนไม่รู้เรื่องใช่ไหมเพราะจิตเรามันจะไปคิดถึงเรื่องราั้นเราต้องระ ง, งับความคิดเรื่องราวต่างๆแล้วให้มันมาสนใจกับธรรมะที่เราฟังอย่างเดียวความหมายขึ้นมาไม่ได้มาคราวว่าต้องเข้าสมาธิเข้าช า, อานอะไรนี่ไม่ใช่แต่ที่นี่ให้จิตไม่ไปคิดเรื่องรองาวต่างๆ ให้อยู่กับเรื่องธรรมะที่เราเอานั่งฟังถึงจะฟังรู้เรื่อ ง, อ, งอย่างตอนนี้ถ้ า, ถานํามองไปคิดถึงเรื่องอื่นเนี่ยคุยกันไม่รู้เรื่องไหนะได้ยินแต่เสียงแต่แต่ไม่รู้ว่าพูดอะไรครับค่ะพระอาจารย์แล้วอย่างนี้การสวดมนต์นะครับก็เราก็ต้องอยู่กับบทสวดแล้วสิ่งที่เราจะสวดไม่ใช่ไปฟุ้งซ่านคิดเรื่องอื่นใช่ไหมครับพระอาจารย์อใช่ อันนปการฝักสติเพื่อให้จิตสงบในระดับหนึน่แต่ยังไม่ถึงระดับของสมาธิถ้าเป็นสงบแบบไม่ไม่ฟุ้งซ่านไม่ไปไม่ไปคิดเรื่องราวต่างๆวุ่นวายไปทำ ง, งนนาตงนต่างๆครับอาจารย์แล้วก็มีมีอยู่อีกอย่างหนึ่งค่ะอาจารย์ก็คือเ อ, อมีวันหนึ่งที่ผมกล่าวว่าอยากจะถือศีลแปดค่ะอาจารย์แล้วก็ เอิญว่ามานั่งอ่านใน Google ว่าสินแปดมีอะไรบ้างแล้วไปติดข้อหนึ่งที่บอกว่าเหมือนไม่ร้องรำทำเพลงอะครับผู้จารก็ไม่ให้ไม่ไม่ให้ไปเกี่ยวขอ้อกับพวกบันเทิงน่นเอนเ n อ e ์ t ทนเมนเพราะว่าส่วนตั ว, วเราเป็นคนชอบฟังเพลงแล้วก็ร้องเพลงนะครับผู้จาร์ก็เปลี่ยนมาเป็นเดินจงกรมแทนใชาครบร้องกกพอนน เ, เพลงก็เดินจงกรมทางพูดโทรแทนอันนี้ร้องเพลงก็ทําพูดโทรแทนไป อาจารย์ครับถ้าสมมติว่าวันไหนที่มีเรียนวิชาดนตรีก็ไม่ต้องถือสินแปดใช่ไหมครับใช่แล้วก็ต้องดูวันที่มันเหมาะที่เราสามารถทําได้วันไหนที่เรามีภารกิจที่มันทําให้เราทําไม่ได้แล้วก็ถือแค่สินห้าไปครับวันที่ดีสุดก็คือวันที่เราหยุดไม่ไปโรงเรียนวันที่เราฟรีได้มาเอาเวลามาปฏิบัติธรรมมานั่งสมาธิมาเรียนจงกรม การที่จไปดูหนังฟังเพลงไปเที่ยวไปเล่นอะไรกันก็ปฏิบัติธรรมดีกว่าอาจารย์ครับแล้วต่อยอดจากเมื่อกี้ที่พระอาจารย์บอกว่าให้มีสติอะครับก็อย่างเวลาที่นั่งสมาธิเราใช้รูกประคำอะครับพระอาจารย์อย่างนี้กไไ็ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ควรใช้เพราะว่าใช้รูกประคำนี้มันต้องใช้ร่างกายใช้มือทํางานคุณนั่ จิตเป็นั้องสัง่งสั่งให้ให้ให้เดิเคลื่อนไหวจิ ต, จตก็เลยไม่สง บ, บงไม่สงบไม่กนเดิเนเะนี่ยนับถ้าอยากจะให้มันสง บ, บนิ่งเลยก็ต้องร่างกายต้อนิ่งเฉยไม่ทําอะ ไ, ไม่ข ย, ยันใดพระอาจารย์ครับแต่อย่างพระอริยเจ้าที่ท่านแบบว่าฝึกจิตใจมาค่อนข้างสูงแล้วเงแบบี้ยครับอาจารย์ท่านก็ใช้ได้ใช่ไหมครับใช่เลยใช้ลูกประคำอะครับเราจะใช้มันทำไม ถ้ามันสูงแล้วมันก็ไม่ต ไ, ไม่ต้องใช้รูกประคำครับครับอาจารย์ลูกประคำมันเหมือนกับอนที่เดินไม่น่าต้องมีไม้คําอ่ะอะไร่าง้ถ้าไม่มีรูกประคำแล้วเดี๋ยวใจลอยคิดถึงเรื่อ ง, งนั้นที่ถึงเรื่องนี้ไม่ยอมอยู่กับพูดโธรอย่าเงี้ยเลยถ้ามีรูกประคำจับไปด้วยคือรูกประคำนี่เปรียบเสมือนตัวแบบว่าช่วยนี่ อตอนเป็นบิเนาเนี้ยเหร อ, อเรันบิจน์ตอนที่จิตยังไม่มีสติกำนังพอที่จะควบคุมใจให้อยู่แบบการดูลมเรื่องอื่นแบบพูดโทได้น่าจะให้มันจับรูปประคับไปก่อนครับถ้าจะ แล้วก็คําถามสุดท้ายแล้วครับพระอาจารย์ท่านอื่นจะได้ถามว่าคือพอดีว่าแม็กกับเพื่อนอีกคนเขาต้องออกก่อนครับพระอาจารย์เพราะว่าเขาก็ติดภารกิจเหมือนกันแล้วเขาเผอปิดกล้องครับพระอาจารย์ เ, ออเขาก็เลยฝากคําคถามมาว่าเ อ, อวัดเชตวันในสมัยพุทธกาลมีจริงไหมครับออในพระไตรปิฎกเขามีแสดงไว้มันก็ต้องมีจริงแต่เราไม่เคยเห็น้เราไม่เคยไปไม่รู้อต่ ถ้าถ้ามีอยู่ในพระตาดิโดก็ถือว่าเป็นความจริตใช่นั้นหมดแล้วใช่ไหมหมดแล้วค่ะพระอาจารย์อขอบคุณพระอาจารย์ครับเดี๋ยวศึกษาต่อไปแล้วก็ปฏิบัติต่อไปนะครับขอบคุณพระอาจารย์ครั บ, ค, รบคุณอ้อมจากบอกวินเชิญ อ, อจะขึ้นเวทีเมื่อไหร่วันศุกร์ที่หนึ่งค่ะวันศุกร์แล้วโอเ ค, ค ไม่มีคำถามค่ะไปข่าความกลัวนะข่ามันเกิดไปเลยจักใจไม่มาเยออยู่เลยค่ะไปทำซ้ำค่ะค่ะถ้าวอลิเดตก็ต้องสามรอบอันนี้ก็รอบที่สองโอเคคอานะจารย์ใช้ที่สารครามหรือคอนแกน่นหรือบ้านสองบ้านล <laughs> กล่าวนามสการพระอาจารย์ค่ะวันนี้อยู่สารครามค่ะ เป็นยังไงมีอะไรไห้ตอะ น, นี้ตอนนี้อยากจะเรียนถามพระอาจารย์ถึงแนวทางหรือหลักปฏิบัติในการลดลดพวกกรรมลาคะค่ ะ, ะอาจารย์เพราะว่าเราชอบของสวยงามของอะไรพวกเนี้ค่ะกินหอมหรืออะไรต่างๆค่ะพระอาจารย์แบกได้หลักปฏิบัติเพื่อค่อยๆลดลดละเลิกให้ได้อะค่ะพระอาจารย์ก็ออดูความไม่เที่ยงของสิ่งเหล่านี <laughs> มันมันได้มาแล้วเนี่ยมันถ้าเก่าเสื้อผ้าซื้อมาใส่ไม่กี่ครั้งก็เก่าแล้วมไม่เหมือนเสื้อที่มีอยู่ในร้านนะี่นก็อยากจะไปซื้อชุดใหม่มาใส่ใเรื่อยๆค่ะแล้วมันก็จะทําให้เกิดภาระที่ทำให้เราต้องเครียดกับการหาเงนินหาทองมันตอบสนองความควา ม, วามอยากของสวยๆ ง, งานๆเรื่อยๆมันจริงๆเราเราจะต้องมีสติใช่ไหมครับอาจาร ก็มีสติมีปัญญาเนี่ยที่จะเห็นว่าการการไปการไปชอบสิ่งอันนี้มันเป็นปัญญาเศรษฐิต์นะเสนื้อเศรษฐะไหลก็ไม่พอค่ะเหมือนเราชอบของสวยงามการอาหารก็ต้องจัดให้สวยก่อนจะกินอะไรเงี้ยค่ะพระอาจารย์ที่นั่งกินคนเดียวก็ต้องจัดอะไรเงี้ยค่ะพระอาจารย์นัก็เป็นความสุขชวนสุเป็นเดียวประเด้าใช่ไหมก็อ่านไป แล้วมันก็ไม่ได้ทําให้อิ่มให้พอพอาถึงเวลาจะกินนอบใหม่ก็ต้องมาก็ต้องกินอะไรเรหมค่ะจัดเสร็จกินเสร็จก็ต้องไปล้างชามล้างถ้วยค่ะส่วนส่วอาจารย์ไปเดียวช้อนไปอันหนึงก็พออาหารใส่เข้าไปปินง่ายๆอืยล้างจานไปนี่ล้างช้อนอนหนึ่งเสร็จบาเวลาไปนั่งสมาธิเดินโยกกลมดีกว่าค่ะก็ จริงๆต้องคือหักห้ามใจใช่ไหมคะพระอาจารย์แล้วก็มองให้มันเห็นว่าทําไปก็ไม่ได้ประโยชน์ไม่ได้ประโยชน์เสียเวลาไม่ได้ประโยชน์อะไรเสียเวลาเปล่าๆเปนโทษด้วยว่ามันทําให้เราติดนะใช่ค่ะเสียเวลาไปกับพวกนี้อยู่ค่ะพระอาจารย์ก็เหมือนว่าเรเหมือนติดอยู่ตรงนี้ค่ะพระอาจารย์ค่ะเดี๋ยวจะแต่พยายามค่ะพระอาจารย์ค่ะพรเจ้าสอนให้เรา พิจารณาก่อนที่เราจะบริโภคของของกินของชใช้เช่นอาหารท่านบอกให้บริพิจารณาว่ารับประทานเพื่ออะไรไม่ได้รับประทานเพื่อความสนุกสนานเพื่อความสุขรับประทานเพื่อรดกับความหิวที่เกิดขึ้นให้มันดับไปแล้วป้องกันความหิวใหม่ไม่ให้เกิดขึ้นเรือรไ ป, ไปเพื่อรักษาธาตุขันของร่างกายให้ดี จะได้มีกำลังงมงชาไปทำปฏิบัติธรรมต่อไปนี่คือหน้าที่อนขนองเนาหาเนื้อหามันมันจะมาในรืู่ปแบบไหนไม่สำคัญก็แค่มันกินเข้าไปแล้วมันทำหน้าที่ได้พอคือดับความหิวแล้วก็ดูแลร่างกายของเราไม่ให้ไม่ให้เจ็บไข้ได้ป่วยจากการกินวัตถุขาดแคลนทงอาหารเสื้อผ้าเราเหมือนกันเสื้อผ้าก็มีไว้ปกปิด น้ำใจอวัยวะแล้วจะเป็นเสื้อผ้าสวยไม่สวยมันก็ทําหน้าที่ได้เหมือนกันนค่ะ <c oughs> ตามวันดีสี่วันไข้กับอาจารย์ <c oughs> บริจาคแล้วก็ไปซื้อมาใหม่อล้วความสวยงามที่แท้จริงก็ไม่ได้สวยที่เสื้อผ้าค่ะสวยที่ใจค่ะ <c oughs> คนที่สวยด้วยเสื้อผ้าแต่รักขโมยหรยือโกหกหลอกวงนม่สวยไหมในขายเขารักเขาชอบ ไม่ค่ะแต่คนที่ใส่เสื้อผ้าเราไม่ไม่สวยแม่ครแต่ในคอนซูร์สสุดเจรินีญอันนอ้นจะสวยเหมือนกันค่ะอาจารย์ก็คือเราไม่ต้องอาศัยสิ่งภายนอกถ้ามันสวยจริงมันก็จะสวยจริงของมันเองใช่ไหมครับอาจารย์ไม่จําเป็นต้องเอาอะไรมาประดิบประดอยอะไรก็ตามของที่มันดีมันก็ดีของมันอยู่อย่างนั้น แต่เราชอบของปองขอมเพราะขอี้มันง่ายมันซื้อมาปั๊บใส่โอ้สวยน่าดู <c oughs> มีบุคลิกอะไรว่าไปตามโฆษณาของเขา ข, ขายเขาพยายามที่จะปลุกความหลงให้เราโอ้เราใส่ชุดนี้ถ้าเรามีบุคลิกที่ดีเป็นคนน่าเชื่อถือเป็นคนอะไรร้อยแปดันต่างมันจริง่ก็เป็นแค่เสื้อผ้า คือมมามันคนถ้าข้างล่างเห็นมันก็อาจจะติ่เต้นโอ้มันดูหน้าดูดูดีนะแต่ถ้าได้รู้จักกันแล้วรู้นิสัยใจคอเพราว่าเห็นท่าท้ายขึ้นมาแล้วก็ยืนนี้ก็ไม่ไม่ต่อให้ไปสายชุดอะไรมาก็ไม่ไ ม, ไม่ไม่สวยงามนนะถ้ารู้ว่าเป็นคนโกหกเราเป็นคนเป็นคนชอบมายืมเงินเรื่อนเรื่อนใหญ่โค้มะไม่ค่ะ <laughs> จริงๆก็คือเราอย่าไปหลงกับสิ่งปรุงแต่งเลยนะคะพระอาจารย์จะพยายามค่ะพระอาจารย์ค่อยๆค่อยๆลดตรงนั้นลงไปไเรื่อยๆค่ะความมั่นใจของเราอยู่ที่ความดีของเราไม่ได้อยู่ที่บุคคลิกลุ่มหน้างหน้ า, นาตาหรือเครื้อนเสื้อผ้าออนที่เราสวมใส่อาจารย์ อาจจะไปลงไปหลอกคนโง่ได้คนโง่ที่ไม่รู้เรื่องว่าทำดีช่วยอยู่ตรงไห น, นก็ได้ทำในวันคนที่เสื้อผ้าก็ได้พอสใส่แบนด์เด่นแล้วเราคนที่ต้องเป็นคนดีคนโวยแต่อาจจะไปกงเันเข้ามาซื้อเสื้อผ้าของอยินใส่ก็ได้ก็คือจริงๆแล้วดูแลแค่ใจก็พอนะครับอาจารย์ใจสะอาดใจสวยก็พอนะคอะอาจารยท์ที่เหลือก็ ที่เดินก้ไปตามร่างกายก็ต้องก็ต้องดูแลมันแต่ใมันดูแลในขอบเขตไม่ใช่เอาสวยแต่ใจแล้วร่างกายก็ไม่อาบน้ำหรอกถ้าเสื้อผ้าก็ไม่ซักนิดนึงมันก็ไม่น่าเหมือนกันไม่อาบน้ําเลยอ่ะก็บอกว่าร่างกายไม่ได้เป็นตัววัดความสวยกวามงามคงก็จะไม่อาบน้ำหรอกถ้าพรุ่งนี้ไม่อาบน้ําเลยนะคะพี่อาจารย์เสื้อผ้าก็ไม่ซักผมก็ไม่หีอันนี้มันก็เกินไป อย่างนี้ไม่ได้นะร่างกายก็ต้องดูแลมันให้มันดูสะอาเรียบร้อยค่ะพอประมาณใช่ไหมคะอาจารย์ไม่ให้ดูแล้วมันมันมันก็ว่าไม่มีการดูแลก็ต้องดูแลไม่คนเพราะว่าเราได้ด้วยแต่ก็ไม่ต้องให้คนเข้ามายกย่องอะไรกับตัวเรานะคะอาจารย์ไอเรื่องเงินยกย่องเรือว่าดเนี่ห้ามเขาไม่ได้อยู่ดีจะจะทํำยังไงเขาอยากจะว่าดเขาก็วา เขาอยากจะชมก็ชมแต่ที่เราทํำก็ไม่ให้มันมาอเหมาะกับสภาพของของมันร่างการมันก็ต้องมีการชำระเสื้อผ้าที่ใส่มันก็ต้องมีการชำระอะัรบางอ่าแม่มันส่งผิดไปสร้างความลำคาต่อแก่ผู้อ่นค่ะค่ะอาจารย์ค่ะค่ะเดี๋ยวจะพยายามลดเรืงนี้เป็นไปให้ได้มากขึ้นเรื่อยๆค่ะอาจารย์ค่ะ เรื่องเรื่องอาหารก็อย่างที่เมื่อกี้ตอนต้นได้พูดนครับแต่ไม่กินอาหารเป็นแก้มใหญแล้วค่ะก็เราเราดันที่ใส่เลยเอาเอาชามใบหนึ่งใหญ่ๆแล้วใส่อาหารที่จะกินอะเดียวชามใบห น, นึ่งช้อนนึงพอแล้วไม่ต้องไปเสียเวลามาจาัดจัดให้มันใหญ่มันเข้าไปในท้อเวลนเอามันเอาเข้าไปในท้องแล้วอัจกินออกมาที่มันกินได้ไหมล่ะ ไม่คะ่ออออะอก็คืออพยายามให้มันอยู่ในจานเดียวนะคะผอาจารย์แค่ไหนีก็แค่นั้นอทุกอย่างสา่งเพราะเดี๋ยวมันต้องไปรวมกันในท้องไม่อยู่ดีไม่นี่ะอาหากี่จาน ย, ยากกันกินยังไงลําดับหนึ่งลำดับสองเดี๋ยวพอมันเข้าไปในท้อง ม, มันก็ไปรวมกันที่เดียวแล้วก็รวมในกระเพาะมันเลยในชามใหญ่ทำหมคนมันเข้ามาไปเลย อร่อยนะรมันก็ยังรสมันก็ยังเหมือนเดิมมันยังเปรี้ยวหวานมันเข็มเหมือนเดิมเป็นแต่รูปลักษณะมันไม่น่ากินนะขยะแตแยังอันนี้ก็ดีช่วยช่วยคนที่ต้องการลดความอ้วนจะได้ไม่กินมากอมันก็ไม่แน่ก็มีพวกของหวานพวกผลไม้เอาลมตาเดียวเลยละคะบ้าจานใช่รวมกันหมดเลยพราะเดี๋ยวมันต้องไปอาะไรที่ไปโดนในท้องอ่ะมันให้มันรวมในแต่ช้าก่อน แล้ ว, วต้องคนมันด้วยใหทุกเข้าไปเลยแต่ที่ <c oughs> ใหม่ๆอาจจะกินไม่ลงแต่พอลงกินเข้าไปเอ๊ะน้ําชามันก็ดีนะอนีน้ไม่ดีอาจะกินยากก็ได้ถ้าคนเราอาจจะกินน้อยลงค่ะพระอาจารย์แล้วแต่บางคนถ้าเข้าแบบขยะขยะอะไรก็าาอาจจะกินน้อยลงได้ <c oughs> เดี๋ยวหเรยจะลองดูค่ะพระอาจารย์ปั๊เป็นมือเราไม่เกินหนึ่งหนึ่งชาม ให้มันอยู่ในนั้นค่ะพระอาจารย์อใส่ทุกอย่างลงไปหมดเลยของหวานาใส่ทุกอย่างกาแฟกาแฟใส่ไป ห, หมดอะไรที่อะไรท <c oughs> ี่กนเข้าไปเลย <c oughs> เอาน้ําหวานได้เลยครับอาจารย์อะไรก็ตามที่เร <c oughs> าจะกินเข้าไปในท้องเ <c oughs> นี่ย <c oughs> เราอามันกับราปรุงปุ ง, ป ง, ปงเอาชาเนี่สมมุติว่าเป็นท้องอ่ะหนูจะได้ได้กินน้ําหวานได้เลยครับอาจารย์ให้จะจะลองดูค่ะพรอาจารย์ค่ะ นี่นะนอนลองเอาทักมือหนึ่งรับรับเป็นการบ้านค่ะพระอาจารย์ <ś cocoa> ว่าจะจะทําจะลองทําไปเรื่อยๆค่ะโ <Okay. S 2> อเคค่ะสาธุค่ะขอบคุณค่ะถ้ากินแบบนี้ได้ไปอยู่ที่ไหนไปกินอะไรที่ไหนก็กินได้คโอเคนะได้ค่ะสาธุค่ะคุณ <c oughs> มาลีตอคุณมาลีกล่าวหลวงพ่อคะ่ะหลวงพ่อพูดเรื่องอาหารน่ะ ห น, หนูหนูเห็นพระที่หนูไปอยู่ที่ปฏิวัติท่านเทเทแกงเทกับเทอะไรหลายๆอย่างลงไปในบาทบ่า น, นี้ค่ะแต่แต่หนูกยังยังยังกินแบบนั้นไม่ได้อะค่ะหลวงพ่อแต่ว่าแต่ว่าหนูอะ่ะได้กินไม่ได้แบบ ถ้ากินไม่มากก็ไม่เป็นไรถ้าเราไม่โลภไม่หิวกับอาหารกินตามตามเวลากินตามความความต้องการของร่างกายก็ไม่ไม่ต้องใช้วิธีนี้ค่ะหลวงพ่อคะแล้วแล้วสมมุติปกติเรากินสามมื้ออย่างเงี้ยแล้วเราพอมาอดถือแปดอย่างเงี้ยค่ะมันมันไม่ถือว่าเป็นการเขาเรียกอะไรทรมานตัวเราไหมคะหรือว่าเบียดเบียนตัวเราไหมเหมือนที่ที่บอกอะไรนะภาษาทางพันธุ์ที่บอกอัตตะอะไร เอาได้หร อ, อรกก็ดูดทีดด่ว่าร่างการมันร่างกาย ม, ม, มันมันมันมันทห้าที่สมจากการถือสิ้นแต่ได้ปะนอ้ว ม, มันดีขึ้นการจัด ก, การจัดตุมื่การเป็นขวดยังไม่ดีเลระถสิ้นแต่ฮ่าเออว่าในี้ <c oughs> เรียกว่าทารมานได้ไงไม่ใช่ทรมานมันทรมานกิเลสต่ากิเลสตัวโลบตัวอยากินเนี่ยนั้นทรมาน นี่ไม่ไม่ไม่ไมถือว่าเป็นอัตตาอะไรไม่เป็นการทรมาร์ร่างกายเป็นการทรมาร์กิเลตการตื้อสินแต่ไม่เป็นการทรม า, าร์กิเลตนะ okay. <anime. S 2> <ฆ S 1> ห้ามกิเลสฆ่ากิเลสค่ะหลวงพ่อแต่ถ้าวันไหนที่แบบว่าเราป่วยแล้วเรามีอาเจียนอะไรออกมาอย่างเงี้ยมันทั้งวันมันทําให้เราไม่ไม่อยากกินอาหารอย่างเงี้ยมันก็ดีค่ะหลวงพ่อไม่ตินบ้างไม่ตายหรอกไม่กินบ้างไม่ตาย ค่ะมันก็รู้สึกเฉยเฉยมันก็อยู่ได้ค่ะหลวงพ่อใช่แล้วเ ร, เราสะสมอาหารไว้ในในในร่างกายเยอะแยะไขมันเอ่ยเนื้อเอ่ยเวลาร่างกายมันต้องการสารมันก็ดึจอยู่จากพวกนี้ออกมค่ะหลวงพ่อหลงพ่อคะแล้วแล้วถ้าเราต้องไปอยู่ในที่ที่เราไม่คุ้นเคยแล้วแล้วเราจะทจําใจยังไงไม่ให้มันกลัวอย่าง อย่างตอนที่สมัยหลวงพ่อปฏิบัติที่หลวงพ่อถือส้มไปแล้วหลวงพ่อไปฆ่าไปโยุ์เกาะ อ, อะไรตอนนออัางคืนเนี้ยหลวงพ่อทํำยังไงคะก็อาศัยสติถ้ากลัวท่าพุทโธพุทโธไปเริ่มปลงมางมนัางใจไม่เที่ยงเกิดแล้วก็ต้องแก้ต้อเฉ็ยดต้องได้คือถ้าเราถ้าเราไปอยุดในต่างที่เงี้ยเหมือนจิตนี้ยมันจะคิดปุ๊บไปว่าเฮ้ยเดี๋ยวกลัวกลัวสิ่งที่เรามองไม่เห็นกลัวสิ่งใช่ก็ใช่พุทโธอย่าอย่าปล่อยให้มันคิดเสร็จแสดวเราไม่มีสติ ถ้าเราไปปฏิบัติจริงๆเราต้อมีสติคุมใจอยู่ตลอดเวลาไม่ไปล่อยให้มันคิดเห็นเรเือร่องราวนี้ค่ะหลวงพ่อถ้ามันคิดก็ต้องเีนใช้พุทโธพุทโธอยมาแล้วค่ะหลวงพ่อคือตอนเนี้ยหนูหนูหาหาที่จะไปปฏิบัติหาหาใหม่แล้วค่ะหลวงพ่อเพราะว่าพอดีวัดวัดที่ที่บ้านต่างจังหวัดนครนายกตอนนี้กําลังแบบเป็นข่าวเยอะเหลือเกินค่ะหลวงพ่อตอนนายกเป็นข่าวเยอะนะ ใช่ค่ะว่าวัดดังค่ะวัดดังเ ก, เกือบเกือบเจอทั้งนั้นเลยทีนี้หนูมีหนูมีคุยไลน์กับคุณหลาไปถามที่ที่ที่บนเขาวัดหลวงพ่อค่ะห น, หนูก็ลองลองคุยกับป้าปุกไปทีนี้ป้าปุก บ, บอกว่าเต็มแล้วหนูอยากไปช่วงที่หยุดสักห้าวันเจ็ดวันอะไรเงี้ยแต่พอดีป้าปุกบอกว่าเต็มแล้วหนูก็เลยบอกว่างั้นไม่เป็นไรเดี๋ยวขอโอกาสหน้าจะลอง หาเวลาแล้วก็จองใหม่อะไรเงี้ยค่ะหลวงพ่อคะ่ะแล้วแล้วที่นั่งปฏิบัติเ อ, อหลายวันหลายคืนเนี่ยท่านพระที่ปฏิบัติแบบนี้อยู่อยู่ได้ยังไงคะสมมติเขาเรียกอะไรเข้านิโรธหรืออะไรใช่ไหมคะที่ที่อยู่ได้แบบจนอาทิตย์เป็นเจ็วันเจ็ดคืนอย่างเงี้ยแล้วร่างกายมันอยู่ยังไงคะหลวงพอ่อ ร่างกายมันก็มันก็อยู่แบบแบบนั้นแหะมันก็ไม่ได้เมื่อมันไม่ได้ใช้พลังงานมากมันก็ไม่ไม่มันนั่งเฉยเฉมันก็มันก็ไม่จำเป็นที่จะต้องเติมอาหารเต่มน้ำมากเหมือนรยนเนี่ยถ้ารถยนต์จอด้วเฉยเฉ้วก็ไม่ต้องเติมน้ํำมันใช่ไหมไม่ได้ใช้น้ํำมันค่ะแต่แต่อย่างคาราวาอย่างพวกหนูเนี่ยมันก็ไม่สามารถจะนั่งได้ขนาดนั้นใช่ไหมครับส่วนใหญ่ก็ไม่มีใครนั่งขนาดนั้นหรอก การปฏิบัตินี่นั่งสมาธิแค่ชั่วโมงสองชั่วโมงนี่ก็พอเพียงต่อการไปเจริญวิปัสสนาแล้วแล้วถ้วสมมติว่าเราอยู่ในความสงบเราออกมาแล้วพอเราทำเรื่องปัญญาต่อเนี่ยเราไม่จำเป็นว่าต้องทำต่อจากที่เรานั่งสมาธิเลยแต่ว่าเราออกมาแล้วอยู่ในชีวิตประจำวันเราได้เวลาออกมานะตอนไหนะอะไรตอนไหนก็ได้หมดเลยใช้คิดไปทางปัญญาได้หมด อย่า <c oughs> อย่าไปคิดทางโลกนันมากก่อนี้คิดเกี่ยวกับกังวลการเรื่องควาเป็นความตายคิดไตรพิจารณาตอานั่งการมันต้องแก่ต้องเทียบต้องตายทุกอย่างที่เข้ามามากระทบกับเราเราคิดเป็นปัญญาได้หมดเลยใช่ไหมคะหมอใช่เราคิดเป็นตารนั้นได้หมดเลยเพื่อไม่ให้ใจหรือว่าไอ้จิตของเราเนี่ยมันไปทุกไปกังวลไปเดือดร้อนกับคาว่านินทาสรรเสริญอะไรอย่างน<อ>ี้ใช่ไหมถ้าเราพิจารณาเป็นถ้าเราพิจารณาตายรักเป็น ใต่เราก็จะไม่ทุกกับทุกอย่างที่เราไปสัมผัสรด้เูยค่ะหพ่อแต่บางทีพิจารณาได้แต่บางทีทำใจไม่ได้แสดงว่าอุเบกขายังไม่พอก็ต้องเข้าไปในสมาธิค่ะหลวงหลวงพ่อครั บ, รบพอดีวั น, นวันนี้หนูได้ได้รับข่าวแบบมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่คือหนูหนูมีมีร่วมทำบุญไปกับเ อ, อ่อ พระปฏิบัตินะคะ่ะหลวงพ่อทีนี้ก็เหมือนไปสร้างสํานักปฏิบัติที่ที่จังหวัดพิษณุโลกอะคะ่ะเ อ, อท่านก็ปฏิบัติสร้างมาได้ประมาณสี่ปีแล้วเนี้ยคะ่ะแล้วมันก็มีปัญหาเรื่องที่ทางที่ที่ไปสร้างเนะะี้ยค่ะคือเหมือนเขาให้ออกจากที่ที่ไปสร้างอย่างเงี้ยคะ่ะหลวงพ่อที่ไม่อยองเราเราไปสร้างมันก็มันก็ผิดคือ เจ้าของอะ่ะเขายกให้อ่ะค่ะตอนแรกเลยก็ท่านก็ไปไปทําไปสร้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ แ, วแม่เขาแม่เขาเสียนมอบได้ยกยกแต่ปากปล่าเดี๋ยวเขากเปลี่ยนใจได้แล้วพอมามาตอนเนี้ยมันมันเกิดเรื่องแล้วทีเนี้ยก็กลายเป็นว่าต้องเหมือนไล่ท่านออกมาจากที่ตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อหนูก็รู้สึกว่ามันไม่เป็นไรหรอกท่าเป็นพระถ้าถ้าจริงๆท่านไม่เดือดร้อ น, นกับสมบัติเข้าคลองอะไรแต่ ไม่มีที่ที่ท่านเข้าไปอยู่ที่ื่นได้ท่านท่านกําลังจะเดินทูดงไปอะไรนะทางอีสานนะคะหลวงพ่อพระธาตุอะไรพระธาตุพนมหรืออะไรสักอย่างเนะะี่ยค่ะแล้วแล้วพอวันนี้ก็มีข่าวดีซ้ํา ม, มาคือว่าเออ่มีลูกศิษย์มาบอกท่านอีกว่าเนี่ยให้ให้ไป เ, เรียกอะไรอะ่ะมีที่ที่ที่บุรีรัมย์ค่ะประมาณสิบเจ็ดไร่ จะให้ท่าน่ะไปอยู่คือจะยกให้แต่อันเนี้ยอันนี้ก็เลยบอกท่านว่าให้ให้ท่านดูเรื่องที่ดินก่อนนะอะไรอย่างเงี้ยอย่าเพิ่งเหมือนตัดสินใจเหมือนคราวนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะท่านท่านก็บอกเดี๋ยวขอลองดูก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วทีนี้จะถามหลวงพ่อว่าอย่างที่เราเคยตั้งใจทุ่มเทช่วยท่านไปแล้วตอนเนี้ยมันกลายเป็นว่าศูนย์ศูนย์ไหมคะในทาง อ๋อเงินมันสูญแต่เงินที่เราทําไม่สูญไม่ไม่สูญใช่ไหมคะไม่สูญเพราะมันมีเงินที่เราให้เขาไปมันสูญแต่วันที่เราให้เข้าไปแล้วอไงแต่ <laughs> เขาจะไปทำประโยชน์อะไรหรือไม่มันดันเนื้วของเขาแต่หนูคือหนูยินดีที่คืออยากทําแต่ว่าที่ที่เสียใจคือว่ามันมันเห็นคนมามาปฏิบัติมาเขาเรียกอะไรมาถือศีลมามาใช้สถานี่นที่นี่แล้วอะคะ่ะประมาณ สี่ปีแล้วก็เหมือนดึงชาวบ้านดึงคนมาปฏิบัติ ไ, ไดปญญ้ปัญญาปัญญาปัญญาอนิจจังไม่เทีย่ยอ่าหนูก็เลยหนูก็เลยตอบอาจารย์ไปว่ามันเป็นอนิจจังทุกขอังอนัตตาแล้วไอ้ความคิดตรงเนี้ยหนูหลุดออกมาเลยหนูก็บอกทําไม่ก็ก็ไม่เป็นไรก็ ใ, ให้กําลังใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์ใจเราจะไปทุกข์กันแบบนั้นก็จบค่ะแล้วอยู่ๆตอนช่วงเย็นค่ำท่านก็ บอกว่ามีลูกศิษย์อีกคนหนึ่ง<ช>บอกว่าเนี่ยมีที่ให้แล้วให้ท่านไปดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะท่านก็ต้องฉลาดเนี่เ๋ยวข้าระวังเดี๋ยประวัติศาสตซ้ำรอยไม่ปะ่ะใช่โอ้คุณหลวงพ่อหนูใช้คํานี้เลยบอกว่าท่านต้องดูดีนะไม่ให้เกิดซ้ํารอยอีกนะ<ช>อะไรเงี้ย ท, ทํานทำอะรก็ให้รอบครอบถ้าก็จะให้ก็น้อยให้ข้ยกให้มันถูกต้องตามกฎหมายไปเลยแล้วเรียกเรียกคืนไม่ได้นะ้วเขาบอกว่า เป็นอะไรนะเป็นลูกที่อุทยานสแสลงหลวงอะไรทั้งยานเนี่น ย, <ล>ยค่ะ<ล>แต่<ล>ว่าหนูก็ถามว่าแล้วเจ้าของที่อ่ะเจ้าของที่ก็เสียใจหลวงพ่อเยอะที่เยอะด้วยค่ะหลวงพ่อแล้วก็ไปทําทําจากที่มันไม่ดีอ่ะตอนนี้คือจเจริญแล้วอะค่ะแล้วเขาก็ไล่ออกมาโอเคเรากลับมาเรื่องของเราดีกว่าค่ะประมาณเนี้ยประมาณเนี้ยค่ะหลวงพ่อวันนี้หนูมีคำถามแล้วก็ ส่งกามาลแค่เนี้ยค่ะหลวงพ่อพิจารณาตายแล้วเป็นวันแรกจะได้สบายใจได้ปลปล่ยอยวางนะค่ะหลวงพ่อกลับขอบคุณหลวงพ่อค่ะคุณหมอณัฐวุฒิเชนตธรมอบพระคุณอ า, อบบาอจารย์ครับอันนี้เข้ามาร่วมฟังธรรมครับฟังรับสบายดีนะสบายดีครับนะก็เดี๋ยววันเสาร์อาทสดเสาร์ที่เข้าไปปฏิบัติครับนะใช่ คุณทา่าน่อตาท่านพสอตามน้ำพระสารพระอาจารย์อันนี้อยู่กันเดียวเลยอะทันดีคุณคุณปาช่วงนี้ก็ไปเรียนเอ่ออย่างนี้ครับทันีว่ามีพระอาจารย์ท่านหนึ่งสอนบาลีอยู่อยู่ที่วัดอาวุธทางคทมเนี่ยครับแล้วท่านก็สอนเรื่องเอ่อเอาเรื่องพระสูตรมามาม า, มาสอนเนี่ยคะสอนทางกูเกิลเมดก็เลย ก็เลยได้ไปร่วมร่มเรียนด้วยครับเขาคงเป็นช่วงนี้โอเคมีคําถามไหมของ <Okay. S 1> ผมเองไม่มีคําถามครับ <Okay. S 1> ก็พอดีวันนี้เข้ามาแล้วเห็นมีเยาวชนรุ่นเล็กๆ ก, ก็รู้สึกนุ่งนากับเด็กรุ่นนี้ที่ที่เข้าเข้าเข้าทางทำได้เร็วครับแล้วก <Okay. S 2> ็คิดกลับมาดูตัวเองว่าเอาเราจะแพ้เด็กไม่ได้แล้วนนเนี่ยเราจะต้อง okay. ไม่แน่แลน้ำนร่างกายก็เป็นเด็กแต่ใจก็อาจะเป็นผู้ใหญ่กับเราไมได้ครับครับใช่ครับใช่ครับแล้วชื่นชมเขาครับครับอาตุยงั้นไปที่ด้านต่อไปนะต้องต้องร่วมร่าหน่ะเดี๋ยวมันจะยืดเกินห้าห้าทุ่มมีาครึ่งทางแล้วคุณหมอพระสนะต่อค่ะกลับน้ัสการพระอาจารย์ค่ะวันนี้ไม่มีคําถามแต่ว่าอยากจะเรียนถามพระอาจารย์ว่ามีอะไรเพิ่มเติมไหมคะเอ่อคือ ออนนี้ก็นั่งสมาธิแล้วก็เดินจงกรมปกติแต่ว่าเวลาระหว่างวันเนี้ยก็จะใช้สัพเพมาณะตาจะดูที่ใจค่ะพระอาจารย์ดูว่าใจมันีกระเพื่อมไหมค้อคือคือกายเนี้ยมันดูไปแล้วแต่ว่าดูที่ใจแล้วก็เราพยายามทําเรื่องของดูว่ามันมีความอยากไหมแล้วก็พยายามละพยายามปล่อยวางอย่างเงี้ยมีอะไรเพิ่มเติมไหมคะพระอาจก็กว่าบ้างก็กว่าให้มันหมดให้มันซาใจเราก็ต้องสาดให้มันหมดจนถ้ายังมี คนทิ้อยู่ก็ทำคอยชลรามันต่อไปก็ทําทํำเยอะๆทาซ้ำๆทำไปเรื่อยๆทำทำไปเรื่อยๆใช่ไหมคะอาจารย์นั่งสมาธิเดินจงกรมแล้วก็ปัดกวาดใจไปเรื่อยๆอ่าใจกวาดจะไม่มีอะไรให้กวาดนะถ้าถือว่าจบถ้าทำความซ้ำเนี่ยมันัจะแไปทําะวรต่อมัน็ไม่ทำมันก็ไม่ต้องทำอาจารย์แต่ว่า รู้สึกว่าใจดีแบบสบายขึ้นเบาโล่งแบบคือรู้สึกว่าต้งแต่ปฏิบัติมามันก็จะโล่งขึ้นเรื่อยๆต้องขอบคุณพระอาจารย์นะดีขึ้นเรื่อยๆ okay. สาธุคุณชนะดาสมบูปาการนะมาส่งเมนูวันนี้ ส, ส, สรรมสถานค่ะพระอาจารย์ค่ะเมนูพวกนี้คื อ, อสปากเก็ตตี้ผัดขี้เ <สา S 3> มาไ ส, ส้กรอกแล้วก็ผลไม้หนึ่งอย่างค่ะครับ ลายลายทันทีเลยสาธุค่ะพระอาจารย์ทำไมไม่บอกให้เลยบอกว่าทำแบบรยมพิธายพระฉันั้งอย่างอ๋อเอาทุกอย่างเทลงไปเลยล่รอใช่เลยปรุงให้เลยใช่ไหมคะปรุงเร็นแล้วแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดว่าพระสมมุติว่าพระฉันใช่ไหมคะ พระสั่นาที่เหลือญาติโยมจะจะกินได้ไหมคะพระอาจารย์คณะจะไม่มีใครทานเลยทำพานน้อยโยเหลือมีความรู้สึกว่าเพิ่งคุยกับท่านพระอาจารย์ไปเมื่อพุธที่แล้วแล้วพอมาวันเนี well> ้ยม like ีความสุขว่าเร็วมากเหมือนเพิ่งคุยไปเมื่อวานนี้เองค่ะพระอาจารย์ใช่เวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วเร็วมากก็เลยเรียนงานนอนใจที่อะไรท่านที่ต้องทําให้มันเสร็จสั่นกลับคุเวลาจะหมด ค่ะไปรอบนี้ก็เลยว่าจะต้องอดอาหารนะคะพระอาจารย์ก็คิดคิดแบบเนี้ยค่ะพระอาจารย์เพราะไม่รู้ว่าเดี๋ยวถ้าตายเราไม่ได้ทําไม่ได้รู้เดี๋ยวถ้าตายเราไม่ได้รู้ค่ะอืมแล้วตอนนี้นั่งนั่งสมาธิก่อนนอนนะคะพระอาจารย์แล้วก็แบบเออเรากนน็นอนสมาธิใช่ไหมคะปกตินอนสมาธิทุกวันอยู่แล้วก่อนที่จะหลับไปเลยอ่ค่ะพระอาจารย์ทีนี้นาล่าสุดนะคะ คือเป็นอย่างเงี้ยประมาณสองสามครั้งเหมือนกับว่าเราเราไปอยู่ที่อื่นนะคะพระอาจารย์เราบางทีเป็นนอนอยู่ที่อื่นแล้วก็รู้สึกรู้สึกว่าไม่ใช่เรานอนอยู่ที่บ้านอย่างเงี้ยคะ่ะพระอาจารย์เราก็พยายามจะพุทโทพุทโทให้กลับมาพุทโทให้กลับมาซึ่งซึ่งล่าสุดเนี่ยมันหูกว่าจะดึงกลับมานี่คือใช้เวลาแล้วพอกลับมารู้สึกว่าใจมันก็เลยหดหัวะคะ่ะพระอาจารย์มันรู้สึกเออ มันรู้วสติแล้วกำลังน้อยอย่างอย่างหนึ่งให้มันเข้ามาสงบไม่ได้ค่ะมันยังมันยังควยคว้าหาสิ่งต่างๆอยี่แนะนํำขยายพุทโธต่อไปเมื่อมันยังรู้สึกไม่สงบรู้สึกว่าทุกก็ยืนหยัดพุทโธค่ะลอาพุทโธต่อไปนึกสวยทิพิโสต่อไปในบามันจะหายค่ะทํำร้อยไปทำร้อยไปมันกินยาน้อยไปโรคไปยังไม่ยังไม่ไข่ยังไม่หาย มันอใครยังมาหายก็ต้องคอยกินยาวต่อไปอันนี้มันเป็นมันเป็นฝันหรือมันเป็นอะไรอะคะพอาจารย์ก็ความที่ปรงแต่ของจิตมันพิเรนต่ะอืมคื อ, ค, อคือตื่นมากางดึกรู้สึกตอนแรกรู้สึกกลัวกลัวแล้วเอ๊ะเดีเ๋ยวไปเรียกลูกมานอนด้วยดีกว่าแต่มนนึกอีกทีไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวจะต้องไปอยู่บนเขาเจ็ดวันอนะ่ะแล้วเราจะไปเรียกใครมานอนด้วยไม่ได้ใช้พุทโธเนี่ยทําทําพุทโธไปสวดมนต์ไปค่ะ เนี่ยว่าหายเนี่ยความรู้สึกที่ไม่ดีก็จะหายไปค่ะพาาู้อาวุโสแต่อย่าหยุด น, นะสวดไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆอพุทโธไปเรื่อยๆค่ะเป็นการมันจะรู้สึกสบายใจขึ้นเบาเป็นอะค่ะกมาหยุดค่ะถ้าหยุดปป๊บเพีเงเท่านี้จำมาใหม่ก็ต้องสวดใหม่ค่ะ รู้สึกว่าตอนนี้คือมีมีแค่ไอสิ่งเหล่าเนี้ยที่ทําให้เกิดความทุกข์ในใจเพราะว่าสิ่งภายนอกไม่ค่อยแล้วค่ะพาจานสิ่งสิ่งภายนอกที่กระทบน้อยกระทบใจเนี่ยน้อยน้อยลงไปแล้วค่ะพาจานน้อยมากปล่อยวางได้ใจใจมันสิไปในยังทําไม่ได้ใช่ค่ะใช่ค่ะพาจานสิ่งภายในยังบางทีสับสนนะคะพาจาย์ว่าแบบคุณคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะพาจาย์อนมันก็คือทุกข์ประกานะถ้าเราู้วไม่สบายใจก็คือทุกข์ วิธีแก้ก็คือใช้สติใช้อุปโภคไมใช้ปัญญากะนัถ้าใช้ปัญญาเป็นจะใช้ปัญญาค่ะอันนี้จังทุกขังอนัตตาเนี่ยดีที่สุดเลยค่ะพระอาจารย์เอได้กับทุกอย่างเลยอะค่ะทุกอย่างคุกอย่างทุกอย่างเหมอนกันหมดใ ช, ใช่ใช่ค่ะทุกอย่างเลยค่ะพระอาจารย์จริงๆสรรพสิ่งของอะไรได้หมดทุกอย่างเลยสัพเพธมานาตตาสัพเพธมานาตตาค่ะ ได้ค่ะอาจารย์ okay, นะได้ได้ค่ะอาจารย์ <Okay. S 2> ขอบพระคุณค่ะหมอสุทัศอันนี้พาลสาวมาถามด้วยนะในงานจปิดเทอมแล้วิดเทอมแล้วจ้าค่ะจะขึ้นเทไหนต่อพอห้าเจ้าค่ะปอ้ า, อามีอะไรไค่ะไม่มีเจ้าค่ะไม่มีคาถามนะมไม่มีคาถาม อโอเคเดินไปที่ท่านต่อไปเลยนะคําถามเจ้าพระอาจารย์ครับว่ามาไม่มีกาแฟก็แจ็คสัวราที่ถึงพัฒนาครับรายงานมีอะไรไหมไม่มีครับมาฟังธรรมครับฟังแล้วสบายใจครับถ้าพอาทํางานเยอะมันไม่สบายใจฟังธรรมมันเพลินครับโอเคเดินทานต่อไปนะ ได้ไดันทำเวลาก่อนเดี๋ยวไม่ยิ่ยเ ด, ยเด๋ยวเกิดไปอ่านได้ครับน้อม ย, าด า, ยออาดาเลยน้องน้าดาเลยน้องน้าดาเปิดกล้องแต่ไม่มีตัวเดี๋ยวข้ามไปก่อนนะ <c oughs> ไปที่คุณสมชายเลยครับคุณสมชายอย <c oughs> ากเปนซีเรเนีย U.S.A. คุณได้เลย สวัสดีครับท่านอาจารย์ผมก็ได้คำแนะนำจากท่านผมก็ฟังแล้วก็ทำหลายๆอย่างอย่างอย่างโดเน a t i o n ผมก็พยายามทำแล้ว mm hmm. ก็ผมสารภาพว่าอาทิตย์ที่แล้วผมดื่มเบียร์ไปไปหนึ่งั้งครับ mm hmm. ผมพยายามคิดถึงว่าผมจะไม่ผมจะไม่โกหกครับผมก็พยายามน้อยคิด แต่ก็หรือว่าบางครั้งก็นอนไม่ค่อยหลับแล้วก็เอ๊หรือว่าเราไม่ไม่ไม่ได้เมาหรือเปล่าแต่ว่าผมก็ผมก็ไม่ทําครับผมก็ทบทวนอย่างที่ท่านแนะนําครับแล้วก็ผมส่วนมากก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับก็ขอกราบให้อ่าที่ท่านให้ให้ความแนะนํานะฮรโอเคครับกพยายามทําทไป ใหม่ๆก็อาจจะยังทำไม่ได้ร้อยอร์เซ็นต์ก็ทำทำให้มันน้อยลงไปก่อนะแล้วแต่ในชะค่อยๆลดละไปตามกำลังของเราถ้าไปหวังทำมากๆเราทำไม่ได้มันอาจจะท้อก็ได้นะเราวังอยายให้มันท้อแท้นะถ้ามันมากเกินไปจะลำบากเราก็ลดลด ล, ล, ลมันลงมาๆก่อนแล้วค่อยๆเพิ่มทำให้มันมากขึ้นไป ขอให้ท ำ, ท ำ, ก, ทำก็แล้วแต่ทำมากทำน้อยกนะ็แล้วแต่กำลังเราแต่อย่าเริก<ะ>อย่ายหยุดนะทางทางของความดีนี้หยุดไม่ได้ไม่ว่าจะถึงจุดหมายปลายทางครับอา<ม>จานระครับขอบคมกครับ <laughs> คุณเกจิศักดิ์เกจิศักดิ์คุณดงธรรมาสตร์ครับานะอาจารย์ไม่มีคำถามครับอาจารย์อันนี้แล้วใคร<ม>เอ่ย 9002ขาย9008ไม่ได้ตัทาฮะตตาจากฮะญี่ปุ่นนะอ๋อญี่ปุ่นนีครับเมื่อนี้เราเข้ามาว า, ารัาริกษนี่ยครับใช่ค่ะอาจารย์เข้ามาฟังทํา ม, มีคำถามวันนี้คะ<า>มีคำถามไหมเออมีคำถาม เหมือนตอนนี้คือโยมก็เข้ามาศึกษาธรรมะแล้วก็โยมก็มีความต้องการที่อยากให้เหมือนสามีโยมก็เป็นชาวต่างชาตินะคะพระอาจารย์อย่างเมื่อวานที่ฟังภาคภาษาอังกฤษของพระอาจารย์ก็ให้ให้ให้สามีฟังคําถามเพราะว่าตอนนี้คือก็ชวนสามีมานั่งสมาธิด้วยกันนะคะอืมดีถ้าเข้ามาได้ก็ดีค่ะแต่วัา มีคำถามแต่เขาก็ไม่กล้าค่ะเหมือนกับในเว<อ>ลาเร<ๆ>ใหม่ๆเขาก็อาจจะเขินอยู่อย่างไดค่ะใช่ค่ะไปฟังไปเรื่อยๆเขาอาจจะกล้ า, า, ถ, าถามถ้าก็มีคาถามค่ะอาจารย์โยมก็พยายามเปิดธรรมะแล้วก็ให้ลูกให้สามีฟังด้วยค่ะทั้งภาษาไทยทั้งภาษาอังกฤษ<ะ>อยากให้เขาพร้อมนําเข้ามาค่ะในทางดเดียวดีเราทำํำหน้าที่ขแล้วาถูกต้อ ง, นะล ง, งแล้วเราชวนเขาเชิญเขา ส่วนเขจะมาหรือไม่มานี่ยก็เป็นเรื่องของเขาเราไปบังคับเขาไม่ได้นะแต่เรานี้ยเรียกว่าเป็นกิเลสหรือเปล่าครับอาจารย์ถาถ้าไม่ทุกข์ก็ไม่ไม่เป็นกิเลสถ้าทุกข์ก็แสดงว่าเป็นกิเลสอาจารย์ไม่ถ้าอยากเราไม่ทุกข์ก็ไม่เป็นกิเลสถ้าอยากเราทุกข์ก็เป็นกิเลสเห็นแล้วเราอยากเราอยากไปทุกข์หรืออยากให้เขามาแต่ก็ไม่มาก็อยากไปทุกข์กับเขาอยากไปทุกข์ที่เขาไม่มา ยังยิ่งก็ไม่เป็นจริงเลยเพราะว่าบางครั้งเหมือนโยมก็ปฏิบัติแต่ก็ยังก็ยังไม่ถึงขั้นรู้ว่าก็ยังมีความโกรธอะไรอยู่่ะค่ะเพราะว่าในในความที่เราแบบมีครอบครัวใช่ไหมเจ้าคะบางครั้งเอ่อเหมือนอยู่ปฏิบัติแต่อยู่เหมือนลูกก็เหมือนกันค่ะเหมือนทําไมมาำฟังธรรมะยังโกรธอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะโยมบกบอ ก, บอกเขาว่ามันก็เหมือนกับเพิ่งเรียนอนุบาลเนียบอกเขาจ๊า มันก็ต้องใช้เวลาบเข้าไปใช่แต่ว่าโยมก็รู้ตัวเจ้าค่ะว่าโยมก็ก็ยังก็คือยังโกรธแต่เหมือนเราก็ยังลดความลดตรงนั้นลงมาได้เหมือนมันโกรธว<ก><ต>น้อยลงกดน้อยลงกดไม่น่ากดสั้นไม่กดยาวเมื่อก่อนค่ะเนอเออโยมจะน้อมนำคำสั่ ง, ง, งสอนของพระอาจารย์แล้วก็กราบอนุอนุโมทนากับทุกบุญทุกกุศลเจ้าค่ะโอเคสาธุ ไปที่ด้านต่อไปคุณน้อมนราดากลับมาที่คุณน้นราดาอย่ไหนกาับนวัตการครับอยู่ดาบินทาครับอาจารย์ครับมีอะไรไหมครับไม่มีครับมาฟังทำกับพระอาจารย์พยายามเข้ามาทุกทุกวันพุธครับอาจารย์ครับแตได้ประโยชน์นะได้ประโยชน์แล้ว ครับอาจารย์ครับได้ประโยชน์ไหมได้ประโยชน์ไหมสําหรับผมผมมองว่าตัวเองยังเป็นบิชิเนอร์อย่างที่เรียนพระอาจารย์ในทุกๆครั้งครับแล้วก็พยายามคิดว่าพยายามจะน้อมนำตัวเองเข้ามาในทิศทางเนี้ยให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทได้ครับ mm hmm. บางทีก็งานยุ่งมากก็ไม่สามารถเข้ามาได้นะครับอย่างวันเนี้ยสามารถเคลียร์งานเสร็จตั้งแต่ช่วงเย็ยนแล้วก็ตั้ง อ, อกตั้งใจว่าจะเข้ามาฟังครับพระอาจารย์ครับ ก็ได้บารมียามีที่ไหนคํามจำเล่นอย่า น, นะครับโอเคไปที่คุณเ อ, อกกิจการคุณเ อ, อกกิจการพมัสการครับอาจารย์ครับอ่า เ, เข้ามากลาบอาจารย์ครับไม่มีคําถามครับไม่มีนะยังไงทีม้มันมีต่มันมีปฏิยาปฏิค่ะอาจารย์วันนี้ไม่มีคําถามครับ Okay. ในมือที่คุณแก้าตาแก้วหายไปหน้านแก้วกลับนามาตการท้าจารย์เจ้าค่ะสบายดีนะคุณแม่ <c oughs> อ๋อคุณแม่สบายดีเจ้าค่ะแต่แก้วไม่ค่อยสบายเป็นหมอรองกระดูกเสื่อมเจ้าหันนั่งก็ปวดลุกก็ปวดแต่ว่าเพิ่งไปได้ทานยาเพิ่งดีขึ้นมาสองวันเจ้าห่าแล้อยหายหายแล้วเร็วเนี้ <c oughs> <c oughs> นอบพระคุณเจ้าห่า กิเลสมาเร็วมากตั้งหลักไม่ทันเลยเจ้าค่ะตอนโควิดรอบแรกแทบจะไม่มีตังเลยเศรษฐกิจแย่อะไรก็ไม่อยากได้ขอแค่ให้มีข้าวทานก็พอแต่ตอนนี้พอเศรษฐกิจดีอยากได้นโน่นอยากได้นี่อยากเปลี่ยนรถมันมาเร็วมากเลยแบบตอนตอนยังแย่ๆอยู่คิดว่าถ้าฟื้นตัวเมื่อไหร่จะ ตัดทางโลกอย่างงูนอย่างนี้อย่างนั้นแต่พอมีตังขึ้นมาจริงๆกิเลสมันทะลักเข้ามาทุกทางเลยเจ้าค่ะก็ต้องคิดถึงความตายบ้างเลยมันจะได้หายเจ้าค่ะตอนอตอนนี้พอดีช่วงสองวันมานี้ทานยาแก้อักเสบแต่แต่ช่วงที่เป็นแล้วไม่ได้ไปหาหมอเจ้าค่ะรู้สึกว่ายังไม่ทันรวยเลยแค่แค่จะไปนั่งทานกาแฟก็ ก็นั่งไม่ได้แล้วว่าเจ้าหาแบบเขานั่งแล้วว่าจะปวดตรงก้นกบปวดแบบทรมานมากเลยเจ้าค่ะอันนี้ก็อยากให้ร่างกายมันหายครับอออ ต, อตอนนั้นยังไม่ได้เจ้าหาตอนตอนนี้ขอแค่ร่างกายหายชีวิตก็มีความสุขแล้วเพราะว่าออตอนที่ปวดมากๆนั่นคิดว่าโหมีกี่ล้านแต่แค่จะนั่งจิบกาแฟยังนั่งไม่ได้เลย <laughs> หมพิจารณาความความตายความไม่เที่ยงแล้วเราจะมีความรู้สึกว่าตอนนี้เราก็ดีอยู่แล้วนะจะเป็นอยากได้แล้วมากมายนะเจ้าค่ะแต่มันยังมีความกลัวป่วยกลัวกลัวเจ็บอยู่เจ้าค่ะจะพิจารณายังไงดีเจ้าค่ ะ, ะพิจารณาพุทโธเลยทำพุทโธพุทโธเลเจ้าค่ะนลจิตก็จะไม่ เ, เจ็บกับร่างกายถ้าถ้าพุโทโธมันสั้นไปสำหรับแก้วคือ พได้สอิติปิ โ, โสอ <ปะ S 1> ๋อิติป โ, ปปโยาวหน่อยได้ใช่ั้ยเจ้าค่ะแต่ส่วนรายจ่มส่วนเรยจัง ใ, ใจจะสบายอ๋อเจ้าค่ะกลับอ๋อพราะพูเจ้าค่ะมีเท่านี้เหรอคมีเท่านี้ชอ้เพอดีแก้วเป็นโรคแก้ยวแพมเน็ตแต่เจ้าค่ะคือฟังซูมไม่ได้แต่ว่าทุกเช้าตื่นมาจะกดตามเฟซบุ๊กพระอาจารย์ที่พระอาจารย์สอนรายวันนะเจ้าค่ะโอเคได้ แต่ไม่ค่อยได้เข้าซูมเพราะว่าคื่นคืนแล้วแก้วจะปวดหัวมากอะเจ้าค่ะแต่วันนี้อยากอยากกราบอาจารย์มากๆเลยก็เลยอดทนเอาโอเคเจ้าค่ะกราบอาจารย์นะสวัสดีเจ้าค่ะคน C H B H E M อยู่ที่ไหนฮัลโหลได้ยินไหมคะได้ยินนะ<า>เชิญค่ะ กับนัมัสการพระอาจารย์ค่ะหนูอยากสอบถามพระอาจารย์ว่าเออสิ่งที่หนูปฏิบัติอยู่ค่ะถูกต้องหรือเปล่าในในการเจริญสมาธิและเจริญปัญญาเพราะว่าถ้าหนูทําผิดไปทุกวันเนี่ยหนูกลัวมันจะผิดยาวทีนี้ก็เลยอยากจะถามพระอาจารย์ให้ชัวร์ค่ะคือตอนนี้หนูภาวนาพุทโธหายใจเข้าบูรหายใจออกคูไปเรื่อยๆแล้วก็จะพยายามให้จิตนิ่งแล้วก็ทีนี้พอมาเดินทางปัญญาค่ะหนูไม่แน่ใจว่าการเดินทางปัญญาเนี่ยคือ ถูกต้องหรือเปล่าหนูอยากหนูพิม์ไว้อยากอ่านให้พระอาจารย์ฟังแบบเร็วๆนะคะเพราะว่าหนูกลัวว่ามันจะพลาดคือการเดินทางปัญญาเนี่ยตามที่หนูเข้าใจถูกต้องไหมคือหมายถึงว่าเวลาเราถอนจากจากสมาธิพุทโธ ท, ที่นิ่งอยู่แล้วอะค่ะพอเรานิ่งนานมากแล้วเ ร, เรามาเดินปัญญาตรงเนี้ยคือเราเป็นการคิดในใจคิดในใจของเราเองว่าว่าไล่ไล่ทำต่างๆซึ่งการคิดของหนูอะ คิดแบบนี้ที่หนูพิมพ์มา่ะถูกต้องไหมถ้ามันผิดเดี๋ยวพระอาจารย์สามารถทักทวงได้เลยนะคะคือหนูจะพิจารณาอย่างนี้ว่าธรรมะคือความจริงของสิ่งทั้งปวงที่มีลักษณะสองอย่า ง, ค, งคือหนึ่งลักษณะทั่วไปคือทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตามีลักษณะทั่วไปแล้วก็ลักษณะเฉพาะลักษณะทั่วไปคือทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนแปลงเสมอเป็นอนิจจังทุกขังคือเกิดแล้วดับ เกิดแล้วดับเกิดแล้วดับอนาตตาคือไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่สิ่งของไม่มีตัวไม่มีตนควบคุมไม่ได้บังคับบัญชาไม่ได้คงทนอยู่ในสภาพนั้นไม่ได้และลักษณะทั่วไปของธรรมะยังจําแนกได้เป็นลักษณะของกุศลและอกุศลด้วยแล้วก็หลังจากนั้นมาพิจารณาว่าลักษณะเฉพาะของธรรมะคืออะไรเช่นเย็นร้อนอ่อนแข็งตึงไหวเช่นลักษณะของเสียง ก็ ค, คือความดังลักษณะของแสงคือสว่างลักษณะของโต๊ะคือแข็งเป็นต้นแล้วก็จากนั้นพอหนูได้หลักตรงนี้ปุ๊บมันเป็นภาพรวมใหญ่หนูก็มาพิจารณาสติปัฏฐานสี่ตามที่หลวงตามหาบัวสอนคือไล่พิจารณากายเวทนาจิตธรรมกายก็คือหนูหนจะพิจารณาเกศารุมานขา ะ, ะทันตาตะโจแล้วก็พิจารณาว่าสิ่งเนี้คือรวมเป็นธาต รวมเป็นดินน้ำรวมไฟเป็นร่างกายของเราแต่ว่าไม่ใช่ร่างกายขเขาเ ป, เป็นเป็นไม่ตัวเราไม่มีแต่คือหมายถึงว่าออมาประกอบรวมกันก็จะเป็นดินน้ำรวมไฟจากนั้นหนูพิจารณาอสุพะว่าเนี่ยถ้าเราตายลงเรานอนอยู่ศพของเราแต่ละขั้นมันจะเป็นยังไงไปเรื่อยๆจนจนเห็นว่าโอเคพิจารณาในเรื่องของร่างกายว่ามันไม่เที่ยงมันสุกับปลกเส้นผมเราต้องชะล้างอะไรอย่างนี้ยค่ะเสร็จเรื่องกายทีนี้ไล่มาที่เวทนาคือหมายถึงเช่น S Body s เ n s เ t i o n เออมันจะเกิดและดับในสิ่งนั้นสมมติว่าเราเป็นแต่ตะคิวมันมันปวดมันเจ็บแต่เดี๋ยวมันก็จะดับไปอย่างเงี้ยค่ะพิจณาในเรื่องของวิทนาคือทุกๆอย่างไม่ว่าจะเป็นกายวิทนาจิตตรงเนี้ยคือเข้าใจลักหมดเลยคือเข้าลักษณะทั่วไปของธรร ม, มะหมดเลยทีนี้ก็กายวิทนาจิตจิตอะค่ะคือความผ่องใสหนูจะนั่ ง, งนว่าติคือความผ่องสแต่เจตสิกอะคือหมายถึงสิ่งที่มา ก็จิตเราไม่ให้มันถ่องใสคือมันมาปิดบทบังเหมือนเมฆบังแสงสว่างของพระาทิตพระาทิตเอาไว้อันนี้ก็คือจิตแต่ทีนี้อหนูมีอันนี้คือไล่สติวัฐานสีนะคะแล้วก็มาที่ทรทมเนี่ยคือหนูก็จะไล่อริยสตัตรีก็ทุกสมุทัยนิโรธมรรคทุกอะค่ะคือหนูจะไล่ว่าคือการไม่สบายกายไม่สบายใจนั่นเอง แล้วเหตุของทุกข์คือหนูก็จะดูที่อวิชชาคือตอนแรกอะ่ะคือความไม่รู้ อ, อวิชชากิเลสตัณหาแล้วก็อุปาทานอาวิชชาเราไม่รู้ก่อนเราก็ไปทํากรรมมันก็จะเป็นวัตตะสามอท่ที่จะเป็นอวิชชากิเลสตัณหาอุปาทานความไม่รู้การทําให้จิตเศร้าหมองความอยากแล้วก็อุปาทานความยึด ต, ติดความยึดมั่นถูมั่นสีต่ตัวนี้ร้ายการมากส่งให้เราไปทํากรรมให้เราไปทํากรรมโดยที่บางทีอเรา คือไม่รู้ก็ทําไปเลยแต่ถ้ารู้แล้วมีสติรู้แล้วว่าตอนนี้คือเราพลาดกับ4ี่ตัวนี้แต่เราก็อดทนไม่ได้บางทีมันเป็นกิเลสที่รุนแรงแบบมันมันห้ามความอยากไม่ได้ก็ไปทํากรรมพอทำกรรมเสร็จปุ๊บมันมาเป็นผลคือวิบากวิบากกรรมวิบากกรรมตรงนี้พอ ม, มาเป็นผลสมมุติว่าเราทุกข์เราเศร้าเราเครียดเออเราก็ดันไปสตัวนี้ใหม่อีกทีนี้มันวนอยู่สามอย่างนี้นี่คือเหตุของทุกข์ที่ทําให้ไม่สกัดไม่สบายกายหรือไม่สบายใจทุกข์ สมุทยัยแล้วก็นิโรธคือความดับไปของอวิชชากิเลสตันหาอุปาทานโดยใช้สติมาจับแล้วก็ความอดทนไม่ให้ไม่ให้มันไหลไปตามนั้นไม่ให้ไหลไปทํากรรมแล้วก็ทุกสมุทัยนิโรธมักโดยใช้มักมีองแปดมักมีองแปดในที่นี้จะย่นย่อดได้เป็นศีลสมาธิปัญญาหรือถ้าให้ละเอียดก็คือเออเบื้องต้นคือทานศีลภาวนาตรงเนี้ค่ะแล้วก็หนูก็จะพิจารณาว่า มักมีบองแปดอ่ะคือหนูจํายากแต่หนูจะจําว่าเห็นคิดพูดรำดํารงชีพชอบมีสมาธิสติตั้งมั่นถูกต้องคือหมายถึงว่ามันก็จะเตือนได้เร็วว่าโอเคเราอยู่ที่มักมีองแปดไล่อริยสัจสี่เสร็จหนูก็มาพิจารณาอริยทรัพย์คือหมายถึงว่าเนี่ยคือหนูสลับข้อเองว่าเนี่ยเราต้องสั่งสั่งสมอริยทรัพย์ศรัทธาศีนจากขะปัญญาหิริ โอตปะพี่เด็คือความละอายต่อบาปโอตปะคือความเกรงกลัวต่อบาปแล้วก็พาหุสัจะคือหมายถึงการใส่รู้วใส่รเรียนมาฟังพาราอย่างเงี้ยค่ะหรือว่านั่งทําให้มากรรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จากนั้นหนูก็จะพิจารณาว่าสุดท้ายอ่ะอัตคิอัตโนโนาโถตามการเอ่อตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนบนทางสายกลางมาชิมาปฏิปทาคือหนูอ่ะพิจารณาอย่างนี้ไล่มาแล้วก็แล้วก็หนูก็หยุดไปเลยแล้วก็ นิ่งเงียบใหม่เพราะมันเหนื่อยมันเหนื่อยมันใช้เวลาเกือบเป็นเป็นสามสินาทีเพราะว่าพิจารณาละเอียดอะค่ะไม่ได้ดีมากแล้วก็กลับไปที่พูทโธใหม่เงี้ยวนไปมาเท่าที่จะร่างกายจะไหวอันนี้ถูกต้องใช่ไหมคะอาจารย์ถือก็ถูกแต่ว่าแต่ว่าไม่ถูกก็ไม่ถู ก, ถ ก, ถ ก, ถกคือมันเป็นธรรมแต่การปฏิบัติจริงๆที่เราไม่ต้องไปแบกทําไปทัปท้งทั้งถุง่า เราเอาแค่ทําที่เราต้องใช้นั่นเองทําที่เราต้องใช้ก็คือแค่อริยสัจสี่ก็พอ mm hmm. คือดูที่ใจแล้วว่าใจตอนนี้เราทุกข์หรือเปล่าถ้าทุกข์เราก็ต้องคาสาเหตุของความทุกข์ว่ามันเกิดจากอะไรมันก็เกิดจากความอยากของเราเนี่ยอยากสามอย่างอยากในกลามอยากในรืู่ปเสียงกลิ่นรสอยากในร่างรสสารเส้นสนี่เรื่องอย่างในการ huh. เราอยากมีอยากเป็นอยากไม่มีอยากไม่เป็นถ้าเราไม่อยากจะทุกเราต้องรับทําอยางวันนี้ถ้าอยากจะรวยนี้มันถูกหวยมันวันหวยออกก็ไปซื้อหวยพอไม่ถูกก็ทุกก็เสียใจอั<ร>นี่ไปจุดนั้นเลยที่มีจุดที่เรามีปัญหาเลยใช่เอาแค่นั้ น, น, นพอ ถ้าไม่ถ้าไม่มีปัญหาก็พุโทโธไปเรื่อยๆใช่ไหมคะอาจารย์พูดโทเพื่อหยุดความอยากหยุดความคิดผูกติดให้ใจมีอุเบกขามีสมาธิเมื่อที่จะใช้ปัญญามาวิเคราะห์เวลาเกิดควาวช็อตใหม่ขึ้นม า, าหนัวกลัวว่าหนูจะไล่จำแบบนี้แล้วมันจะมีมปัญหาไม่นำเป็นเมนูไปเราไม่ต้องไปจํารายการธรรมะ เ, เรื่องเราแต่ธรรมะที่เราต้องเอามาใช้นั่นเองแล้วมันจะไปแล้วมันก็จะไปทัวร์พันกันเองต่อไป เอโดยที่เราไม่ทํางไปจํามันท่านอาจารย์เป็นฟังของที่หลวงปู่มั่นท่านบอกว่าการเวทนาจิตธรรมเนี่ยมันจะวนกันแล้วไม่มันไม่สามารถแยกแยกมาเป็นข้อได้คือมันจะอมันมันจะยากก็ยากได้แต่เราทําเป็นจริงแล้วมันมันเกี่ยวพันกันไปหมดแต่นอกแต่ว่าตัวไายมันโผล่มาก่อนก็จัดการกับตัวนั้นเช่นร่างกายเร่ร่างกายผมเริ่มหลวหนังหนังเริ่มเหี่ยวใจเริ่มทุกข์กับมันนี้ก็ต้อง พิจารณาร่างกายว่าไม่เที่ยมมันต้องแก่ต้องอย่างนี้ไปเพื่อตัดความอยากอยากสวยอยาก ง, งามของร่างกายอยากให้ร่างกายไม่แก่นี้ไปพยายามเอาสต้าบอกความเป็นจริงของร่างกายใช่ไหมคะงั้ น, ห น, ห, น, ห, น, ห, นหนูนึกไปที่สติปัฏฐานสี่แล้วก็อริยสตีเลยโดยที่ไม่ต้องไวัไล่อะไรม้างใหม่นะครับอาจารย์เพราะเป็นหลักธรรมที่เป็นหลัก ง, ง่ายๆก็คือกายก็มาเป็นตายรักษณ์เป็นทั้งงาก็เป็นไตรลัก จิตก็เป็นตายรักก็ให้รู้แค่นี้เราบอกพระอาจารย์คะล้วก็หนูสงสัยว่าจิตอ่ะค่ะคือหวคือฟังมาไหลแหล่งทีนี้ทีนี้จิต<ผ>มไม่ก็ไม่ไม่ใช่ตัวจิตที่เขาว่าจิตนี่คืออารมณ์ของจิตจิตมีอารมณ์วันนี้วันนี้วันนี้เครียดวันนี้สบายใจวันนี้วิตกกังวลห่วงใยอันนี้เป็นเรื่องของสภาวะจิต ค่ะถ้าตัวจิตที่เป็นตัวผ่องใสจริงๆที่เขาบอกว่าจิตจตแท้ค่ะอันโัน<พ> น, น, นั้นไม่นำไปพิจารณามันไม่เกี่ยวจิตแท้จิตไ<า>ด้ตัวรู้ไม่นำไปทําอะไรพิจารณาอารมณ์ที่อยู่ในตัวรู้นี่ยมันเ ป, นเปนนนลี่ยนไปเปลี่ยนมาแล้วหนูสนใจว่าตัวรู้นี่จะเกิดดับด้วยไหมเพราะว่าเป็นไม่เกิดดับไม่เกิดไม่ดับอืมค่ะอะไรที่เกิดดับคืออะไที่เกิดดับคืออารมณ์ต่างๆ วันนี้เศร้ามองพรุ่นี้เบิกบานเนี่ยมันเปลี่ยนไปเลยเนี่ยอันนี้จังเปลี่ยนไปอันน้าตาห้ามมันไม่ได้ใช่ไหมนะอารมณพอารมณ์ใจเราห้ามมันได้บางบางทีเดี๋ยก็ถอมสายบางทีก็เบิกบานบางทีก็เศร้าหมองแล้วแต่เหตุปัจจัยที่มากระทบกับใจมเราทําให้ใจเปลี่ยนไปค่ะพระอาจารย์คะทำทนี้ข้อสี่นี้ของสติปัฏฐานสี่นี่คือทำอารมณ์ ธรรมมารมหรือว่าหลักธรรมอริยสัจสี่หนูห น, นเข้าใจธรรที่เรามีอยู่ในใจแล้วเนะี่ยที่เราจะมาใช้ในการปฏิบัติว่าเราเรามีเรามีครบหรือรยังเรามีม้าแปดครบหรือยังเรามีศีสมาธิครบหรือยัถ้าไม่ครบเราต้อสร้างมันขึ้นมาเติมมันขึ้นมาให้มันเต็มที่ค่ะคำถามต่อไปนิดนึงค่ะอาจารย์คือที่หนูเห็นครูบาอาจารย์ท่านท่านพูดว่าเออถ้าเราตั้งใจปฏิบัติเจ็ดไม่เกินเจ็ด วันเจ็ดเดือนหรือเจ็ดปีถ้าเกิดว่าอยู่ในสติปัฏฐานสี่เนี้ยองเนี้ยคือหมายถึงว่าเราไม่ไม่หลุดไปจากพุโทโธแล้วไปทํากรรมหรือว่าวเราวไปอุ้มรับผลผลกรรมก็เลยไม่สําเร็จหรือว่าเราเรามีสติอยู่ตลอดเวลากินดื่มทําพูดคิดอย่างนี้ไปเรื่อยเรื่อยมีจงังหวะพุโทโธก็พุโทโธไปคือหมายถึงว่ามันต้องเข้มงวดขนาดไหนถึงจะถึงจะสําเร็จครับก็ปฏิบัติธรรมทั้งวันทั้งคืนเนยไม่ไปยุ่งทำงานต้องได้บวชชีบวชพระ คือหนูเคยได้ยินท่านบอกว่าถ้าเราตั้งใจทําจริงคือที่พระอาจารย์พูดนี่ท่านพูดกับพระไม่ท่านสอนพระในสติปัฏฐานสี่ถ้าปฏิบัติสติปัฏฐานสีตามสติปัฏฐานสีได้ไม่เจ็ดวันก็เจ็ดเดือนไม่เจ็ดเดือนก็เจ็ดปีต้องมาต้องทะคือหมายถึงว่าตรงเนี้ยหนูเคยได้พระอาจารย์บอกบอกท่านอื่นว่า คือถ้าเรามีเวลาคือยี่สิบชั่วโมงเลยแล้วนอนพักแค่สีชั่วโมงแล้วก็แบบจากกลางวันหนึ่งชั่วโมงหนึ่งคือวันหนักขนาดนั้นเลยเหะเข่านพระอจาใช่มันมันไม่หนักกว่าถาปฏิบัติพอจิตมันเริ่มทำมันเริ่มหมุนแล้วมันเริ่มรู้สึกสนุกกับการปฏิบัติโ อ, อมบันเทิงคือหมายถึงว่าเราเร า, เาไอ้ยี่สิบชั่วโมงเนี่ยคือทุกวันติดต่อกันหรื อ, อ, อว่า<ส>วัานนะทุกวันก็เว้นตอนที่นอนหลับสี่ชั่วโมงกนละางวันพักหนึ่งชั่วโมง ดังนั้นตื่นข้นมาก็ตั้งสติก่อนนะพอพอตืงขึ้นมาปั๊บก็ตั้งสติเลยไม่พุทธเถ้าวว่าอยหรือว่าร่างกายกำลังทําอะไรไม่ให้ไปคิดถึงอดีตไม่คิดถึงอนาคตให้อยู่ในปัจจุบันถ้าเราคิดนี้เราเราคิดถึงอดีตอนาคตนี้หยุดหยุดเลยไหมอายุความเริ่มนับต่อถึงหมายถึงว่าหยุดหยุดไว้ตรงนี้แล้วก็เริ่มใหม่หรือว่าให้มันรูเฉเฉยอให้มันคิดเพราะเวลาทําสมาธิต้องหยุดคิดมันถึงจะเข้าสมาธิได้ ที่เราก้องเข้าสมาธิว่เาเราต้องการอุบเอขาจากสมาธิเพราะราไม่มีออเอคาเราจะไม่มีกำลังหยุดคีเดตค่ะคือเราดูกันเป็นรายครั้งว่าครั้งนี้คือนิ่งนิ่งไม่มีอะไรมาก่อกวนจิตเลยดูกันเป็นหลายครั้งมันจะไม่ต่อกันใช่ไหมคะอาจารย์นั่งของเมื่อวานที่เต็มที่มามันจะต่อขอ <นะ S 2> งวันนี้ครับถ้าไปฏิบัติบ่อยๆไม่มันก็จะต่ออืมค่ะออมาต้ามันก็จะอยู่ได้ความมันจะหมดแล้วก็กลับเข้าไปใหม่พยายามต่อมันจะให้มันหาย ให้มันดิงตลอดเวลาพาจารย์คะถ้าถ้าเจ็ดปีนี้เรามีงานแทรกเข้าไปเราทํางานไปบ้างแทรกเข้าไปอย่างนี้มันก็ถัดไปจากเด็ดเป็นแปดเก้าสิบใช่ไหมคะใชม่มันก็มันก็ดึงเวลายืดออกไปเพราะมันเราไม่ได้ทํางานแล้วการที่จะหยุดความคิดก็เอาความคิดมาใช้การที่จะหยุดกิเลสแล้วเราไปทํางานให้กับกิเลสค่ะแล้วยิ่งเข้าไปทํากรรมแล้วต้องรับผลกันก็นยิ่งจะยืดเวลาออกไปอีกใช่ไหมคะอาจารย์ อันนั้นก็มันก็ใช่ถ้าเราไปทำทำอะไรมันก็ทําให้เราไม่ไม่ได้มาปฏิบัติทำมไม่ปฏิบัติทำเวลามันก็มันก็ต้องมันก็ต้องใช้เวลามากขึ้นไปอาจารย์คะที่หลวงตาหมาหัวบอกว่าเทออ่านนับปฏิบัติที่หลังวัดโดยทําไมจีดีเก้าปีอย่างนี้ยค่ะคือนั่นหมายถึงว่านั บ, บ ต, นนตั้งแตน่นตั้งแต่ตอนที่ท่านเริ่มออกออกออกไปอยู่กับหลวงปู่มา่ วันนั้นท่า น, านเรียนบาลีเรียนภาังเศอยู่หกปีได้ไ ก, <ะ>ไไก่นค่ะลจากนั้นท่านไม่ได้นับนตั้งแต่วันที่ท่านเริ่มปฏิบัติอ๋อวันที่เริ่มปฏิบัติตั้งแต่วันเริ่มจนถึงวันบ ร, บรรลุธรรมคือเก้าปีคเก้าปีปไปอยู่ก<อ>ับหลวงปู่มั่นนับตั้งแต่วันแรกที่ไปอยู่กับหลวงปู่มั่นค่ะครับได้ไม่ได้เข้ามหาลัยเวลาไปอยู่กับหลวงปู่มั่นก็เข้ามหาลัย ก็อย่างครั้งคำสั่สุดท้ายว่าหนูอ่ะอยากทราบว่าพระอาจารย์ใช้เวลาตั้งแต่เริ่มปฏิบัติเหมือนหลวงตามหาวัวจนกว่าจะพอใจเรียบร้อยอะค่ะนานนานแค่ไหนคะนานไม่นานเลยนานไม่นานไม่สามารถขาให้มันถึงเท่านั้นค่ะอ๋อคือคือกว่าจะถึงนี่คือจากเอาไม่จําเป็นจะต้องรู้หรอกนะถามดูเราเองอีกว่าเราจะใช่ไหยคะอันนี้อันนี้เป็นคําถามเอ่อถามถามถามได้จะตอบไม่ได้เนี่ ไม่เป็นไรเพราะว่าหนูอ่ะหนูศึกษาบทพิจารณาว่าพิจารย์เรียนเมืองนอกนะ้ะเป็นวิศวะนะแล้วก็แบบว่าเริ่ม28ปีคือหนูอ่ะได้มีโอกาสไล่ทาลายแล้วแบบสงสัยอันนี้เลยสาราของหนูเอง <c oughs> แต่ว่าก็ <c oughs> ก็แบบเป็นเป็นบุญมากที่ที่หนูได้มีโอกาส <c oughs> ได้มาถามพิจารย์ค่ณอหนูก็ใกล้แล้วเนี่ยถ้าถ้าหนูไม่เป็นทนายทายทํางานอย่างอื่นถ้าทนายเออเป็นทนายความถ้าทนา ถ้ายังหนูเป็นทนาความอยู่หนูหนูก็จะไม่มีเวลามาปฏิบัติอย่างอย่างต่อเนี่ยมันก็จะทําให้ลาช้าลงเพราะเวลาที่เราไม่ปฏิบัติเวลานั้นกิเลสมันก็มันก็เหมือนกับจวนผู้ร้ายที่ไม่มีตํารวจมาคอยเข้ามาคอยจับหนูพยายามครัอาจารย์คือพยายามหาท่องทางดิ้นดิ้นทุกอย่างแล้วแต่ว่าคือด้วยภารนะคือหมายถึงว่าหนูขออนุญาตพ่อแม่ก็ก็ก แม่อยากมากแต่พ่อก็โอเคแต่ว่าแต่ก็ไม่ค่อยเห็นด้วยที่ว้านไม่เคยด้วยแต่ว่าหนูก็หนูก็ไม่ได้ไม่ได้แคร์มากแต่คือที่มันมีปัญหาก็คือแบบเหมือนทุนที่เราส่งที่ท่านส่งเราเรียนอย่างเงี้ยหนูก็ต้องรับผิดชอบเองอะค่ะอาจารย์คือมันเป็นกรรมของเราเป็นภาระหน้าที่ที่เราต้องมันมันก็ยังมีภาระก็ต้องทํำภาระให้มันหมดไปก่ใช่ค่ะแต่ก็พยายามสังสงให้ได้มากที่สุดค่ะอาจารย์มาต้องพยายามสะสมสติปัญญาสองตัวนี้ให้มากที่สุด โอเคหนูหมดคำถามค่ะอาจารย์ขอบคุณมากนะคะอยู่ที่ไหนอยู่ภาคใต้เะรีนครราชสีมาใช่ใช่ใอยู่ภาคใต้อยู่นครศรีธรรมราชค่ะสครศรีธรรมนเข้ามาข้างหน้ใช่ไหมหนูเข้ามาข้างหน้าสองอาจารย์จําได้ไหมที่หนูถามว่าผู้ว่าศาสตร์ต่งสินประหารชีวิราบ้างไหมโอเคค่ะอาจารย์ขอบคุณมากๆนะคะที่เมิตาค่ะก็พยายามนะพยายามนึงตูวเราให้เข้าทำทำให้มงมากทางโลกก็ทําทที่จะเป็นก็แล้วกันนะ ค่ะจะเอาท่าที่จาเป็นค่ะอาจารย์ขอบคุณมากๆานะคะโอเคสวัสดีค่ะคุณทิตาจันทร์สุเชญอยู่ที่ไหนคุณทิตาเป็นไหมหเป็นยู่ดวงซ้ายด้านดวงซ้ายนะถามนวัสกันค่ะอาจารย์หนูอยู่ที่ประเทศฮังการีค่ะที่ไหนเนี่ยฮังการีค่ะฮังการีเป็นภาแค่ใช่ค่ะ พอดีหนูมีคำถามค่ะว่าทำยังไงให้เราเป็นคนที่เด็ดเดี่ยวแล้วก็รักษาสัจจะค่ะเาต้องเราต้อ ง, ต, องต้องพยายามเ ป, ป้าหมายหน้าคต้องตัง้งเปาว่าต่อไปที่เราต้องเป็นคนเด็ดเดี่ยวต้องมีสัจจะวิธีที่จะทําให้เราเด็ดเดี่ยวมีสัจจะก็คือเราต้องมีสติพยายามฝึกสติบริกรรมพุโทโธพุโทโธไปเรื่อย ถ้าเรามีสติแล้วเวลาใจเราวอกแวกเราก็ทําให้มันถายวอกแวกได้พยายามฝึกสติให้มากๆคุยกันเรื่อยๆอย่าปล่อยให้ใจคิดเรื่อยเอาบังบังคับใจให้คิดไปในทางที่เราสั่งมันได้ทำนั้นมีสัจจะทำให้มันมีตามเด็ดเดี่ยวมันก็จะทำตามที่เราสั่งได้ถ้าเรามีสติถ้าเราไม่มีสติมันก็สั่งมันไม่ได้ แล้วอย่างหนูฝึกมาคือฝึกชอบดูลมหายใจค่ะพระอาจารย์อย่างนี้ได้ไหมคะหรือว่าควรที่จะเป็นพุโทโธถ้าลมหายใจนี่เอาตามที่นั่งได้แต่ถ้าเราไม่นั่งนี่ถ้าถ้าจะดูน่่งกายก็ได้ฝ่าอข้าดูว่าเราออกทางอะไระหรือว่าใช้พุโทโธก็ได้ค่ะคือเป้าหมายก็คือควบคุมความคิดให้ได้ปล่อยให้มันคิดค ท่านจะคิดก็ให้มันคิดแต่เรื่องที่จาเป็นต้องคิดเท่านี้ <Adjust. S 1> เรื่อง ท, ที่เรื่องที่ไม่จำเป็นต้องคิดก็อย่าให้มันคิดให้มันอยู่กับการงานที่เรากาลังเคลื่อนไหวอยู่นา่งการกาลังอาบน้ำน้างหน้าไปท่อนใกล้มันอยู่กับางา น, นอย่าให้มันไปคิดเรื่องอะไรอย่างนี้แล้วต่อไปเราจะมีสติเราจะมีกำลังมากเราสามารถสั่งให้มันทำาหนไดอ้อย่างเด็ดขาดเด็ดเดียว แล้วหนูสามารถใช้บทสวดมนต์เป็นคํวารีกรรมภาวนาไดไ้ได้ได้ไถ้ายาวมากนี่ก็ได้เหมือนกันได้ได้ค่ะได้ไมันก็ช่วยได้ค่ะเอ้วหนูมีคําถามในคําถามหนึ่งค่ะพอดีว่าหนูเรียนจตวแพทย์อยู่ค่ะแล้วมีบางทีที่ต้องทําแ a บหรือว่างานที่ต้องเบียดเบียนหรือไม่ก็ฆ่าสาัตว์อย่างเงี้ยคะ่ะหนวที่จะทจําใจยังไงดีคะก็ถ้าเราต้องการ แล้วมันอันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องทำมันก็ถ้าเราไม่มีทางเลือก<ฆ>ใช่ไหมถ้าหนูอยากจะเป็นสัตวแพทย์แล้วหนูต้องเรียนวิชาที่ต้องมีการเรียนเบียนสัตว์อือนเพื่องการศึกษาหนูก็ต้องยอมแล้วว่าเป็นการนะครับที่หนูจะต้องรับผิดต่อไป<ฆ>มีมีมีวิธีนึงที่จะบรรเทามรือทำให้ ไ อ, ไ, อ ไ, อไอ้การที่เราทําอันนี้ยังไม่มีกําลังก็คือเราไปปล่อยเราไปปล่อยสัตว์อื่นแทนแทนก็นได้ปล่อยนอกปล่อยปลาอะไรป่อยบ้างทำเหมือนปล่อยนอกปล่อยปลาไปเราทำร้านชีวิตหนึ่งแล้วเราไปปล่อยชีวิตสิบชีวิตยี่สิบชีวิตมันก็อาจจะช่วยมันไม่ได้ลบล้างบาปที่เราทําแต่มันอย่างน้อมันทําให้ต้านต้านผลบาปที่จะเกิดขึ้นให้มันเกิดช้าขึ้นก็ได้ แล้วอ่ออีกคําถามหนึ่งค่ะคือหนูอยากทราบว่าอะไรที่ทําให้คนมีปัญญาลึลกๆมากๆอย่างภาษาดิบุตรอย่างนี้เป็นต้นนะคะเออต้อ ง, ต, องต้องมีความใฝ่รู้เยสนใจศึกษาอยากจะรู้ น, นั่นนู้นนี้หรือว่าอันนี้เกิดขึ้นได้เพราะอะไรอันนี้เป็นมายอย่างไรอะไรอย่างเนี้ยต้องมีความรู้สึกภาษาฝรั่ก็คือ curiosity ค <c oughs> ่ะใช่เราเปความอยากรู้อย่ากเห็นแล้วอยากรู้ว่าเห็นมนจะได้ คนคว้าหาความรู้ที่เพื่อจะได้ตอบความความความอยากรู้ของเรานก้ค kind of ่ะขอบพระคุณครับอาจารย์ส่วนอีกส่วนนึ่งกให้อยู่ว่าคนที่มีความรู้คนชาตสอนให้ครอบันดิต้่งไปครอบคนพาคนพานี่ก็คือคนไม่มีความรู้คนโง่บันดิตก็ให้ครอบคนชราคนชราที่สุดก็คือพระพุทธธรรมประสงค์ค่ะขอบพระคุณครัอาจารย์ เราเราใรู้อยาก ร, รู้เรื่องพระพุทธเจ้าเงี้ยจะได้ไปศึกษาประวัติของพระพุทธเจ้านะ<ฆ>เราก็จะเกิดปัญญาขึ้นมาค่ะหนูขออีกคำถามหนึ่งนะคะ<ฆ>คือ<ฆ>หนูหนูไม่ค่อยรู้ว่าแบบอย่างเพราะว่าหนูอยู่ต่างประเทศค่อนข้า ง, งนานแล้วหนูไม่ทราบว่าถ้าอยากอ่านพระไตรปิฎกอย่างเงี้ยคะ่ะต้องไปหาอ่านที่ไหนได้บ้างหรอคะในอินเทอร์เน็ตเนี่ยใช่คําว่า t ี่ปิดอากาศ T R I ถ้าเป็นภาษาอะไรครับพระไตรปิฎกเนี่ยค่ะมีเขียนไว้หมดเลยใช่ไหมหมดใช่แล้วถ้าอยากจะดูแบบยอ่อก็าเขามีแบบฉบับประชาชนวงเล็กๆพระไตรปิฎกเขาเขาจะย่อถ้าถ้าเป็นแบบแบบเต็มนี่มันอ่านมันอ่านยาวเปิดไปไม่จําบต้องได้ที่นี่ค่ะเรามองค้นหนาพระไตรปิฎกฉบับประชาชนค่ะขอบพระคุณทุกท่าน เชิญคุณสุภการจากดัลลัสเท็กซัสต่กลับนมัส ก, การพระอาจารย์เจ้าค่ะบมีอะไรไหมเฮ้ยยินมีเจ้าค่ะคุณพ่อฝากคําถามมาเจ้าค่ะเชิญคุณพ่อฝากมาว่าขอนมัส ก, การถามพระอาจารย์ดังนี้เจโตปริยญาณเป็นญาณขั้นไหนแปลว่าอะไรเจ้าค่ะ อันนี้ถามผิดคนแล้วเราก็ไม่รู้เหมือนกันบาลงบาลีนี่นั่งขอไปถ้าต้องต้องทำกูเกิลดูจิกนแสตท์กูนนเกิลต้องทำนี่อย่างนว่ายังไี้ะจ ะ, จ ะ, จะกับตอบเองเจ้าค่ะนะคะกขอบคุนเจ้าค่ะเราก็ได้เรียนภาษาบาลีลมาไม่สามารถที่จะตอบได้เจ้าค่ะแล้วค่ะ ส่วนของลูกวันนี้ลูกไม่มีคําถามเจ้าค่ะลูกขอร่วมฟังเจ้ า, า <Okay. Yeah. S 1> ค่ะกราฟของก็คือเจ้าค่ะสาธุเชิญคุณพระเมื่อไหร่สาธุเมื okay. Okay. ่อะ ไ, ไร่สีนชาค่ะพิธีมรดกจะค่ะมีที่ที่เราได้พูดกันถึงเรื่องอาหารนะคะพระพอาจัารย์หนูเคยทำแล้วก็คือกับข้าวมาบ่มรวมๆกันแล้วพระอาจารย์เาบอกว่าเอาลองเอาของหวานมามามาคลุกด้วยกันหนูก็ เอาขานมขนมปังเค้กขนมปังมาคลุกคุกคลุ ก, ร, กรวมกันพอทานไปแล้วอะค่ะเราก็เลยรู้ว่าอ๋ออันนี้ลดหวานทานกับข้าวแล้วไม่อร่อยอันนี้ข้าวคุกกับฟัดทานแล้วกินได้มีประโยชน์อันนี้อันนี้ก็คือเป็นเรื่องของการพิจารณาอาหารที่เป็นประโยชน์ได้ใช่ไหมเจ้าค่ะไม่ใช่หรอกอันนี้ประโยชน์ทางลิ้นมากกว่าโอ้ประโยชน์ทางร่างกายเรื่องนี้ว่ามันทำให้เราสุขภาพแข็งแรงนั่งไม่ แล้วก็คือกินเพื่อให้เพื่อใ ห, ให้รู้ว่ากินเพื่อกินแค่กินยาฮะเอาสารอาหารเข้าไปเพื่อรักษา ร, ร่างกายให้แข็งแรงแต่เราศึกษาถามทางโภชนาการทางแพทย์ทางโภชนาการหรือว่ากินอาหารชนิดไหนทําให้ร่างกายแข็งแรงอาาชนิดไหนควรไม่ควรกินของมันมันเค็เค็มมันหวานนี่เขาเป็นตัวที่จะมาทําให้เกิดโรคภัยต่างๆได้มากเกินไป หากินพวกผักพวกผลไม้พวกอะไรพรงนี้ไม่ไม่มีคลิปีนตัวใดถ้าเราเป็นคนกินง่ายๆอย่ะค่ะเช่นคลุกข้าวกินแล้วก็จบแล้วของบางอย่างเรากินไม่เป็นหรือว่าเรากินก็ได้ก็ได้ ถ, ไถ้ากินกินเพื่อดับความหิวเพื่ออะไรก็กินข้าวเปล่าๆพุ่งลำ ป, ปาก็ได้ <S <S แต่ที่นี้นมันจะ <S <S 2> <S 2> มันจะมีสารอาหารพอที่จะไม่นั่งกายแข็งแรงหรือไม่ก็ต้องก็ต้องพูจันทร์ ตอนเเด็กเคยทำไหวรือมีกับข้าวแต่ว่าขอแม่แค่น้ำข้าวคุกน้ำปลาแล้วก็ถึกินได้เลยก็ควรจะเชื่อทางโภชนาการเขาให้ครบอาหารให้ครบสี่สี่หมู่สีกลุ่มโปรตีนไขมันวิตามินหน้าท่าอะไรต่างๆนคมค่ะไค่ะมีลูกสาวจะกลับเรียนด้วยจะสวัสดีค่ะอาจารย์ เอเอว่ามอ๋อต่ไ่าค่ะแต่ว่ามารายงานครั้งที่แล้วอาทิตย์ที่แล้วหนูเคยขอพอรให้พระอาจารย์ให้พรให้หนูสอบผ่านพระอาจารย์บอกว่าไปอ่านหนังสือซะนะหนูก็เลยแบบใช่มันก็ต้องอ่านหนังสืออะไรเงี้ยไม่มีอะไรที่ทำให้เราสอบผ่านได้นอกจากเราตั้งใจแล้วก็มีสมาธินในการ อ, ารอ่านอะไรเงี้ยแล้วก็เดี๋ยวสอบผ่านเรียบร้อยแล้วจา ก, จากหลังจากพระอาจารย์บอกให้อ่านหนังสือหนูก็แบบอา่านหนักมาก ก็ขอบคุณค่ะที่คอยเตือนสติค่ะอแล้วสอบผ่านแล้วหรือค่ะสอบผ่านแล้วค่ะยังไม่นมันต้องอยู่ที่ความพยายามความพยายามนี้ไหนครับสาเร็จไหท่นั้นไม่ได้อยู่ที่การขอคนนั้นขอวันนี้นะข่บคุณค่ะโอเคอะสาธุคุณสมิงค์ทอนหายหน้าแบปที่ไหนกลับมาสักการณ์เจ้าค่ะ โยมโยมหายไปก็ยังไปปฏิบัติอยู่นะคะพระอาจารย์วันนี้พระอาจารย์เจ้าค่ะพระอาจารย์เคยเหมือนกับว่าเวลาที่เราปฏิบัติแล้วคือเวลาจะมักมีคําถามถามพระอาจารย์มันก็จะมันรวลงอยู่กับคําว่าสติที่ยังมีสติไม่ไม่เพียงพอแล้วก็อุเบกขาอย่างไม่นิ่งพอใช่ส่วนญ น, นี้ไม่ลงงั้นปัญหาของเราปัจจุบันถึงถึงเดือนตุนี้ เวลาที่ยอมจะถามคำถามอะไรยอมก็คิดแล้วคิดอีกคิดไปคิดมาก็คือสติไม่เต็มที่อุเบกขายัางพร้อมมันก็จึงเกิดปัญหาต่างๆไม่ว่าจะเป็นความหงุดหงิดฟุ้งซ่านลำคาญใจที่เราไม่ควบคุมอารมณ์หรือแม้กระทั่งเรามองคนอื่นว่าทำไมคนอื่นเขาเป็นอย่างนั้นอย่างนี้สุดท้ายมันก็กลับมาอยู่ที่คำว่าเราไม่มีอุเบกขา วันนี้เนี่ยพระอาจารย์เจ้าขาเวลาที่เราที่โยมนั่งแล้วโยมสังเกตว่าเวลาที่โยมไม่ได้นั่งไม่ได้เดินจงกรมก่อนนั่งสมาธิโยมเหมือนสติไม่ไม่อยู่กับเนื้อกับตัวแล้วเวลาเราลงไปนั่งสมาธิเลยเนี่ยเหมือนมันอาจจะวูบลงไปอะคะ่ะแล้วพอหลอนออกมาหรือว่าหรือว่าตื่นขึ้นมาเนี่ยมันมีอาการเหมือนแขนตึงแขนล้าหรือเส้นยึดอะไรอย่างเงี้ยค่ะ โยมก็ลยอยากจะทราบว่าอย่างนี้มันมันมีอาการไหมคะพระอาจารย์ว่าเราจะนั่งนั่งปฏิบัติแล้วมันมีโอกาสที่เหมือนคำว่าเราเรานั่งลงไปแล้วมันทําให้ร่างกายเราผิดปกติอย่างนี้คะ่ะด้วยส่วนใหญ่ไม่เป็นครับถ้าเป็นนเป็เปก็เป็นชั่วชั่วระยะสั้นๆเวลาเวล า, เ, วลาเริ่มางทีอาจจะแขนคขาจาตึงจะชาบ้างอะนิดหนึ่งถ้าระยะหนึ่งไม่ถึงกี่นาทีมันก็จะหายไป ก็จะหายไปใช่ไหมคะมัเพราะโยงกลัวว่ามันไม่มีหักระยะยาวค่ะโยงกลัวเป็นเพราะว่าเออเราขาดสติในตอนนั้นหรือเปล่าหรือเราอาจจะนั่งนานไปหน่อยมีด้วยอันนี้เกี่ยวไม่เกี่ยวค่ะเนื่องจากว่าถ้านั่งเป็นปีๆอย่างเงี้ยมีภาพลูกหนึ่งที่ว่าเนี่ยท่านนั่งแล้วขอพับอันนี้ท่านขอเขาหน้าพับถึงตั้งตั้งตั้งไม่ได้แล้วอย่างนี้ท่านต้อง เราต้องแก้ไงอะคะก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นนะคะกัมมานุก็อยากไปให้บรรทัพสิทำอาจารย์ไม่ได้กัมมา้อาจว่าไม่มีสติมันนั่งหลับกันแต่่ที่มันเป็นนั่งสมาธิมันจะมีสองแบบอะคะ่ะพระอาจารย์ถ้าวันไหนที่ โ, โ, ย, มโยมเดินจงกรมก่อนเรารู้สึกว่าสติมันมีอยู่ในสมาธิ <c oughs> อันนี้เราก็ตัวตลอดเวลาแต่ถึงในระดับที่รู้ตัวเราก็จะไม่เจ็บไม่ไม่เจ็บจนกระทั่งถอนออกมาอันนั้นก็ไม่แต่ในขณะเดียวกัน ถ้าเราไม่มีสติเราก็ไม่รู้ตัวอยู่ดีเพราะว่าเราอาจจะวูบไปค่ะว่าจะเราหลับนั่งหลับไปนั่งนั่งหลับแล้วคอเขาพับออ๋อคือแล้วนั่งบ่อยๆแล้วเรานั่งเป็นติดเป็นที่ใส่เป็นเดือนๆเป็นปีๆต่อไปมันก็มันก็จะพับอยู่ค่ะทำอะไรไม่ขึ้นแต่มันใช้เวลาสะสมไม่ใช่แป๊บปุ๊บปันปับอืนนี้อมค่ะค่ะผู้จารย์ถ้างั้นโยมก็จะได้ตั้งต้องตั้งใจกว่านี้เพราะว่าเหมือนกับ ต้องรองอาทิตย์หนึ่งกลับมาเจอพระอาจารย์แล้วก็ต้องมาบอกตัวเองว่าอย่าลืมสติสติสติสตมันมันเห็นพระอาจารย์ก็จะเป็นตัว ต, ต้อง ข, ขยันวิเคราะดูตัวอยา่อยางเวลาเมื่อไรเปลี่ยนตามแล้ววิเคราะได้ว่ามันเกิดจากอะ ไ, ไรนั่นค่ะค่ะวันนี้โยมก็ไม่มีอะไรแล้วค่ะมีคําถามเท่านี้ค่ะพระอาจารย์กันมาสักการเจ้าพุทธจิตไม่รู้จะเข้ามาอะไรอย่างนี้เดี๋ยวโยมไปตามให้ค่ะพระอาจารย์ไม่ต้องไม่ต้องไม้องเข้ามาทำงานอยู่ ค่ <telef akte> <Car, S 2> ะอาจารย์ไปที่คุณตายต่อคุณตายจากนาเกล้อพัทยาน้องกราบคุณนรัศกานครครับอาจารย์เข้ามาร่วมฟังค่ะอาจารย์ก็ได้ความรู้เหมือนกันค่ะเข้ามานานหร้อยังได้คุณเข้ามาอ๋อก็เพิ่งทํางานในโกดังเพิ่งเสร็จค่ะช่วงนี้ก็ยังดีค่ะโอเคทำกับลูกน้องใกล้ใกล้จะเปิดร้านใหม่ว่าจะ พจะไปขอไม่ต้องขอหรอทำเองมาเถิดอยู่ที่เราพยันนะถ้ายันมันก็ดีถ้าขี้เกียจมันก็ไม่ดีแต่มันทำขยายไปเรื่อยๆแล้วมันก็เหนื่อยรู้สึกเหนื่อยมากเลยค่ะพอาจารย์ตอนนอี้ก็อยู่ที่เราแหละว่าเราเร า, เราจะหยุดไม่หยุดมันจะขยายม่ขยาย แ ต, แต่ถ้าเราไม่ได้เป็นเราอยู่กับคนอื่นนะเขาอยากจะขยายแล้วก็ข้ามเขาไม่ได้นะเขาไปเข้าไปค่ะพระอาจารย์ค่ะวันนี้มาร่วมฟังเฉยๆค่ะพระอาจารย์โอเคครับทูนธ <Okay. S 1> น, น, นชัยเฉยธนาชัยศาสตราหนัสการครับพระอาจารย์อันนี้ก็มาสัปดาห์ที่น่าจะที่เจ็ดแล้วครับ mm hmm. ก็ได้สอบถามท่านพระอาจารย์ไปก็ได้ความรู้นําไปปฏิบัติ หลายข้อนะครับวันนี้จะจะมีคำถามถามเรื่องพระโสดาบันนะครับพอดีเห็นท่านพระอาจารย์โพสมีคนโพสในเฟ e บุ๊กที่ว่าจะมาเกิดอีกเ็ดชาตินะครับตอนี้ในเก็ดชาติเนี่ยผมอยากทราบว่าสมมติเขาตัวเขาเองเหมือนคนที่เป็นโสดาบันเนี่ยเวลาท่านเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยแล้วกลับมาเกิดใหม่อย่างเงี้ย <_ an> เขาจะอัตโนมัติเลยใช่ไหมครับที่จะรู้ว่าตัวเองเนี่ยจะต้องมาปฏิบัติต่อครับสาธุครับ <_ an> ใช่เขาเมือกับทางานค้างไม่จบเหมือนกับว่าเรายา้ายโรงเรียเราเรียนอยู่ที่โรงเรียนนี้แล้วเนี่ย้ายบ้านไปอีกจังหวัดเนึ่แล้วก็ไปพอไปถึงแล้วก็ไปหาโรงเรียนใหเรียนต่ออันนี้ก็เหมือนกันถ้าเราพิจารณาทําข้อไหนอ ย, อยู่แเรวก็จะทำต่อไปสำหรับท่านสุท <_ an> หลังจากสวดดาว น, นี้ทำที่เรื่องต้องพิจารณาขั้นต่อไปก็คือเราสุภาพนี่สาธุครับรแล้วก็จะมีอีกอันหนึ่งที่เรื่องของเจ้ากรรมในเวรเราจะไม่หลุดพ้นก็คือคื อ, คอที่อ่านที่พระอาจารย์มีท่านโพสต์ในเฟซบุ๊กนะครับก็พูดง่ายว่าเข้าสู่กระแสธรรมแล้วจะไม่ตกไปสู่แบบอบายาภูมิอแล้วครนี้ แต่เจ้ากรรมในเวนก็ยังคงอยู่เห ม, มือนพระเทวนทัตที ise, ่เข้ามาเอ็นผู้เวนแบบพระพุทธเจ้าครับไอตรงเจ้ากรรมในเวนนี่มันจะมีวิธีแก้อย่างไรไหมครับหรือว่ามันแก้ได้เลยครับแก้ด้วยใจใจล้วไม่ไปวุ่นวายหมันไม่เดือดร้อนเรายอมราบว่าร่างกายไม่ชากันเลยก็ต้องเจ็บทั้งตายถ้าเจ็บจะตายแบบนั้นก็เหมือนกัน แต่เจ็บตายเพราะเจ้ากรรมนายเวรไม่ไหมครับเหมือนกันบสาไม่มีเจ้ากรรมนายเวรมันก็เจ็บตายเหมือนกันมีเจ้ากรรมนายเวรมันก็เจ็บตายเหมือนกันมีวิธีเดียวก็คือไม่ต้อมาเกิดจี่มัก็ทับชาตินี้มันชาติสุดท้ายไปใช้ใช้ใช้นี้ใช้กรรมเครั้งสุดท้ายแล้วต่อไปเราก็จะไม่มาเกิดอีกต่อไปจับสาธุจับ จะถามอีกข้อนะครับคดีที่ที่เคยไปอ่านจะมีพระอรหันต์ประเภทต่างๆครับหลวงพ่ออาจารย์สุขวิปัสสโกอะไรชลปินโยเตวิโชสัมปติสันพิทายานครนี้ผมจะสอบถามว่าสมมติเราไม่สนใจอะไรเลยที่จะเห็นฤทธเดชไอ้พวกอภินยาก็คือพิณาอย่างเดียวแล้วก็ยุ่ได้สุดแล้วก็ยุ่ได้แบบธรรมดาเอรหันต์นี่แบบ มีแบบพรีเมียมสุเริมอะไรเงี้ยหลายระดับหลถ้าเป็นดาวว่าดาวหนึ่งดาวสองดาวสามถ้าเป็นแบบพื้นๆก็เป็นสิ้นกิเลสอย่างเดียวพิาจารณาตายรักตัดกิเลสได้ก็เป็นท่า น, นแบบธรรมดาที่บางท่านนี่ ถ, นถ้าอาจจะมีความสามารถพิเศษที่เคยฝึกฝนมา ก, ก่อนในชาติก่อนแล้ว ม, มันมาออกดอกออกผลในชาตินี้เช่นระลึกชาติได้ก็ครับสาธุครับบางคนก็ มีความสามารถในเรื่องอคิญยามีตาที่หูทิพอันนี้มันก็เันเขาแถมติดมากั บ, กบจิตของท่านมันไม่สำคัญ้พวกสุดท้ายกับพวกที่มีความรู้ความฉลาดในการสั่สอนผู้อืสแสดงครับอธิบายอะไรต่างๆให้กับคนอห่นเขาฟังได้เข้าใจได้ง่ายได้อันนี้ก็มีสิบชัดด้นเลยคร่บสาธุครับก็มีอีกอันหนึ่งครับพอดีได้อ่านมาหลายที่ บางท่านก็จะคิดว่าตัวเองปาถนาพุทธภูมิครับหลวงพ่ออาจารย์ไอ ต, ตรงเนี้ยแนวคิดตรงเนี้ยก็ยังมีอยู่ใช่ไหมครับอย่างเช่นมันเป็นความไม่เข้าใจมากกว่าเราไม่เข้าใจว่าพุทธภูมิกักบสาวกภูมนี่ที่มาที่ไปความเป็นปจริงมันเป็นยังไงครับคือพุทธภูมินี่หมายถึงต้องต้องบรรลุถึงพระนิพพานด้วยตนเอง แต่พระพุทธเจ้าของเรานี่ท่านอยู่ในภาะวะต้องเป็นพระพุทธเจ้าเพราะไม่มีครูบาอาจารย์มาสอนท่านครูบาอาจารย์ที่ท่านอยู่ด้วยท่านสอนสอนให้ท่านเป็นพระพุทธเจ้าสอนให้ท่านบรรลุถึงนิพพานไม่ได้ใช่ก็เลยต้องไปไปค้นหาหาอริยรรสัจสี่ด้วยตนเองแต่ถ้าพวกเราเนี่ยพวกเรามาเกิดในยุคที่มีพระพุทธเจ้าสอนอริยสัจสีแล้ว เราก็ไม่ต้องไปไปหาหาหาหาหาด้วยตนวเองให้เหนื่อยยากเราก็ลรียนจากพระพุทธเจ้าไปเราก็เป็นสาวกกระุ่มไปก็มีท่า น, นั้นเองไม่ใช่เราจะตั้ง<อ>ไม่ใช่ว่าเราจะตั้งเป้าหมายว่าฉันจะเป็นแต่พระพุทธภูมอย่างเดียวถ้าไม่เป็นสาวกกระพุ่มมันมันเท่ากันเน่ะสาวกก็ไปถึงนิพพานพุทธภูมิก็ไปถึงนิพพานเห็นอนุญาตศีลเหมือนกันนั้นต่างกันตรงที่ว่า คนจะเป็ต้นหาด้วยตนเองมีคนจะมีคนสอนอย่ า, ยาไไนั้นยังง่ายกว่าแต่ง่ายกว่ามีตำํำรายแล้วไม่ต้องอ่มีตำรายแล้วแล้วเป็นคนเองมันจะไปคนหาตํารายทำไมใช่ไหมครับก็มีมีมีอีกอันนะคะรับหลวงพระอาจารย์ปัญเจพุทธเจ้าที่ผมเข้าใจก็คือเห็นก็บอกว่าช่วงรอยต่อที่ก่อนพุทธเจ้าท่านที่หนึ่งจะไปท่านที่สองอะไรเงี้ยไม่ตรงรอยต่อ ไม่จําเป็นอะถ้าท่านจะมาเกิดในยุคไหนก็ได้ท่านไม่มีความสามารถที่จะสอนใครท่านก็ไม่สอนหรือถ้าท่านจะไปอยู่ในยุคที่ไม่มีความสนใจธรรมะก็ยังไปสอนใครครับสาธุครับเท่า น, นเองนะหรือถ้าอาจะเป็นบ้าก็ไ้องเป็นบ่ายกสอนไม่ได้เหมือนกันใช่ไหมครับก็อีกอีกอักอนหนึ่งก็จะทบทวนตรงคําสหารสุดท้ายนะครับที่ว่าพระอริยะบุคคลผู้ที่หนึ่ง โซดาปฏิมาโสดาปฏิผลส ก, กิสกิธาคามีมัสกิธาคามีผลอนาคามีมัสอนาคามีผลอรหันต์มัสอาหารตามัมผลเขาแบ่งเป็นคู่คู่สี่คู่อันนี้แบบยกตัวอย่างคู่ที่หนึ่งเนี่ยแบบสมมติโสดาปฏิมาอันนี้ที่หลวงพ่อเคยบอกผมลืมไปแล้วก็คื อ, คอไปถึงตอนเจริญสินสมาธิปัญญาขการของโสดาสินสมาธินี่เหมือนกันทุกท่านอ่า ปัญญานี้ก็อยู่ที่อยู่ที่วิชาที่เราจะต้องวิเคราะหว่าต้องวิวิชาไหนรือกิเลสตัวไหนที่เราต้องต้องทํำลายแล้วเราเป็นโสดาปฏิผลอย่างไงต้อก็เมื่อสอบผ่านเนี่ยสามารถรับรับสัตย์นิได้รับกิเลสตัวนั้นได้ก็ก็เป็นผลขึ้นก็ก็มีสามข้อของท่านท่านโสดาสักกายที่ถิวิถีกินฉาหรือว่าสีลับปัจมาร โอเคครับก็มีคําถามเท่านี้ครับหลวงพอ่อ <Okay. S 2> ขอหลวงพ่อสุขภาพแข็งแรงนะครับแล้วก <Okay. S 2> ็การตาถูกบ้านอยู่ไหนนะเดี๋ยามกรุงเทพครับกรุ okay. Okay. <laughs> งเทพครับในที่ท่านต่อไปคุณวริสวริสก็อยู่แทบใช่ไหมใช่ครับหลวอกับนมัการครับวันนี้ขอสอบถามเรื่องศีลข้อที่หนึ่งครับถ้าเราเห็นทหาราาจาัด ก, การพูดรายได้โดยแบบคือค่าผูดรายนั่นแหละเราผิดสินข้อที่หนึ่งไหมครับเพรเราแบบ จากนั้นเนี่ยถ้าฆ่าทําให้ผู้อื่นก็เสียชีวิตนี้ก็ผิดเพียงแต่ว่ามันผีหนัมีโทษหนักโทษเบาต่างกันแบบแบบเราเห็นทหารจัดการผู้ร้ายเราเราถือว่าคือได้ยินว่าสิ่งข้อหนึ่งคือเราไม่ยินดีกับผู้อื่นเมื่อฆ่าตัดคือเราเห็นนี้ตํารวจจัดการผู้ร้ายเราผิดผิดผิดตามทหารคนนั้นเลยไหมครับเมื่อเราคิดเห็นแมบนั้นถ้าเราไม่ได้ทำเองไม่ผิดถ้าไม่มีส่วนร่วมอลไรออไม่มีส่วนร่วม ก็ได้ยินว่าถ้าอะไรอ่ะไปยินดีกับเขาถือว่าเราผิดไม่ไม่ไม่ใช่อย่างนั้นใช่ไหมครับหลวงอไม่ผิดศีลแต่มันผิดธรรมมันผิดว่าเป็นจิตใจยังยังยังใฝ่ในการการทําร้ายผู้ยังเบียดเบียนผู้จิตใจยังขาดความเมตตาเรื่อเ ร, อเรอว่าจิตใจผหดร้าก็ได้พวกที่ชอบไปดูเอลาเรื่ออะไรที่เขาฆ่าฝ่ายอย่างเนี้ยนั้นดูน่ามัน สดงว่าเป็นจิตใจที่โหดฆ่าทำถึงแม้ตัวเองไม่ได้ทำก็ตามแตชอบดูคนอื่นทำร้ายชีวิตคนพู้แล้วเวลาวางจิตเวลาทหารจัดการโจรจัดการผู้ร้ายได้แล้วผมคนวางจิตยังไงครับแบบก็เฉยเฉยอะไรนี้ก็เฉยเฉก็รู้ไปเฉยเฉยู้ไปเฉยเฉยดูเขาว่าทำตามหน้าที่ของเขาไป แต่ถ้าเราถ้าถ้าผมไม่สงสารผู้ร้ายถือว่าขาดเมตตาไหมครับหลวงพ่อเราเฉยๆก็มีอุเบกขาถ้ามีอุเบกขาก็มันตอนนั้นก็ไม่มีเมตตาบารมีมูลิตาเมแต่อุเบกข า, า, า, า, าโอเคครับก็วันก่อนที่ผมเล่าให้หลวงพ่อฟังว่าผมเพิ่งกลับมาจากอุดอรนะครพนมก็ไปดูกุฏิหลวงปู่ ม, มั่นหลวงตามหาบัวรู้สึกเอ อ, อที่หลวงพ่อบอกไปกับอิจกัปูน แล้วผมก็ได้แบบไปสนทนาธรรมกับท่านเชอรี่ด้วยโอโหเห็นท่านสมาถะมากไป โ, โหทราบซึ้งมากเลยครับหลวงพ่ อ, อ ก, ก็เห็นเมื่อเห็นครับอาจารย์เราก็แบบแล้วเราอยู่สบายอย่างนี้เรามาขี้เกียจได้ไงมันได้คติตรงนี้ครับหลวงพ่อโอเคไปทําให้เกิดประโยชนนะ์ในการปฏิบัติก็ยิ่งเพิ่มศรัทธาให้ผมมากขึ้ น, นครับพระห้าก็แบบโอ้โหมันศรัทธาแบบตอนนี้ยังอิ่มบุญในใจอยู่เลยครับครับเห็นกุฏิโอเค ทำอย่างนี้โอเคต้องรีบหลายนะเดี๋ยวขึ้นชั่วโมงแล้วเนี่ยคนกองพนักจากภูเก็ตนั้งถ้าจำไม่ผิดใช่ไหมกองพนักหรือเป่าที่มาทำบูชายาใช่ไหมวันไม่ใช่ค่ะตอนนี้อยู่กรุงเทพค่ะอาจารย์ได้ยินชัดหรือเปล่าคะชัดเจนชัดเจนมีอะไรมไหมมีค่ะมีคำถามคือ เหมือนกับคุณแก้วเมื่อสักครู่เนี้ยค่ะคือเอ่อเจ็บหลังแล้วก็ลงไปที่เป็นเป็นอ่าหมอรองกระดูกทับเส้นประสาท น, นะคะอันนี้ก็เมื่อสามปีที่แล้วเคยมีอ่าทีโครงแครกอะคะ่ะมันมันร้าวอะคะ่ะแล้วก็ปวดมากเลยแล้วก็มีความรู้สึกตอนนั้นว่าเราแบบพยายามแยกระหว่างกาย ทีจะไม่ให้นึกถึงกายแล้วก็ให้นึกถึงแต่จิตอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนั้นพอจะทําได้แล้วก็พลาวๆ ล, ลงไปแต่คราวนี้นี่ทําไม่ได้เลยอะค่ะลองใช้พุทธโธช่วยลุกก็แผลบั่งก็แผลบนั่งก็ก็ค่ะคือเหมือนกับว่ามันไม่มีมันมันช่วยอะไรไม่ได้เลยแบบก็ต้องใช้พุทโธพุทโธพุทโ ธ, ท ธ, ทธไปเรื่อยๆให้จิตเป็นอุเบกขาแล้วก็มันก็จะอยู่กับความเจ็บได้ อันนี้นอนหยุดมันไม่ได้เพราะเราไม่อยากให้มันเจ็บเราอยากจะให้มันหายให้เราต้องหยุดตัวอยาเนี่ให้ได้ด้วยการใช้พุโทโธตั้งพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปเรื่อยๆเดี๋ยวางระยะหนึ่งมันก็จะหยุดความอยากเกี่ยวกับเริ่อความเจ็บของร่างกายนะแล้วมันก็จะเฉยๆกับมันได้อยู่ด้วยกันได้ถ้าสมมติว่าลงไปนั่งปั๊บเนี่ยไม่ต้องนั่งก็ได้พุทโธนี่อยู่หยุดในท่าไหนก็ใช้พุโทโธได้ เดินืนนั่งนอนไม่พุโทโธไม่ได้แต่ก็ไม่ต้องนั่งสมาธิสักพักเช่นกันไม่ต้องนั่งก็ได้นั่งก็ได้นั่งก็ดีนั่งไม่ได้ก็ไม่ต้องนั่งขอให้มีพุโทโธอยู่ก็แล้วกั น, อ, นอย่าอห้มอย่าให้มันไปคิดถึงความเจ็บอย่าไปอยากให้มันหายอย่าไปอยากให้มันดีขึ้นอะไรความอยากนี่จะทําให้ใจทอมานทานั้นเอง ครต่อไปก็จะอยู่กับมันได้ทนกับมันไปได้จะขอถามพระอาจารย์อีกเรื่องหนึง่งคือว่าระยะหลังเนี่ยสามสีเดือนมาเนี่ค่ะรู้สึกว่าดูหนังฟังเพลงดูก็ทราบว่าเสียเวลามากเลยะนะคะแต่มีความรู้สึกแบบว่ามันมันติดแล้วเวลาฟังเพลงเนี่ย เพลงไหนที่ชอบนี่ก็แบบว่าจะสนุกสนานด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบมันผิดมากไหมฮะมันก็เป็นยเสพติมันก็เป็นสิ่เสพติดชนิดหนึ่งเลยมันผิดตรงที่ว่าเราจะติดมันถ้าเวลามันเราไม่มีมันเราเราจะรู้สึกเหนาถ้าเราไม่ติดมันเราก็จะไม่เดือดร้อนให้ติดสมาธิติดพุดโทโธนีแบบไม่มีพิดไม่มีภัยต้องฝืนมากๆเลยอะค่ะคือ ทราบอยู่ในใจตลอดเวลาว่าเราควรจะนั่งสมาธิเราควรจะเดินจงกรมนะคะแต่ว่าใจหนึ่งตอนนี้แบบอยากจะแบบนั่งแปะแบบนอนพราว่าเจ็บที่ตรงหมอนรองกระดูกพอนอนไปแล้วก็ปึ๊บเปิดทีวีเลยอะไรอย่างเงี้ยคือแบบแมันข้าสุดหุดหงิด ต, ต, ต, ต, ตัวเองค่ะพระอาจารย์ใช่ต้องโทษตัวเองไงโทษตัวเองเราทำตัวเราเองให้หงุดหงิดเอง พยายามฝึกสติพุทโธไวเรื่อยๆสวดมนต์ไปเรื่อยๆดีกว่าเนะ่ดีกว่าไปดูหนังฟังเพลงมันไม่ได้ทำมันไม่ได้ทาให้จิตเราเป็นอุเบกขาเราต้องการทำจิตให้เป็นอุเบกขาให้วางเฉยได้นะเราจะไม่เดือดร้อนกับความเจ็บปวดของร่างกายมีอะไรไม่คุณ มีอะไรไม่ก็กลืมแล้วค่ะไม่มีแล้วค่ะขอบมากค่ะโอเคต้องขอไปเร็วหน่อยนะเพราะยังมีหลายท่านรออยู่คุณนายแเชิญนาต่อกดันยิ้วเลยฮะมุมซ้าย้าโอเคพูดได้เลยการมาสการค่ะหลวงพ่ออที่ไหนอยู่ที่ไหนอนม่าเจริญค่ะจังหวัดอัรนะาเจริญคเคยเคย เคยที่ที่ครั้งที่แล้วที่กลับเรียนหลวงพ่อว่าจิตสู่ความว่างนะคะแล้วก็จิตก็จะเตือนตลอดว่าความตายจะมาถึงทุกวันทุกวันนะจะเป็นทุกเช้าเลยค่ะตื่นเช้ามาปุ๊บหรือว่าเข้าห้องน้ำตอนเช้าเขาจะบอกตลอดว่าเตอือนเตือนตลอดว่าเนี่ย ใกล้วันแล้วนะเวลาน้อยทุแล้วยังไม่พอพระเจ้าบอกให้คิดถึงทุกลมหายใจเข้ายังไม่ถึงกับทุกลมหายใจเข้าออกค่ะแต่ก็แต่ก็เป็นมาต่อเนื่องยังไม่เคยขาดหายไปเลยดีแล้วทํา้เมื่อค่ะเมื่อสองวันที่แล้วอจิตได้บอกขึ้นมาว่าตัวที่จะพ้นทุกก็คือใจไม่มีทุก ตัวที่พ้นเวทนาก็คือใจไม่ติดกับเวทนาแต่เวทนายัางคงอยู่อลูกเข้าใจถูกต้องไหมคะถูกต้องปล่อยไปเวทนาให้มันเป็นไปตามธรรมชาติมันจะสุขจะทุกแล้วไม่สุขไม่ทุกข์ตามนั้นของมันเราไม่ต้องไปทําอะไระ ก, ก็จิตก็จะเป็นอย่างนั้นแล้วเวลามีสิ่งมากระทบสมมุติว่ามีคนมาพูดไม่ดีด้วยนะคะ อ่าลูกก็จะวางวางได้ทันทีเลยค่ะ <Yeah. S 1> คือวางได้ทันทีเลย <Yeah. S 1> คือคิดว่าเราไม่ได้เป็นอย่างนั้นและตัว <Yeah. S 1> เราก็ไม่มีตัวตนคิดอย่างนี้ถูกต้องหรือเปล่าเจ้าคะาใจเราไม่เดือดร้อนก็ถูกต้องค่ะไม่ไม่ไม่เดือดร้อนเลยค่ะเย็น <Okay. S 1> สบายมากเลยค่ะค <Yeah. S 1> ่ะก็ขอโอกาสหลงพ่อคือลูกก็อยากกลัวว่าตัวเองจะ เข้าใจถูกต้องหรือเปล่าหรือว่าหลงตัวเองอะไรประมาณเนี้คะ่ะถูกต้องแต่ต้องคอยดูว่ามันสามารถทําได้ทุกเวลาทุกกรณีหรือเปล่าท่านี้อ่อก็คิดว่ายี่สิสี่ชั่วโมงก็จะได้ประมาณสักสิบห้าสิบหกชั่วโมงอยู่ค่ะหลวงพ่ออ่าค่ะก็คือไมอ่บางเรื่องเราเตรียมตัวไม่ขาดมันก็เลยเฉยได้แต่บางเรื่องเราเตียมไม่ได้รัเสรก็มาปั๊มดนดนบแบบที่เราไม่ได้ตั้งไม่ไม่ได้ตั้งตัวก็วกมีค่ะโ ด, ดนโดนประเภทแบบ เดินมาด่าเลยก็มีค่ะอ่าเพราะว่าลูกลูกลูกย้ายที่อยู่ใหม่แลนะค่ะคือแต่ก่อนแต่ก่อนอยู่ในจังหวัดตอนนี้ย้ายมาอยู่กับลูกสาวที่อำเภอเพราะว่าลูกสาวเป็นเป็นแพทย์อ่ะค่ะก็เลยมาอยู่กับเขามาดูแลเขาก็ปฏิบัติทุกวันค่ะก็ไปวัดมั่งบางทีก็คือแต่ก่อนลูกปฏิบัติเนี่ย บางทีไปอยู่วัดสิบห้าวันหนึ่งเดือนสามเดือนก็แล้วแต่โอกาสค่ะ<ม>แต่อยู่ที่บ้านก็ทำตลอดทำบ้านให้เป็นวัดค่ะถูกต้องก็ก็ยังปฏิบัติอยู่กับหลวงพ่อก็ตั้งค่ะตามตามพยายามรักษาใจให้มันเชิญกับทุกเรื่อง ก, กันแล้วกันก น, นะค่ ะ, ค, ะคิดคิดว่ามาถูกทางแล้วเนาะค่ะหลวงพ่อถูกต้องเอาเป็นความสมก็เปล่าแล้วถุกคนก็ยืที่ว่ามันสก็ไม่สมอืก ก็วางค่ะหลวงพ่อคือมันมันตอนนี้มันเป็นแบบสุกเราก็รู้ว่าพอพอมันสุกปุ๊บรู้เลยรู้ว่าสุกค่ะวางอันนี้มาปุ๊บอ่ามาแล้วตัวตัวอันนี้ตัวนี้มาแล้ววางวางก่อนเลยค่ะหลวงพ่อไม่ไดเอามามาถือเลยค่ะค่ะดีมากลูกก็แล้วกันหลวงพ่อพูดเลยค่ะ เอาท่านนี้ก่อ น, นหมดไม่ยังหมดแล้วขาดหลวงพอ่อโอเคจะได้ไปที่ท่านต่อไปนะการรัชการค่ะหลวงพอ่อครับที่คนรุ่งที่มามจะทัานกอธรรมมีอะไรไหมจ้าวันนี้มีคำถามใ okay. ค่ะโอเคมันซูมตอ่อมันซูมยูเซอร์อยู่ที่ไหนพูดได้เลยได้ยินเสียงว่า กลับแล้วซอการอาจารย์ครับก็มีคำถามว่าประดี๋ยวอ่าสัปดาห์ที่แล้วมีคนจะมาเช่าที่ครับแต่เขาจะทำพวกร้านอาหารแล้วก็จะขายพวกสุราบุหรี่เงี้ยครับทีนี้ไม่ทราบว่าเหมือนเราไปเหมือนเรามีส่วนร่วมไหมครับอาจารย์ไม่มีไม่มีหรอกเขามาเขามาเช่าที่เราไปให้เขาเช่าไปเราไม่นจะเป็นทำอะไรกับเขา แล้วก็อีกเดี๋ยวถามเรื่องการปฏิบัติครับเอ่อทํางานเกี่ยวคอมพิวเตอร์นะครับตเวลาจะนั่งเหมือนช่วงแรกครับจิตมันจะไปคิดเรื่องงานก่อนแล้วมันเหมือนมันจะได้คําตอบก่อนแล้วมันถึงจะสงบลงได้ครับอาจารย์มันอย่างเงี้ยคือปกติไหมครับใช่เวลาจิตมันมีปัญหามีอะไรข้างคาใจมันก็ย่อคิดคอยหาคําตอบมันก็เลยไม่สงบพอมันได้คําตอบแล้วมันก็จะมันก็จะสงบลง อ๋อมันกับไปของมันต่อใช่ไหมครับแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดมันไปอยากงูอยากอะไรขึ้นมามันก็จะไม่สงบขึ้นมาอืมครับนะครับแล้วขออีกคําถามนึงครับก็คล้ายๆกับคําถามก่อนหน้านี้ครับที่เอ่อเอ่อที่ที่บอกว่าโดนโยมเขาเอาที่คืนไงครับแต่ทีนี้คือเหมือนที่บ้านก็เคยมีคล้ายๆนีค้ครับคือเหมือนที่แรกคุณพ่อเขาจะยกให้วัด นะครับไปบอกพระพระก็มาสวดแล้วนะครับในที่นี้เหมือนเอลำหนักที่ให้ยกจะยกยกให้เนี่ยครับท่านก็ไม่มาทําอะไรเงี้ยครับในตอนหลังพ่อก็เลยอยากจะเอากลับมาทําอย่างอื่นอเงี้ยครับอย่างนี้เขาจะบาปไหมครับก็อยู่ที่ว่าเขาเยินดีคืนให้หรือเปล่าเขายกัธก็ได้ อืมเพราะว่าวยังเหมือนยังไม่ได้โฉนดไปเลยครับแก่คุ ย, ยปากตาถ้าถ้ายังมีของเราอยู่ก็ก็ก็ไม่มีปัญหาอะไรแสดงว่าเราเรายังไม่ได้ให้อย่างอย่างเด็ดขาดยังเป็นของเราอยู่แล้วก็มีสิทธมแต่ต้องบอกบอกกล่าวตอก่อนถูกไหมครับก็ควรจะพูดกล่าวว่าพอผมไปจัดนานให้ทํามุ่นทํานี้แต่ถ้าื่ท่านไม่ทําพรว่าเขาอ๋อเพราะว่า ทางจิตแม่อยากจะให้แถวว่าทางพ่อเห็นว่าไม่ไม่มีมาทําอะไรก็พ่อก็อยากจะไปทําอย่างอื่นครับแล้วเขาก็ทะเลาะ ก, กันอันนี้ก็ปัญหาอยู่ที่เจพ่ อ, อแม่นะไม่ได้อยู่ที่วัดไม่ใช่ครับเหมือน ม, มีมีที่ก็ทุกข้อที่อยากเหมือนที่อาจารย์ <c oughs> <ๆ S 1> บอกใช<ๆ>่ครับหมดคําถามแล้วคะรับอาจารย์ขอบขอบคุณครับใช่ครจอยตอบจอยจพัทยา กับสวันดีค่ะหายแล้วค่ะอะไรหายโควิดนะฮะโควิดอ่ตอนนี้ไม่ต้องกักเกิแล้วใช่ไหมไม่กักอ่ะหายแล้วขึ้น<อ>ตรวจอาการอาการเป็นอะไรมากไหมก็ร่แรกๆมันเหมือนมีไข้แล้วมันก็หนาวๆแต่ว่าไม่เยอะแต่ว่ามีน้ำมูกแ่บเหมือนไข้หวัดเลยค่ะเออต่นนั้นเองนะใช่ค่ะแล้วกเ็เป็นอยู่แค่สามวันแล้วก็หายแต่ว่าเ<ม>ด็กๆอ่ะเป็นหลายวัน ไปงานทั้ง้านเลยติดกันทั้งบ้านเลติดกันทั้งบ้านเขาเรียกเตือหมดเลยกล่าว่าสิ้นเดือนถึงจะไปใส่บาทอ่ะเอาน่าไม่ให้มันปลอดภัยก่อนนะให้มันให้หยุดนานๆก่อนโอเคค่ะน่าไม่มาแพทย์ชื่อให้คนเลยใช่ค่ะไปเพราะว่าคนเยอะด้วยคนยังเยอะอยู่ไหมค่ะก็เหมือนเดิมคนธรรมดาก็น้อยหน่ะแต่สาวที่มันมากไปเยอะอือค่ะแก็ไปที่เดิมคุณ ที่สายอก็บอกอยู่ว่าตอนนี้คนจะเยอ ะ, อะอต้องไม่มีคำถามค่ะสรรอะ น, ส น, น่อาจ า, า, า, ารวิทยาการด้ิคนสอนวิทยาการได้ยินไหมวิทยาการวิทยาการอาจารยนี้ได้เลยครับสวัสดีครับพระอาจารย์ครับ เชิญได้เลยครับพอดีผมว่าจะขออนุ ญ, ญาตสอบถามว่าโดยปกติผมภาวนามาเนี่ยนะครับอ ไ, ไอสังขารนะครับมันจะจำพุโทโธแล้วมันก็จะวิ่งของมันเองอะฮะก็ดีกัแตท่ทีนี้ทีนี้เวลามาภาวนาครับผมผมก็ภาวนาทางวิทยาการเครื่องบนค้าวสัญญาณไม่มหรือสมาพีผมก็ไม่รู้ ผพูมพูดขายไล้นะมันยิงคำเครื่องของกวนค้างสิ่งที่มันพูดมันขาดอะไรไปสัญญาณไม่ดีครับผมขอขออีกทีครับพระอาจ า, ารย์ครับคุณ อ, อะไรอ่า ส, สัญญาณไม่ดีคืออย่างนี้ครับแล้วทีนี้ที น, ทนี้ทีนี้พอผมภาวนาไปผมคิดว่าลมหายใจมันแผ่วมันก็แผ่วจริงๆนะครับมันก็แผ่วไปตามพุทโธแต่ทีนี้แล้วมันมันกั้นหายใจฮนะก็อย่าเป็นการอย่าเป็นการให้อยู่กับพุทโธไป มผมผมเลยมานึกได้ว่าเอ๊ะผมติดอย่างนี้มาตั้งนานนะครับว่าว่ามันเหมือนไม่อยู่ดี่มันกั้นแต่จริงๆมันหลงเข้าไปในภวังแล้วมันก็ลืมหายใจใช่ไหมครับจ่ว่าลืมแล้วไม่ลืมไม่รู้อะไรถ้ามันเข้าไปในภวังมันก็ปล่อยลงไปไม่สนใจกันแล้วครับครับผมครับครับแล้วก็อีกคําถามหนึ่งครับเวลาผมนั่งภาวนานะครับผมจะผมจะไม่ใช้คําว่ารู้อะครับผมจะรู้สึกว่าผมนั่งมองมันอยู่ ผมจะเห็นอาการที่มันค่อยค่อยค่อยค่อ ย, อ ย, อยสงบเห็นสัญญาที่มันผล่ขึ้นมานะครับแล้วก็เห็นไอไอภาพไอไอหน้าเราฮะที่เรานึกว่าเป็นตัวเราอ่ะเป็นสัญญาที่นึกขึ้นมาเองอ่ะผมก็เลยคิดว่าอ่อก็เลยก็เลยก็เลยคิดว่าอันนี้อันนี้ใช่ใช่คําว่าที่เรารู้ไหมครับที่รู้รู้นี่คือคือใช่ตัวนี้ไหมครับไม่ใช่ถ้ารู้มันต้องไม่มีอะไรให้รู้เลยนอกจากตัวตัวมันเองตัวเดียวอืมถ้าเกิดว่าเราเราเราเราไปมองมันอย่างเงี้ยไปมองไปเห็นไปเห็น เห็นมันบิมันวิ่งอยู่มันเดินอยู่อย่างนี้ก็อันนี้ไม่ใช่ตัวรู้ใช่ไหมครับไม่ใช่ครับนั่นั่นมันเหมือนอาการของจิตมันไม่ใช่ตัวจิตอ๋อครับก็คืออะไนั่นต้องเรียนแต่ความว่างนั้นถึงจะถึงจะเห็นตัวรู้จริงครับผมแล้วแล้วแล้วคําว่าผู้รู้กับตัวรู้นี่เหมือนกันไหมครับอาจารย์เท่เดียวกันตัวเดียวกันครับผมครับผมับแล้วก็มีอีกคําถามสุดท้ายครับอาจารย์ครับเอ่า ทำไมผมปล่อยวางเรื่องการเรื่องเรื่อ ง, เ ร, องเรื่องตำแหน่งที่มันสูงพวกเกียร์อะไรพวกนี้ไม่ได้ครับก็าหมันยาเสพติดไงคนเต็มมันครับผมคุณก็นาพิจารณาว่าเป็นของไม่เทียมครับได้แล้วเดี๋ยวก็เดี๋ยวได้แล้วเดี๋ยวก็หมดไปครัถ้าเห็นว่ามันไม่เทียมมีเกิดไม่ดับมนขึ้นไมีลง ม, มันก็อาจจะทําให้เราเออถอนออกมาได้คครรัับบพิจารณาความไม่เทียมของราดรดสรรเสริญสุงเนี่ย ครับผมครับครับผมหมดคำถามแล้วครับพระอาจารย์ครับผมขอบคุณครับอาจารย์เป็นสเดิมสอนเดิมจากสอนเคเป็นยังไงมอไรไหอาจารย์เข า, า ม, ขมากราบพระอาจารย์ไม่มีคำถามอะไรเลยขอมีพระอาจารย์เป็นที่พึ่งนะคะพระอาจารย์อขอมีพระอาจารย์คุณพระพุธคุณพระธรรมคระสง์นะคะ เดียก็ต้องพูดด้วยเองด้วยนะต้องด้วยเองด้ว ย, ต, ววยตารยอยาจายโนนาเถอะนะขอบคุณาจาโอเคสาธุใบยกภูษามุกหมเชิญถามที่น้องขอบคาร์ค่ะปิดเทอมแล้วใช่ไหมปิดเธ อ, แ อ, อมแล้วค่ะโอ้ยมีใครอยากจะถามอะไรหรืเปล่า ภูผาใกล้ใกล้จะสอบบดินแล้วค่ะได้ว่าดีใช่ไหมยี่สิบหกมียี่สหกมีเองคยี่สิบหกมีค่ะอ6ีจะไปสอบไหมป่าค่ะภูผาค่ะยังไงได้แล้วเหรอได้ที่ยี่สบหกสอบก็ยี่บหกครับสอบสอบทีอืมก็ต้องดูงทังสือเยอะๆนะนะต้องพยายามดูทังสือเยอะๆนะ เหมือนคนสมัครสามร้อยคนรับสองร้อยคนค่ะนั่นแหละถ้าเร า, เราดูหนังสือเราก็จะได้ถ้าเราไม่ดูหนังสือเราก็จะไม่ได้อ่านหนังสือถ้าไม่อ่านก็จะไม่ได้หลวงตาบอกพอจะมีคติประจำะใจปลุกไฟให้น้องหนูออกจากเกมแล้วก็มาอ่านหนังสือไหมคะนี่อาอ่านหนังสือพอก็ มันจะจะคิดยังไงก็คิดว่าเรียนหนังสือดีกว่าเล่นเท่านกักนเขาไม่คิดเลยค่ะแทนค่ะเรีนหนังสือจะได้ความรู้จะได้เป็นคนฉลาดเล่นเกงมันจะไม่ได้ความรู้จะเป็นคนงี่เง่ไปทำอะไรไอไโอเคเดี๋ยวดัต้องรีบรีบปิดเข้างนะ อ๋ อ, อ, อเดียวอันกลางๆปีอะค่ะเราก็คิดว่าถ้าจะไปอเมริกากันค่ะแต่ว่าก็กลัวสงครามยูเคนะคะมัน<อ>มันอยู่คนละโลกแล้วมันทำไมกลัวหรอกคนที่อืควรจะอยู่ที่ไทยหรือว่าไปดีคะก็ได้ทั้งสองอย่างถ้าไปดีกว่าอยู่ก็ไปถ้าอยู่ดีกว่าไปก็อยู่ ตอนนี้สับสนแล้วค่ะใช่ค่ะก็ลองลองพิจารณาดูแต่ว่าไปดีกวบอยู่หรืออยู่ดีกว่าไปนุ๊กแจแกราบดินหลวงตาว่าที่หายไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วคือที่บ้านติดโควิดกันค่ะอ่าติดทุกคนเลยครับยานี่ติดยานี่ติดกันเยอะญาติโยมที่มาติดกันเยอะแถมธรรมชาติเลยค่ะอันนี้หายแล้วใช่ไหมหัวแล้วใช่ไหเหายแล้วค่ะ แต่ก็ยังมีไออบ้างค่ะคแสดงว่ารับซีนี่มีประโยชน์มากนะจีนก็ต้องป้องกันได้ก็รู้สึกว่าติดโควิดแล้วเหมือนยกภูเขาออกไปสองสามลูกเลยเจ้าค่ะเพราะว่าตอนไม่เป็นน่ะกังวลกลัวไปหมดเลยค่ะแต่พอเป็นแล้วอะ่ะไม่กลัวละค่ะตอนนีน้อันนี้มีภูมิต้านทานแล้วนะ ไม่ภูมิแ ล, แล้วก็ไม่กลัวเรื่องฉีดวัคซีนแล้วค่ะเพราะตอนแรกสับสนวัคซีนมันมีหลายยี่ห้อแล้วก็กลัวว่าควรจะฉีดแบบเชื้อตายหรือว่าเป็น M I N A D อะไรเงี้ยค่ะแต่ตอนนี้คิดว่าไม่ไม่กลัวละฉีดได้ทุกชนิดได้ทั้งชนิดไหนก็ได้ที่ป้องกันได้แต่ยโยมโยมก็เลยคุยกันเพราะจริงๆโยมก็เดินเรื่องที่ให้คุณผ่าไปสอบก็คืออย่าง ให้เขาทดสอบตัวเขาเองเพราะเขาเล่นเกมมากแต่จริงๆก็คืออย่างที่เคยกับเรียนหลวงตาไว้อ่ะค่ะว่าเมื่อสองปีที่แล้วว่าคือเรายังรอจังหวะที่ว่าจะไปอเมริกาค่ะว่าถ้าทางอเมริกาโควิดลดลงเราก็จะเดินทางไปและที่นี้ทางอเมริการู้สึกว่าโควิดมันเริ่มลดลงใช<ด>่ตอ<ะ>นนี้อันนี้ก็ถือว่าเป็นธรรมดาแนละ้ว า็เลยพอมันมีมีสงครามเข้ามาก็เลยสับสนอีกแล้วมัสงครามมันไ ก, กลยอยูคนละประเทศกันก็เลยมาขอความมั่นใจจากหลวงตาว่าเดินทางไปได้ใช่ไหมคะเหมือนได้ไ ด, ได้มีคนไปอยู่ทุกวันอย่างคนี้ก็มีลูกเศรษฐคนยนออย่างเดินทางกับอเมริกาอ๋อชาติทุกชาติใช่วันนี้พี่สาวโยมก็มาจากอเมริกาเหมือนกันอ่า ไ, ไม่คิดมากเลย อะไรจะเกิดมันก็เกิดนี้ทํามไม่เกิดมันก็ไม่เกิดใช่ค่ะเพราะว่าตอนโยมเป็นโควิดอ่ะโยมคิดได้จริงๆค่ะไว้ตอนแรกโยมกลัวมากที่โยมบอกว่ายกภูเขาสองสามลูกเพราะว่าตอนเป็นโควิดอ่ะโยมทําใจเลยค่ะว่านึกถึงคําสอนหลวงตาว่าจะอยู่ก็อยู่จะตายก็ตายมันก็แค่ร่างกายของใช่ร่างกายำำมันเป็นเ่งไปมันเป็นเรื่องทำไปไม่ใช่ของเราใช่ใช่ใช่คําคําสอนของหลวงตามัน พูดเข้ามาในหัวโยมเหมือนเลยค่ะมันก็เลยโยมก็เลยไม่เครียดโยมรู้สึกว่าเป็นโควิดที่สบายมากเลยค่ะดีมากมันเหมือนทําเกิดขึ้นเมื่อทุกข์ค่ะนั่นช่วงช่วงบวมีปัญญาบอเกิดเข้าพวดนี้ขอบคนณหลงตามากๆเลยค่ะโอเคนะเอาทนี้ก่อนนะนอนต้องการนอนหลับฟันดีไว้สอบได้นะ ขอให้หลวงตามีอายุยืนยาวเลย120รอยี่สิบปีด้วยนะคะโอเคสาธุอาจารย์กับนมัสการค่ะใครจะกดปุ้ยตาปุ้ยมัสเมเบิร์กได้ยินไหมทำงานอยู่แล้วปุ้ยได้ยินค่ะพระอาจารย์กลับกลับนมัสการค่ะพระอาจารย์เอ่อคุยทำงานอยู่ กลับมาเข้ามาฟังเฉยๆค่ะพี่อาจารย์เอออยากมาศึกษาเรียนรู้แล้วก็จะมาทำรายงานด้วยว่าโยมก็ปฏิบัติ ด, ดีขึ้นเยอะเลยเพ้าโยมตื่นปีสองแล้วยมก็มานั่งพยาามนั่งให้มากขึ้นมากขึ้นทุกวันค่ะเออทำให้มากค่พี่อาจารย์โตค่ะ่ามันสงบแต่ตีห้าโยม ถ, ถักแต่ว่า หนึ่งวั น, นต่อทิตยมพยายามตั้งตั้งเป้าไว้แล้วตั้งวางแผนไว้ว่าต่อไปนี้นะวันพระเราจะต้องถึงสิบแปดแต่ถ้าเรามาทํางานเราก็พยายามไม่ให้แบบคุ้งอะค่ะโอเคค่ะขอขอให้ขอให้พระอาจารย์มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ ะ, คะเขอพรอด้วยค่ ะ, อ ะ, อ ะ, อะขอพรด้วยค่ะพระอาจารย์ช่วยมีความสุขความสมบูรณ์ในความสมหวังในทุกแิ่งทุกประการ ทิดเงินไปเงินคิดเทาเป็นเทานะสาธุเขาสวยได้ยเสวยไม่สาบรายไม่รู้เลยเลยสาธุพระอาจารย์ขอบพระคุณกาพะาจารย์มันจิบจ่ะจีบยูเอเอมาเลยล่ะจิบเม่อกี้คุณสลินทอนมันตางมาเลยคุณสลินทอนไปตามมาไปตามมยมฟังตั้งแต่แรกแล้วค่ะพระอาจารย์ยมยังฟังพระอาจารย์คุยกับสลินทรนเนี่ยแต่ว่ายม เหมือนกับต้องปิดหน้าจอไปบ้างเข้ามาบ้าง <Okay. S 2> อะไรอย่างเงี้ย <Okay. S 2> ค่ะค่นะก็สบายดีค่ะก็พยายามเอาคําของพีา่จันมาพุดโธแล้วก็ยอมหยุดเย็นเมื่อวานนี้ก็มีเรื่องมากระทบนิดนึงจากลูกอะไรอย่างเงี้ยแต่ปกติจะแบบปี๊ดมองอารมณ์ตัวเองอะค่ะมันปี๊ดขึ้นมาเสร็จปุ๊บแล้วมันก็ดับลงอย่างเร็วแต่ทุกทีมันจะแบบมันจะแครรี่ไปเรื่อยไปเรื่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่รู้สึกเมื่อวานนี้มันดีขึ้นมากก็ โอ้คำของพระอาจารย์เราเริ่มมีสติแล้วก็เลยจะขอเกาะชายพระเหลืองของพระอาจารย์ไปเรื่อยๆนะคะโอเคค่ะอาจารย์สุขภาพแข็งแรงเจ้าค่ะใช <Yeah. S 2> ่มีสติตลอดเวลานะค่ะสาธุค่ะไปที่คุณแอมีต่ตาลุงเองม้องององไปเอ็เอม็มเหลือบเอ็มนอนแล้วเหรอครับวันนี้แค่ ม, มา อายงานตัวนะใช่ครับสวัสดีครับพี่อันนี้แค่มาสวัสดีครับ okay. เด็กก็น่าหนูต้องไปนอนแล้วห้าทุนมแล้วครับห้าทุ่มสวัสดีดล้วนนี้ไปที่คุณดาต่อเฟซบุคถามแบบมีคำถามจากทาง Facebook YouTube แล้วก็ c l ับ h o u s e ทั้งหมดสิบสองคำถามค่ะคำถามแรกจากคุณสมการ ศี่ห้าข้อยังทําไม่ได้ก็แสดงว่าเราไม่สามารถทําสมาธิได้ใช่ไหมคะทําได้แต่จะไม่ได้ดีเท่ากับถ้ารักษาสี่ท่าได้เพราะมันแสดงว่ากำลังเรหน้อยขนะดาษสินอะไรยังรักษาไม่ได้แล้วเราจะไปทําสมาธิมันก็ยิ่งยากเลยเนยพยายามรักษาศี่ท่าให้ได้ให้ดีก่อนแล้วก็แต่สมาธิก็ทําได้พอๆกันไปใช่ไหมจะทําได้มากได้น้อยเท่านี้ คำถามต่อไปจากคุณโตโต้สุขที่แท้จริงคืออะไรครับคือความสงบของใจที่แท้จริงว่า ม, มันอยู่กับใจอยู่กับเราไปตลอดไม่เหมือ น, นกับความสุขอย่างเหมือที่ต้องมีวันสิ้นสุดมีวันหอกไปคล้ายกับความสุขเปล่ไปคำถามต่อไปจากคุณใบไม้ในกำมือกราบเรียนถามพระอาจารย์ค่ะโยมชอบอยู่แบบเงียบ เมื่อใดที่คนเข้ามารบ ก, กวนในช่วงเวลาที่สงบโยมมักจะรู้สึกรำคาญบางครั้งจะแสดงท่าทางหงุดหงิดโยมควรจะทำอย่างไรจึงจะไม่รู้สึกแบบนั้นคะกออ็ต้องต้องบอกว่าเราอยู่ในเล่านี้ยมันก็เราจะอยู่คนเดียวไปตลาดไม่ได้ก็ต้องมีเวลาที่เราจะต้องพบปะกับคนพบปะเขาให้ใช้ความเมตตา ให้เป็นเป็นเมตต์อย่าไปมอกเขว่าเป็นศัตรูเนี่ยไปคิดว่าเขาจะมาะมาเบียดเรียนเราอะไรต่างนั้นคำ ถ, ถามต่อไปจากคุณชัดอยากทราบอุบายจากพระอาจารย์ในการตัดความผูกพันกับญาติหรือพ่อแม่ขณะกําลังบวชใหม่ๆ ห, หรือเริ่มต้นบวชใหม่ๆครับก็อย่าไปเห็นหน้าเห็นตานต้องบัญญัติบกค่ายอย่ามาเยีเ่ยมนะก็ เพราะเราเห็นห้าเห็นาแล้วเราก็จะทําให้เกิดความผูกพันขึ้นไหอีค่ะถามต่อไปจากคุณจีรภาสอบถามพระอาจารย์ค่ะเคยไปปฏิบัติวิปัสสนามีอาการในร่างกายเหมือนลมวิ่งขึ้นลงในร่างกายจากบนไปล่างลักษณะของลมนั้นเหมือนลมร้อนในร่างกายแต่ภายนอกร่างกายเหงื่อออกลมออกหูเหมือนจะเป็นลมแต่ก็ไม่เป็นไร ของร่างกายไม่ให้ลมได้ประมาณยี่สิบนาทีหรือเปล่าไม่แน่ใจค่ะลมนี้ก็วิ่งขึ้นหลังไปท้ายทอยไปศรีรษะและลงมาที่คิ้วทั้งซ้ายขวารู้สึกว่าลมในตัวร่างกายมันออกตรงหัวคิ้วนับครั้งไม่ทวนจับครั้งไม่ได้มันเร็วมากๆแบบนี้คืออะไรคะมันก็เป็นแบบนั้นแหละมันเราไปรู้ว่ามันเป็นอะไร ม, ะมันเป็นไตรลัดนเป็นไตรลัด อ น, นันตาเป็นสภาวะธรรมเป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งคําถามต่อไปจากคุณชัดผมฟังธรรมพระอาจารย์คุณตัดสินใจจะออกบวชเพราะเห็นภัยในความเกิดแก่เจ็บตายและความไม่เที่ยงผมคิดแบบนี้ถูกต้องไหมครับถูกต้องคำถามต่อไปจากคุณนพพมา่าตราบนมัศการพระอาจารย์ค่ะ อยากทราบว่าถ้าเราตายแล้วจิตของเราจะไปไหนต่อคะก็เหมือนตอนที่เรานอนหลับนะถ้าจะฝันดีนจะฝันลายถ้าทําบุญไว้มากกว่าบาปก็จะฝันดีถ้าทําบาปไว้มากกว่าบุญก็จะฝักกนลายฝันดีเราก็เรียกว่าสวรรค์ฝันลายก็เรียมันละมกเลื่อนไปค า, าถามต่อไปจากคุณชนะกาขอฝากคําถามค่ะเราจะปฏิบัติอย่างไรกับเข้า อาจกระดูของคนตายควรเก็บหรือควรจะลอยอังคารให้หมดคะแล้วแต่เราเราจะลอยอังคารหมดก็ได้จะเก็บไว้เป็นที่เราเล่นก็ได้ไม่มีปัญหาไม่มีความแตกต่างคาถามต่อไปจากคุณแอปเปิ้ลกราบเรียนถามเจ้าคะ่ะหากมีความกลัวในความตายทั้งๆที่รู้ว่าทุกคนที่เกิดมาแล้วต้องตาย จะจัดการกับความกลัวที่เกิดขึ้นอย่างไรมีความกลัวจับจิตจับใจจนประคองสติไม่อยู่เลยเจ้าค่ะก็ต้องหัด ท, ทําสมาธิหัเจ ร, ริญสติพุทโธพุทโธไปอย่าเพิ่งไปคิดถึงความตายทาจิตให้ส่บกดกันคำถามต่อไปจากคุณรสิทธิ์ผมเมาทุกวันจะทําอย่างไรจะเลิกได้ครับอาจารย์ขอบารมีอาจารย์แม่ตาด้วยครับต้องไปอยู่ที่ที่ไม่มีสไลด์เดือดเนี่ ไอยู่วัดข้างๆหนไปอยู่วัดที่ทางไกลจาก้านสุรายาวเท่าลรคำถามต่อไปจากคุณหญิงกราบนมัพรสการพระอาจารย์ค่ะรบกวนสอบถามถ้ามีนกพยายามมาทํารังเพื่อที่จะวางไข่สามีเอารังที่นกพยายามทําออกทุกครั้งเลยค่ะบางครั้งนกเขาทํารังเสร็จแล้วเพื่อรอที่จะวางไข่แต่สามีก็มาเห็นแล้วยกรังออกอีก ถือว่าบาปไหมคะแต่ลังยังไม่มีไข่มานะคะก็เหมือนต่อไปเราไปสร้างบ้านสร้างทีไรก็สร้างมาดไม่เสร็จแน่ทีคาถามต่อไปจากคุณพีพีเราจะปล่อยวางอย่างไรดีครับแนวทางวิธีที่จะทำใจให้สงบเมื่อทุกข์อะมากจากการผูกพันจากสิ่งหนึ่งหนึ่งที่ผูกมัดเราทำให้เป็นทุกข์ครับก็บริกรรมพุโทโธพุโทโธไปแล้วสวดมนต์ไปภายในใจ ทำใจให้นิ่งไม่เฉยแล้วก็จะไม่เดือดร้อนกับการสูญเสียกับการพลดพลาดอยา่างกันคุณถามต่อไปจากคุณอันนากราบนมัสการจะทําอย่างไรจะนั่งสมาธิได้นานกว่าครึ่งชั่วโมงคะง ก, ก็ต้องฝึกสติให้มากต้องฝึกสติทั้งวันเลยตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาก็ท่องุโทโธพุทโธไปเนื่องเขาผูกใจไว้กับการเคลื่อนไหวการ ก, การะทําต่างๆของร่างกาย อย่าให้ใจลอยไปลอยมาคิดถึงอดีตคิดถึงพระนางคิดถึงเรื่องนั้นเรื่อง น, นี้ไปควบคุมความคิดคอยหยุดความคิดอยู่เรื่อๆแล้วเวานั่งสมาธิเป็นการนั่งเรื่อยขึ้นคํำถามสุดท้ายจากคุณเอกวิทย์เจ้าคุณนรละละัตหลวงตาท่านยกย่องว่าเป็นพระอาหารหันต์กลางกรุงโดยไม่เคยออกไปทุดงในป่าพระอาจารย์สุดใจอัฏฐาตเป็นพระาธาตุสีเหมือนทองคํา ท่านก็ไม่เคยออกธุดงเหมือนพระอาจารย์สุชาติท่านพิจารณารำประเภทไหนซึ่งบรรลุทำได้ท่านพิจารณาไตรักอริยสัจสี่ใช่ไหมครับใช่ทุกอย่างว่าต้องมีต้องมีใจรักมีอริยสัจสี่ถึงจะสามารถทำสิ่งได้คถามหมดแล้วเจ่าค่ะโอเคหมดแล้วเวลาก็หมดพอดีเลยแป๊ะเลยยี่สิบสามนาิกาพอดีก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลา ก็ขอให้ท่านทง น, นำเราสิ่งที่ได้ยินได้ฟังไปคิดพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปเธอ